นัโมทัศน์สักว่าตระหสตัมมาสัมพัสสะนัโมทัศน์สักว่ตระหสตัสมมาสัมพัสสะนัโมทัศักวตัวระหตัมมาสัมพัสสะปัญจันธาบ้างดุข้าง คันโทเวทนาคันโทสัญญาคันโทสังขารคันโทด้วยอาศัยศสนานี้ทีบัดนี้ยัได้เทสนาในศาสนาธรรมคันสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ฉันได้ตั้งไว้เป็นบาอาคุธรรม ชื่อว่าผักพุกพราบัญญัติเป็นคำทีที่สี่นั่นเป็นเครื่องเปลียนใจและเปล่งผูนสติปัญญาของผันพุทธบริสัทธ์ทางไล่ได้สีิ้าเป็มีควอเทียควอนเมียนใจในคำสอนของขัตมาสัมพุตตเกี่ยวเต็มเตรียมบริบูญยู่ในคิดแต่ันดานขล่งโซนคองโซน จึงเลยมีเจตนารัาได้มาประชุมกันในธรรมสภาสลานี่หวังสวยอยากฟังพระธรรมเทศนาทึงได้พากันตั้งใจทำความขอรบคุณผลรัตนาใจอันเป็นที่เึองของตนทางอานิสระบูชาและปฏิบัติบูชาอันเป็นการบูชารดยยิ่ง ให้เกิดมีเป็นในส่วนของออาาส่วนเข็มดิปณว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมาหาตามมาวาจรในยิย่ยใหญ่เต็เเมเตรยียมอยู่ในจิตสันดานค้องสกาะันทั้งร้ายบริบูรณ์อยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกตาต่อฟังพระัธรรมเทศนาของพระสมาสัมพุทธเจ้าอันโอาดคําสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อคันปัจจรู้ ท่านลูเหตุลูกผลนั่นลู่เหตุทางนอกดังสื่อทำทั้ท า, ทางห้ายมันจึงคู่กันดังี่วัดเนี่ยของทางไทยริมทางนี้สองนั่นแ่ละมันเป็นคู่อย่างเสียแล้คิดจะทำมันใด ความอยากทำมีอยู่ความนึงผันวา่าว่าจะไม่เลยดสมมีสิ่มากสิ่ดีเนนงียยนึงความนึงพวาวาความทำจะไม่สร็จดว่าวา่ามันหาของสิเส ม, มารถทำห น, นอยยากมันก็ผันนีดสิ่ ม, มากอีกเนนงียยนึงหลายอย่างยังสี่หละ เนี่ยะมันหักเป็นเงียนเป็นเงียนอยู่คิดอันใดว่ามันปิดขวดไปเลยพวดท่านหรืมันมีเงียนมีเงียนอยู่อย่างนั้นหันหากเล่าคูกภาวนาดูใจของเราจะรู้อะไอย่างอธิบายนี้ถ้าเล่าไม่ภาวนาไม่ดูใจเรามันก็เป็นแรี่วๆไปคิดเป็นสองเงียนกับสอง คนที่สุดก็เลยไปตามงานที่ว่าสัวว่าดีนั่นไปแต่ว่าแมนโซมี่คิดอันเดียวอย่างนั้นนี่ล่ละจะได้ซื้อว่าคุ้มหืดมน่นผู้เห็นบอบหลอดว่เห็นหินเห็นหมดมันก็เลยว่เห็นทางสิดนทุกหละพอว่เห็นหมดเพราะคำสารหละกุติเจ้าเสดนาไว้ ดังเชว่าพุลศรัทมาทำให้จิเป็นผู้ศุน์เป็นบุญนี่ก็คือว่ารรมอย่างเราถ้ากันมาทําวัดปลูกพุทธิศลาหรืออย่างทีเร้านี้ว่าเทียนกันมาทำความสะอาดแถวหรือหากว่ า, าบาปบนมันลบมันเหน้ย นั่นล่ะมันจะเป็นกุศล ท, ทั้งล้นท่านหนึ่งเป็นอาคุศลแล้วอาุสลาธรรมาชื่อสิ่งเสียตัวเิ็งนี้หลักนี้ศกขาดสัตว์สัตชีวิตเป็นโ้นนันนนน่นแล้ว่าคุสลาธรรมะอภัยกัจจามาตย์ท่านสิ่งกลางท่าน ไม่เป็นของดีของชั่วอยูกลางๆแต่ทำมา น, นึงเลาก็ไรบูชาท่ำอย่างที่ดีวาแจเราเดี ท, าา ท, ทาาาาํางานวาแ่ทำจะทาไปพุคก่อาแจมีการคึกกองดูว่าเราทำนี่เป็นทาเป็นกุศลเรือหรือทาเป็นเอากุศลเราก็เป็นเนื้อซาเรียกว่าผู้เป็นผู้มืดมน ทำโพงบอกให้รู้เราคไในรู้เล้าก็เลยว่าเส้ว่าเราบรู้เล่าบรู้แค่กิงอย่างคนตายจะเอาไปให้สัานแสดงในเวลาว่าสักฝังศักคุณหรือมมาชิตาความลามมาชิตาคำนี้ติแสีว่าสามมาชิตาก่ไหมความว่าท่ำหมดสามท่านเพศ อย่าตทีกล่ามาแล้วมันเป็นหมว ด, 3, ดสามอุชรานหนึ่งสองอภุชราสามอภิญญาตาเนียเรียกว่ามาติกาธรรมที่นี่ทุกข์ขายอ่หนึ่งทุกขายอะเวสนาอ่อสุขาม ะ, าะทุกขาขายอ่ะหนึ่งเป็นหมวดหนึ่งเรียกว่าหมวดสามเหมือนกันที่นี่ วิปัสสตมานี่หมวดหนึ่งวิปัสสตมะสมานี่หมวดหนึ่งเนวาวิปัสสิตาตาสมานี่หนึ่งมาเริ่มเป็นหมวดสามสามสามใหญ่ไปอย่างนี้จังว่าเป็นมัทธิสตธรรมเพราะธรามเป็นหมวดสามนี่นี่ชาว่พุทธจะสุขหายเวทนายะ ธมยุตสาธมาก็คือว่าความสุขถันเราค้ําถูกล่ะเราคิดถูกกันล่ะมันให้เกิดความสุขถ้าเราคิดผิดคิดไปทางอกุศลาไปทางกิเลสทั้งหาหลักสร้างไปทางที่ไปหาขา่าสัตว์แต่ร ะ, ะบาดเนี่ยพอความรักมันจิเป็นเสียดจะทํา สมกับพระองค์พันเทสนาสันติมหามาภะู้มหิเสพระเจ้าประสิทธิบริจาคให้เป็นสวยมีสวยงามและิพพ่งเาะก่อนจะก่อนนิ่มนวลดีเพราะพเจ้าประสิทธิโยกลาดสมบัตใิในสันติมหามาะสั่วยุคเชสดวน พระเจ้ า, า, าพัชรินาให้เสืจะศีมาหมาดพุทธิสันตุพวกของให้สาวประชาาดอยู่ในจตวันนางในสีที่พระเจ้าพัชริน์สวายสิว่างามทั้งเป็นและฟ่อนสะโพะงามทั้งหมดนั้นหมาแจฟ่อน บ, บ, ำบำรุงบำเลย ฉันจะเสียห ม, มาผูเปินตลาดกษาาัตริย์นีเพราะแจก่อนจนเป็นนางนักสนมมันว่าอะไเป็นนางมหิสีบัดนี้มาได้นางมหิสีภูมิใจยังได้ฟ้อนเบ้เท่งฮัดร่าประกอบดนตรีนอนในพ่อเมาเจ็บเท่งเจ็บฟ้อนเจ็บบํารุงอย่างนั้น ยินก็ไม่พอมันก็เลยไป่ถึงวันที่เจ็ดนั่นล่ะวันที่จะสิ้นพระราชสวสดีที่ฉันได้ซื้อมามาเสียหลักท่านตามบันเดงหรือพระโภมาสเป็นที่มือความสามารถให้เต็มใจก็เลยเป็นลมตายฉันจะเกี่ยมากับขึ้นได้ รับโทดของพระเจ้าปเสนไม่ได้ทุกเนยหาที่อยู่ไม่ได้ฉันตีมหามาดินเจเหล่าบ่มีเหลือบ่มีช่วงอยู่ว่างไม่เมาจะที่พอได้เห็นหาสีตายลงความเจ่าเมาเหล่าความอะไร รับนางฤที่ีมันเป็นของร้อนมันเผาความเมาเนีให้หายท่นชักลุกเปียดเหมือ น, นกัว่าก็ <c oughs> <c oughs> บุกปนพวก <c oughs> ข้างกระเบื้องไปแฉแดงแล้วเกียดเอาสินเนีย่ยสิย ง, งไป <c oughs> มันความร้อนของกระเบื้องแฉแดงอยู่นั้นมันทําให้สิมนี่แหงกลางลงทันทีเลย <c oughs> ชั้นใด ใจฟังสันตีมหามาจากความเมาแจกรห่งเลยหาที่ตึ่นไม่ได้เมื่มีบอนผิดทิศใจนั้นมีความชุ่มชื่นเงียบสงขึ้นมาได้เลยเห็นแจพระพุทธเจ้าเราได้โม่โม่ก็ดูนางหนีสีอยู่นั่นไปหาพระองค์เลย โพงแในเทศนาไปศศาสตูนตุนอ่างปัทุกร้อนของตุนทมงะในเทศนาว่าเิยโตชยเตโซโกเิยโตชยเตพยายามอติโซโกคุโตพยายาันว่าอย่างนี้เิยโตวีพมุตตะสาพันว่าอย่า ง, ง, ง, ง, งนี้ พิยาแต่รักเมื่อความรักมีเยโตพิยาโตแช่เตโซโกโยโกเปลี่ความโสดโสมันสร้องมีความโสดโสเพราะถูกในความรักจิงจีสุนรักนั้นเมื่อมันดีบัดไปอย่างนี้มันก็ต้องโสดโสดเห็นนั่นเราก็เห็นอยู่ยางว่าพวกเรา มีครอบครัวหรือลูกร้านหันจะเป็นพพววครอบครัวคนอื่นท่ำชั่วหรือตายจะเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายก็ตามหรือลูกหญิงชายก็ตามก็ถือว่าเป็นท้องโตแล้วส่งทูกง่ายาเป็นเรื่องของว่าเป็นผัวเมียผู้อื่นหรือผัวผู้อื่นผู้หญิงจะไม่เลี้ยงสโสกแต่ตายหรือลูกคนจะเลี้ยงสาวโสด หรือหากว่าผัวภรรยนไายก็บวิญญาเศ้าโศพอตวบริสถือว่าเป็นของโสวิญญาณหรือแบบโสดมีรักยังว่าเราก็เห็นด้ทั้นทีเรื่องงความเศร้าโศกหรื อ, อความรักเห็นนี่ยังว่าพระองค์เจษณะสันสิสปฏิมาอย่างนี้ชั้นที่ชั้จะตีมามาจัลูได้ เยตัวเสียเตยพยังไทยจะเกิดขึ้นยังว่าชัวร์เราภัยเราบาปมันจะไว้ว่าเขารักเราหลักของเราลวกหวงอยู่ในของเมื่อเขามารักของเราเราก็ร้อนไปเลยถ้าเป็นเขาหลักของปืนก็เป็นเจได้ยินไม่เห็นเราเราร้อนเนี่ยทายิงเขารัก เอลูกอบเอลูกอบหัวตัวไปยืมใหญ่เลยร่อนใหญ่ยังว่าเสียโตแสนเพรียงอธิโซโกูโตพยัยงเมื่อผูได้รักหลายเทไรจะยิ่งได้รับความสูงสกแล้ไงละของผู้นั้นจะน่อนนอนนิ่งหายใจเกแบบแข็งกว่าทั้งขามีคนมอเห็นท่รมละที่นััน ยังว่ า, า ว, วิริยโตวิปมุตตสสารื่อผู้ใดมาพิดดาจารณาร่างกายเห็นดังกล่าวเลยเปลี่ยนใจว่าเป็นอรุยภาพหรือเป็นของจิตเป็นโลกเป็นภัยไว้อยู่ในใจเออใจวิภัยจึงอย่ดยล่อนะวิป ม, มุติตสสารใจเป็นมีมุตเลยลุกยากกว่ามันเป็นธรรมชาติของความเกิดของความเป็นอยู่มันมสุกอบก มันหักเป็นของบ่เสียงมันก็ได้เป็นบ่เาศรุกหลายนี่ละ่ะหรือหักไม่เศรุกจะเลยดังที่พระพุทธเจ้าท่านจะไม่เกิดก็ไม่ได้ไงท่านพลาสสามารถดาละเพราะท่านทอดเด็กวันพลาสสามารถดาแต่ท่นทานคีอวุตเป็นปอนคาย่อมจะกว่าทรันงนั้นเป็นที่ถึงความเจ็บ งอพระพุทธเจ้าจย่างนั้นไม่สุมควรจะค้นยืนถ่ายยังอยู่หลายวันกันพ้นยืนจะจ้เข้ามาปฏิเสธอีกนี่ไม่ใช่ว่าไขเนื้อมันหักเป็นธรรมดาของผู้มีอำนาจของผู้มีวัสนาไปทธิ์มันหักสป่งของเป็นอื่นพระพุทธเจ้าองค์ใหเกิดขึ้นมามา่ดาขนารนี้ยืนนานอย่างนี้เตือนเกียจกันกับสวรรคตไปเลยสวรรคตไปเลย ทนพิ้งว่าเรื่องนี้มันมีอยู่ว่าอย่างว่ามาหินพบอาชนยอย่างเนี้ยมาหัวได้เมื่อหากว่ามันจะคอดมันไม่ใช่คอดออกพวานมันยันท่องแม่ก็ออกเลยให้แม่ตายเลยเพราะมันไนชุนวเแก่มาอืน่นจิจะากพอไปตสงคันเขาอยู่งช่างยังสีพดี ยังกว่าช่างอันนาา่าริรินี้ก็ยันท้องออกเลยไม่ช่างอื่นมาเข่ายืนในพันใดให้แม่ตายเลยเงาสุขราชเชีย ง, งกี้กคือสันยันท้องแม่ออเลยของมีอํานาจต้องเป็นอย่างนี้นี่แต่ว่าพระพุทธเจเ้าไม่ได้ถึงซัดยันซับทําลาย แม่ดอกแต่ว่าศสนาม่หักเหนอย่างนั้นพอได้เอาองค์อดแล้วกับเป็นลมเขาสู่สวรรค์นั่งไปเลยเป็นอย่างนี้นี่ละเหตุนั้นจังว่าหันหามาพูดดูในนี้จนอย่างยางผู้หญิงสิ่นนางสิริมามัญญาว่าป่าศสนาเป็นแม่ของผู้ทธิเจา้าก็ดูเหมือนยังจะว่าไม่ควรดอก ไม่ควรจะฟาดธนาหรอกเพราะมันบ่ได้เนี่ยอยู่ดีไปอย่างนี้แต่หากว่าพระพุทธเจ้านี้ว่ า, า, า, า, า, า, า, า, าพระลากสมาดาของสันนางสิลิน้อยนาณิฟาดธนาเป็นมารดาพระพุทธเจ้าตักหนึ่งว่าจริงจีที่นี้มาได้เป็นแม่ของพุทธเจ้าในอัตตุปนี้ว่า ถึงจ้พักเจ้าคู่คู่ทั้งโชกับท่านนั่นละ่ะพระศิริ ม, มัญญาละเป็นผลาดมาสมาดาแล้วพระโหนกคมผักกัชโโพแม่นนางศิริมหายาเป็นผลัดสมาดาแต่ว่าถึงพระโคจโมกับแม่นนางศิริมหาม ญ, ญานี่ล่ะเป็นหลักสมาดาพระศิลวิตโยกับแม่นพระ าาสิริมาเนยเนี่จะเป็นผละราษมานดาเพราะท่านศา ส, สานาเป็นพระรามานดาพระพุทธเจ้ากลับหนึ่งครับหนึ่งทำให้ความว่านี่พระพุทธเจ้ามาตัดเทไลในกับนั้นกต็ตหมเป็นมานดาทาัทา้งห ม, มดแต่ว่าหากเป็นยอย่างนั้นเมื่อความลาบสมุติจะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์ใดกับสวรรค์นักตย์ยึวันแต่สวรรค์นต์ไปเลยอย่างนี้ทางนั้น ไม่ได้ยูบนานไม่ได้เห็นหน้าลูกยัไงตัวอะไรล่ะนีเป็นอย่างนี้นี่แจังว่าเปนลูกเหมือ น, นก็ปสัสนุกปสัสชนาเป็นแม่ของภูติเจา้าเพราะหวังยอยากส้มหน้าลูกหน้าเจ้าผมไ่ได้ส้มซาคอยบอกมาได้เกเ็วันตัวกับปัสนะแนับภูติเจ้าเนี่ยนี่เป็นอย่างนี้เนี่ยละ่ะ แต่พันว่าเป็นผู้สร้างบุญมากจนในศิลป์แม่พระพุทธเจ้าบุญหลายคนหญิงทั้งหลายละ่ะส่วนที่บุญติล่าว่าหลายนั้นว่าลูกง่งามคนหญิงทั้งหลายการทัำคิดการงานก็ละเอียดลออย่างพระเจ้าชุดโพธิสนะได้แล้วแกงว่านานทงทำงานละมุนละมอมอยู่ แก้งทำเขาไปได้ควไปจับสวยจับซ้าบ่วงเหยียงสาลาฟีเหยังสะใต้ไว้ทำเป็นทีีเหมือนกับตัวไปเหนนยว่ามีใครเก็บไปเมียมีแต่เก็บเนี่ยไปสีรักษาวัคซีนแอนติเซปเตอดเผยสี่รักษาและอไ่ที่มีนรเก็บ เฮีสีและนางสนมมาไปกินเฉยโอ้เขียนนี้สุดนางศรีมามายานี่พูดอะไรเลยเขาไปดูมันงตักตะอยู่นางกเก็บเนียนส่วนพระเจ้าสุโธธนาไปยืนเอาหูพิงเอายืนสิง้าวหูจ่าฟังเสียงสิแคได้ยินเสียงสวยเสียงบ่วงสามการอย่างนั้นกระทบกัน นิดเดียวไม่ได้ยินยนนิดเงียบนางเก็บเงียใหม่ยังละเอียดบ่าไม่เสียงเลยว่าละละมุนละมอมถึงขนาด น, านั้นล่ะมีเรียอาวาสนาะว่าเป็นผู้มัทธยัตทุกอย่างเรียบร่อทุกอย่างบาดแ่ลบาดคอตระลสะสมุตรแล้ว เ, เอาเลยโดยจะเ็บวันถุ สว่ร น, นักตรไปสัมชลเนี่ยยังมาเลยมันก็บอสมว่าผู้สามุญมาหลายเวอยูย่นิดเดียวพราะได้ลาส บ, บุตรทอดจิตวันจะขับชูนิสสวรรค์นักบุตรไปใช่อย่างนี้แต่ปหัตที่เนื่องจากว่าลาส บ, บุตรมาได้เป็นพระพุทธเจ้าได้ขึ้นไปโปรดถึงชันดาวเรือง แต่ว่าไม่ได้ข่าวว่าพระเจ้าฟูกูส้นโทและปูนาสัพโ ป, พป โ, ปโปนอนว่าสิไปโสเป็นเจ่าดังยินแต่พระเจ้าสมานะโาโดมธานีสิมปโตนี่เป็นอย่างนี้ละ่ะนี่ละเีตุนั้นจงได้ว่าถึงล่าวอย่างนี้เราก็จะเห็นได้ว่าความไม่เลี่ยงการจี่เป็นบุญ มันอยู่ในตุกเ์ืยอในฟอร์มใเที่ยงเพราะพพุทธเจ้าสอนไว้นะที่สามนี่นะว่ากา ม, มาาสอนูุศูนั้นข้อตันกันจะว่าน้ำข้างติ๊กอยู่ปลายไ้ไหมมันเป็นตอมอยู่นั่นเท่านั้นทางนี้ลมมาครับนักหน่อยไปร่วงลุลงพระหรือไม่หยัางมะ ก, ะกัทโกนิดเดียว มันจะ่วมรวบจับตายไปใหม่ซะเชื้อตามมาลาจอนท่านจะบอกว่ามันเชื่อม ง, ง่ายจกง่ายอย่างน่าชางสิ้นชีพตายไปใหม่อย่างนั้นไม่ได้ช้าวอนอะไนเลยนี่เหตุนั้นเชื้อตามมาลาจอนก็อย่างเล่าตำทานอยางทีละสักบาทจังหันให้สมบูรณ์ที่วนันให้เสนาสนะให้ ส, น, าานะหสนุนทุนทางอะไรไปอย่างนี้ละ เรียกว่าเป็นตามาประจัูุ้ศลนทั้งหมดทีนี่มันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของร่วงง่ายแต่เมือนีงเราทำอะไรเดี๋ยวอยากจะให้เป็นทำถนนน้นทางก็เป็นบุญนันย์ใจแค่ขันว่าพร้อมเตียงกันว่าจะทำควอมบ้านคอามเมืองไม่ทำกระโจนกันวนะ่ะมันคงท้างคง แล้วทำไมที่นี่หายมากโกรธโกนเนี่ยพ่อโกรธนันละ่วงผู้โนที่จะวาดจะทใหมเป็นบุญมันขาดไปชะละละทำเชีงทีนเรื่องวั ย, ยั์ให้ได้บุญไม่ค่อยมาเดินให้บุญ เ, เล่าหน่อยมันขาดมันเราเกิด เ, เป็นความร่ำสีมาละละมันกระโตกล ะ, ละอันนี้สามมาว จ, จรมันตกไปอย่างนั้น ถ้าเราทําอันไดก็เป็นอย่างนั้นเราทำแฉวงกีวรนเราทํนอาหารบินบาทหากนี่ยังมาควนไม่อยอาทำสินแมวหรือหมาก็ให้หรือลูกเต่ามักควนก็ให้นี่ยมันจบละละพันชั่นไปนบุญ น, นมันขาดมันไปเป็นตอนร่อนสินมาละละตอนเห็นมันนีแล้วเนี่ยเฮ้ยนี่ยังแบบ ถ้าเนทำอยู่ในวัดในวาก็อย่างนั้นสัมผันี้เพราะป่อใจมันหลุสิบบุญนั่นมันบ่มีหรอมันไปข้าบาต ล, ล่ะอลา๋ย่ลมันว่าท่านเป็นตัวดอกมาหักสิบเหมือนเหมือนอย่างพระเจ้าสีสมโศที่ให้ทานเงินใน่ผโกบสักครั้งหมดเมื่อป่วยหนัก เนื้อไงใจว่าอยากทำบุญหากได้ทำแล้วอาจจะหายหรือว่าจะไปสุขติอย่างนี้ไม่รู้ล่ะก็้วให้เสด็ยันไปขอตัดพวกเสด็จยันขาดเมื่อหากเขาว่าท่านทำบุญจนมดในพระโปรดพระังแลายสมทักษะ บ, บริบูรณ์มากเพราะแล้วเงินส่วนที่ท่นแบ่งไว้ในพระโปรพระั้งนี้กะขอไ้ทำบำรุงชาตประเทศเถิด ไปบอกขันเาเ่อไม่ให้หรอกว่าอย่างนี้ขันพราจะว่าไปบอกขันสกุลผมนั่นเล่าไปไวแ่แท้แต่เพียงเราจะขอมาสม บ, บุญข อ, ขอใจคนีกจะไม่ยอมให้ขันผู้หายนะครอบผ่านละแต่เน้นขังเนี่ยปวสถึงกะพพดีโรคต้องเหลือแรงกระเพดีสวรรค์ น, น้าพดแเลย ความโกษนั้นจะไปให้เป็นเศษมุ้ยใหญ่บุญผู้สวนที่สัมมาที่สร้องอาัคเกดีหรวิหารตังเจ็ดทีเจ็ดเดือนคิบวันหาดไปเลยบุญเลหลาย่ได้ไปเป็นเศษมู่ยใหญ่ไปเลยแหล่ๆไม่ได้ไปสวรรค์รราลานั่นละ ยังว <ME> ่าเมื่อเราโกรธจิอยางนั่นในการชมบุญมั้กแ่บวท่านหบดผลดอกบาทห้าสายไปเดี่วมาถักไปสิงยังพญาศีสมศึกกรลารลาบลบไปให้ไปเสด็จงูใหญ่ฟะาลบไปทั้งสุขศีฟ้าความมุ่งเราชมบุญเราพญญยกไปสุขศีบาทห้าใจเราผบว่าเป็นไปย่างสันสัตว์มีปุ้บซุ่มมีลดซุ่ ขี่เป้าถ้ำี่เ้าไปเป็นอยงที่ใช้ใจญ่หลวงโยน่บุญใช้นี่มันเรียกว่ามันตกที่สพะพืดสะพืแล้วให้บุญน่นะนะสามัจารคุศรเนี่ยมันว่เป็นของสาววเนนั่ละเวทนานแจ้งแล้บอกว่ายางเช่ได้มากโดยผลโดยโลคิย ะ, ะเรียกว่าสามัจร น, นั่นละโดยปี๊ปี๊ให้หอได้พอไปได้ยินเสียงเช่นยางสามเณรหอไป มาจะยินเสียงหญิงสาวทับเพลงเก็บมอานอยู่ความยินดีในเสียงเพลงเท่านั้นเขาสงใจสร้างเตรียมสร้างสามัคะจชนได้สกความันพอดีแคะดีบตกโลกในหนองทำามตกระดีบหนิรสมุนน้อยหย่อนละ จะนี่ตกแล้วไงหนอมมันถูกน้ำมันจะเล่บวตายมันยังเอาผ้าเปียกเขาไปหาเขายังว่าต้องการอยากเลยเขาอยู่เขาโซนจับโซนมอนแดนขบันขะนั่งไปไปเึงบ้านตอนแม่ยังถามารยังไหวเพราะว่ายต้องการวัตถุเป็นหยกเป็นเตายังเอาอยู่พุทนเมียมันเตรียมยังไงล่ะควรที่จนหน้หอได้ก็เตรียมยังไงล่ะถือว่าตามมาว่าจอนมันโมตังเทียง เหตุจึงว่าเราาในทํำตามมาวจรแล้วก็ต้องเอาการท้ำนั่นละเป็นอุบายอยู่เสลอว่าของเราทำมิงงมิค่านะเนี่ยทันหากสิ่ษายเป็นเงินเป็นท่องก็หลายอยู่เราคงยั่งสารอะไรวะต่างแค่เพียงว่ า, วาวสิ่งที่มักควรเห็นแมวหมาหรือลูกเต่า มันจะเป็นของสิเราก็รักษาสอบที่เราพวกนี้มันมันกควนจะเรียกว่ามันโมโหจักหนักก็แฝงไปแฝงมาเอานี้แหละใจไใหวไมาา่ไหแล้วก็มารักษาใจเ ล, ล้วล่วาเราหาท่านของมันก็มากยิ่งเราสิยงังซาลาใบยังไม่เห็นหายอ่ะอันมู้นนี่มันกบ็บรมีของได้หายดอก อ่านเว่าวงปล่อยมันตินไปตามมันเป็นแน่วมาม้วงปล่อยมันตินมันก็บริกินดอกลูกเต่ามันติดัู้ซันมันไม่มีอะไรเสียดอกแค่มันมาควันมีซึมก็ต้องอายลาเราเก่านั่นแหละเป็นอุบายที่เดี๋ยวบุญเดีไปเป็นอุบายเดีไปดีของเราเลยไปพร้อมทั้งบุญทั้งอุบายแล้วบาดอยาหว่าอุบายเป็นถ้ำพร้อมทั้งเป็นถ้ำเราสร้างขึ้น รเรากริกว่าหายสีไปทั้งสี่ละเนี่ล ะ, ละขันเราเป็นผู้ผักพร้อมด้วยทั้งคำทั้งสี่การทำด้วยก็เป็นบุญทั้งสองอย่างสิ่งนี้เรานี่เป็นอย่างนี้เนี่ละเหตุด้านจังได้ว่าส่วนที่ว่ารูปประจรผู้ศนพุมาพิจาณาหลักตายให้เห็นอย่างสี่เทียนใจสีนอสุภา ทุกส่วนว่ามีอ น, นี้เป็นเหลือสมก็มาเลอธิบายเป็นหลักว่าตาจ้าเพียนโตมีนังคงอยู่สรืรหลอบโุโลหะักปรารษาชิคิโนมันเป็นของบูรเนาเป็นอาุีินี่เป็นรูปประวจอรเนี่ยผู้ ด, ดำเนินเขาถึงรูปประวจอมพอมาที่านในรูปของเราไม่ได้เอาของมาเป็นบุญเอาลูกเราเป็นบุญ เป็นบุญมากกว่าที่เล่าในสามกามาวจรนั่นแล้วมาพิจารณารูปมาวจรเนี่ยเป็นกับธรรมะหรือผู้สนอธิเราจะเข้าไปหามักคผลนั่นเนี่ยส่วนตามมาวจรยังห่า ง, างจากมักจากผลอยู่ส่วนรูปมาวจรนี่ใกล้เขา้าละถึงจะเป็นผู้พิจารณาในตามมวจร อยาติ่ะเยดสมาเหตุปะกวาแ่บท่านสามรถเกิดเหตุอนี้เหตุมันมีทุกอย่างแหละท่อ่ะใบไม้มันเกิดขึ้นเดีนยมันแก่มันเหลืองมันรนมันจะเป็นเหตุอีกมันอยู่ในตามมรรจแต่เราไปชี้เจนายังก้าไปควางซัส่สวมที่เราจะบริจาคทานเราเห็นว่ามันเป็นของไม่เที่ยงเนี่ยเลขึ้นทีแรกแต่เขียวงาม ทุกส่วนทุกอย่างพันแก่มาก็ยังงามอยู่พันทาแก่จนจะ่ร่วมจะ่ลนเลยเลยถึงไม่งามแค่ระลอกลวนลงล่าแล้ ว, ลล ว, ล ว, ลวยางงาิ่งไม่งามสังสารนั่งตาของบุคคลจะเป็นอย่างนี้เัวเ ร, ราก็เป็นอย่างนั้นเมื่อเกดขึ้นมาเล็ ก, ก, กๆใช้ใช้สอย ก, อ ย, ก, อ ย, กอยู่หยับชมว่าน่ารักนะเช่นดียนใหญ่มาเป็นหนุ่มเป็นสาวก็ยังมีรักมีชอบกันอยู่ถ้าแก่ไปแล้วใสะเสกี ผู้แก่ก็ต้องเสลียดเจของคนที่สุดชายยินงตายแล้วก็ม่มีใครแล้วว่าจะเป็นของอยากไปขอไปจูบไปชมเกลียดกันใหญ่เหมือนจะไปไหนล่วงมันนี่ใครอยากได้ทันทีจนางที่มันก็เข้าไปหาูกประวัติจออีกทีสันเนี่ยมันก้าวล่วงตามระวัจอมมันเข้าไปถึงลูกมันเข้าไปถึงคำสันเชียวอันนี้จังหรืออนัตตาอะไรเนี่ยมันเป็นวิพัฒนาขึ้นได้ นี่เป็นธรรมท่านสูงเนี่ยแต่มาแล้วก็ไม่ฝ่อยพิจารณาการนันละแต่ผู้ใดทําพิจารณาอย่างทั้ง่าในประวัติของฟาลาห์ท่านพิจารณาสันในนักแห่งผลอยู่เนี่ยเหตุนั้นเช่นว่าแล้ว็มาพิจารณาให้มันถึงชูรูปปาราฌอนซะหรือหากว่าอรูปปาราฌอนซะมันก็เล่นมาเรียมจินตบันเพราะมันเห็นอยู่อย่างสั้น มันเห็นย si ังเล่าเห็นว่าโก๊ะปกเห็นว่าบาเตียงนี่ไหน่ไงสิมาบาเตียงบอกยังที่ไงเราหนุ่มสาวไปยังแต่หาแกบาเตียงยังที่มันมหี่อยู่ยังที่เราไปเห็นอยู่ยังที่มันได้กบาเสียมจะเคลียเนี่ยบอกให้แจ้งตามมาไว้สอนผู้สอนหายิ่งเราไปเห็นถึงใจด้วยที่พระองค์ได้เสียชนะอะอัชตาธรรมมา ไผ่าธรรมะอัชชาไผ่ชาธรรมะเนี่ยอัชชาเป็นธทําภายในที่ตัวเล่าจะเป็นตายแต่สางเล่าเนี่ยจะเป็นใจแต่ชาหลวงว่าเป็นเล่าทางนั่นแหละทางสองยางเนี่ยที่นี่ไผ่ชาธรรมะนั่นแมละธรรมะธรรมภายนอกจากเราทั้งหมดเห็นเล่าสะเห็นเดตาเห็นลูกเดตาลูกนั้นไม่ใช่เล่าแล้ว เราได้ยินในหูในเสียงนั่นเสียงนั่นจะไม่ใช่ตัวเราแล้วเป็นภายนอกงานฌานิสัมสาาาามาเนี่ยพอดีทั้งเราต้องอันเริ่มต้องพิจิรณาทั้งสองธาตุแต่เราพิจารณเาเรียวาเลี้ยนถ้ำเหมือนยังเราฟังดินดนนี่เรียกว่าเรียงเหมือนกันกนัก เ, เ, เ, เรียนไปเขารุ่งเรียนฟังครูสอนชั้นใดเราเขาเรียกว่า ยังว่าเขาเป็นนักเรียนยังมาเรียนกันยุ่งเกี่ยวฟังเรียงกี่ละอันนั้นถึงเราว่ากันเองจะเป็นว่าเราฟังครับสอนเรียนคําสอนพระองค์หรือเราเองสอนเราเองนี่มันก็เป็นในความดีความเล่าฟังผู้อื่นสอนสำหรับพอเราที่แกนาถึงรู้ถึงว่าตามเนี่ยถึงถึงเขาใจตามเนี่ยยังว่า ถึงพระพุทธเจ้าราคพระรหันทั้งสั้นของเคนเองหลวงพ่อได้ติดเศดอกถึงพระองค์เสดสอนแล้วก็ไปปฏิบัติต้องไปเกื่ยวข้อมูจ้ของพระองค์สอนเป็นนายท่าไปหาลูกตอนนั้นส่วนสิ่ตัวจะเป็นลรหันขึ้นมาได้ตัวลูกเจ้ของอีกตัวสิ้นสงสัยในเจ้าของอีกว่ามีเงินพระองค์ไปตัดสินหาว่างท้ามสอนบอกให้สิ้นพิจารณาตามสิ้นในเจของเอง ได้เคลียจบของอย่างว่าพระอรหันลงค์ใดจะมโนนิวาสิไปเอาพู้นมาว่าพูนบอกว่าตัวใดว่าผู้อื่นว่าว่าตัวใดผมมีไสว่านิชว่านจบของใดนี่พระผู้อื่นบอกจะเที่ยหายนั่นเท่านั้นส่วนใดแม้นตัวของที่เจรณาเองฉันใดเล่าไปสั่งฉันเราจะได้มักผลแล้วก็พิจนาเดี๋ยวเราเองไม่ใช่จะเอาท่านไปให้ได้มักผลกันใด เป็นเทพจะบอกทางแล้วให้เขาใช้ใช้ทางอะไรปฏิบัติตามสารานนี่มันเป็นอย่างนี้นี่ล่ะท่านเพื่อนปฏิบัติตามก็ได้มาเผยผลนั้งเป่ามาแล้วนี่แหละจื่ว่าอัจฉริยะธรรมาถึงจะเทศอยู่นี้มันก็เป็นถ้ำภายนอกอยู่แล้วเราพิจารณาเองยังจิตเป็นถ้ำภายในของเราจังจิเป็นอัจฉตายะธรรมหากว่า พระนสาอัชตาพิสาธรรมานันท์บอกว่าทำภายในและในภายในว่าอย่างที่ในเดียร์ผนังบเราไปและในภายในในในไปพอดีอย่างที่นั่นยังได้ยินเกันแต่เพื่อว่าในภายในในเดีย์ังในภายในในอีแนอะไรนั่นชี้ใจควรที่ว่าในคำนี้เพียงจะตายไม่เข้าถึงใจท่าว่า และในภายในและในภายในจิตใจละพันท่านเห็นทั้งทั้งทั้งนอกถ้าเห็นเราแล้วพอเห็นทั้งนอกแล้วพอเห็นเราอีกแล้วพอเห็นใจเราพออีกว่างเห็นทั้งสามยังที่ยังที่ว่าพูดเรื่องธรรมของพระองค์จบท่านไปเห็นแจะภายในหรือพอเห็นภายนอกแล้วยังว่าท่านี้จบเลยเห็นแจะภายนอกพอเห็นภายในที่แบบว่าจบ ได้เห็นจะภายนอกและภายในยังว่าห็นในภายในก็ยังไม่จบแล้วเรียนทำโพงยังว่าท่านจบแล้ยังตามดูทำโพงเนี่ยเพราทา่ทานหมดท่านสิ้นท่านตลอดเลยอย่างนั้นเหตุนี่เราจะให้พ้ากันจังใจให้มันปฏิบัตริรักษาศาสนาเลือกปฏินำทำความผุปรสมศาสนาของโพงให้ตลอดถึงภายในและภายนอกและ ในไถ่ในไถมันตลอดยังศิวเปินผู้ปินพุทธบริษัทตันแทกจริงสินมาได้เป็นอย่างนี้เนี่ยหเหตุนั้นจังเลว่าเมื่อหากเรามาพิจารณากันอย่างนี้มาดำเนินอย่างที่เป็นตามถูกต้องจังศิเรียบผู้เดินเขาในรมอันีนไม่เสียมง่ายไม่ยกง่ายเขาถึงลูกประธรรมและอลูกประธรรม เขาถึงได้อันนี้โบเตรียมมาเนี่ย่งางพระอรหันต์ชนโบเตรียมถึงเชนเจ้าหอเจ้าเหินอย่างไรแต่ตามเป็นกับโบเทียมถึงจะมีไม่ใช่เทียวเดี๋ยวกินเสียงเห็นทั้งรูปางประวัติว่านี่คือชินจา ม, มาลาวิส า, นะ า, าวิสาสวิสาการแต่ว่าสวยงามเลยเป็นผู้ถูกลักษณะของที่สีลักษณะเลยทีเดียวเลย นางกิจาวริยศักดิผู้ที่ไปหลอกลวงพระองค์ว่าพระองค์นี่มีนอนรวมตัวในสวนที่ท้องเนี่ยพระสงฆ์เพิ่นเห็นเพิน่นจะได้ยินเสียงคำพูดว่าพระองค์ไปนอนรวมเกียดเลยไม่ว่าเห็นว่าสวยอะไรเลยี่ยจนพุทธบริษัทที่าาผู้ได้มักฝนตกเสียบผู้ไม่ได้มกักฝนอยู่ในใจก็สงสัยถ้าเห็นวันขามมาต่าวัดเศรษฐพน ขันสายามต่อจะเป็นพระองค์สร้างอาจจหาว่าเจียงซื่อันไปพบถามเนี่ยแต่ไม่ว่าจะเป็นพระองค์นนนงในนอนร่วมทำให้มีท้องแต่สงใสัอย่างนี้เลยแต่ผู้จีเรมักในผลรัดหินเลยว่าพระองค์ละไลยแล้ววอกไม่ห่วงใหญ่แล้วเพอจะเห็นปฏิคุณแน่นอนแล้วผมจะไปเบียร์ขวปฏิคุณอะไรขาดไปเลย ยังสี่าะเนี่ยละเหตุกานณ์ังว่าผู้ที่ได้มรกผลนัเป็นยังสี่หลบมีสิไปมีผู้สวนให้จบผู้ติดว่าท่นได้มักได้ผลว่าท่านเข้าถึงดูปาราจรนฐานตกไปยังสั่งว่าเป็นความผิดไปยังสั่งสงสัยไปยังสั่ะโกไปเนี่ยเห็นไ เราจงให้พาตั้งใจดําเนินพอไปถึงรูปภารจ์อย่าไปผักเที่ยงแจว่าทำเจะกามรมารณ์ผ่านศิลปุพผานั่นต้งพิจารณาเพอไปถึงรูปเลยดังที่อธิบายให้รู้อยู่เสมอว่าตายเป็นทุกข์กตายเป็นของศิลเป็นเรื่องบอบสิ น, ส น, นปยุ่งเรื่องโชคไถกั น, น, ก น, นอีอยู่ยังซี้แลวก็เบื้องให้มันเข้าใจเลยนั่นยังคิดเข้าถึงรูปการจรอาจจะไม่เสียมเป็นอันที่ว่ามัมีเสียมมีุกคส่วนพระ ยาสีสมศกท่านใดจะทํา่ามระจันผู้สูลไม่ดําเมืองก็ไปรูปประจันผู้ศูญมากระเทียมได้ว่าชุดสีดาวจิตไปสวรรค์ไดโตทําบุตมากก็กอบไปเป็นปีงูใหญ่ซะมีเจ้าปทันเดุกนรกนรีสท่ามหาหินลูกชายคนเดออาหันคนที่จะน่าเห็นว่ือเป็นเศษคนไปผัวดวงวันเจษวันท่านใดหลายวันแต่จังเลไปสวรรค์เนี่ยเป็นเช่นล่ะพราว่าดิกินกัดสิ่งเแล้วหพันจ้าควัน อาะัทธ์เปนติอยู่เน่ะศัทธ์เป็นกินมอยู่มันสุกไปในรกได้เดียงหน้นนะาเพราเวาพระม่เห็นหาเรา ท, าทนนาระถูกช้ทำใหอรลานไปบอกว่าเจ้าท่านพระลักษมีดาเป็นพศัทธ์เลยได้สเสวยทางนั้นพระท่ขขานนี่เจ้พ่อครัวเขาจัดแม่พว้าเขาจัดไปใส่เสวยอะไรนี่การผ่าการตั้งอย่างเมื่อชุดสีมาเป็นอย่างนี้เราคิมาหาศัทธ์เกิน ดิบดิบทิ้งที่มันก็บาปเลยด้วยแล้วลึกถึงตัวมีสิญอยู่ด้วยอย่างนี้ละ่ะยังไงหยุดหาซั์สิ่งสินแต่ปหาซัดใจสิญย์อมาเป็นอาหารมันกับอะไรด้วยฮะเนี่ยพ้นสุดก็เลยหอมแห้งหรือว่าอาหารตายยังไดงไปสวรรค์เป็นอย่างนี้ละ่ะนี่ละ่ะเหตุ น, นั้นยังไงละ่ะเล่าจงยักยิเข้าใจว่าท่าสิเราเหตุเท่านั้นล่ะเป็นข้างดีแล้วว่ะมัดพระนั้นอย่าเข้าใจอ ย, อย่างนั้น ยังพรท่นเขาเ่าใจถึงรูปปาวาจันทำอรูปปาวารัรานทำโลภุตระทำเลยเท่านั้นเป็นเพียงเขา่าม่เงี่ยงของศาสนาเท่านั้นยั ง, ง, งไม่ได้เข่าในศาสนาแค่เนี่ยไม่ได้เข่าถึงตัวสัสตร์ศาสนาจริงแค่เลยอย่างนั้นถา้าผู้่ได้มาพิจารณาร่างกายตัวยังแด้นินเลยฟังอยู่เสมอ ห, มหรือบัตห น, นี้อย่างนั้นก็ยิ่งสิเข่าถึงศาสนาแค่เพราะศาสนาได้แค่เราถึงแต่ไมเราเป็นผู้รักษาเบเห็นพระพุทธรูก หรือวัดหรือนังสือใสมาหลักฐานเล่าหลักษาเนี่ยจะเป็นพวกเทศนาสอนกันแตเป็นทดเทศยังตัวพระปเจ้าก็เป็นคนเนี่ยประเทศสอนกันอยู่อย่างนี้เ่อไม่เห็นหนังสือและพอพสรุปใส่มาเทศอันนั้นเป็นแค่เครื่องอรุถกะเคยบอกอยู่แล้วไม่ใช่เป็นความถริงด้วยจริงส่งอยู่ฟักตัวบุคคลพระองค์เป็นตัวคนสอนคนใดเนี่ยนั่นเป็นลูกของพระองค์เท่านั้น ไม่ใช่เป็นตัวพระองว่ามันพระพุทโธปเป็นพระพุทธเจ้าสองพจนเนี่ยเป็นที่ละเล้วก็เป็นพจน์แล้วทำเป็นพระเป็นพระขึ้นมาได้จะบอกที่เสมออย่างนี้เนี่ยเนี่ยแค่ทเป็นพระได้ก็เรียมาที่กนาตัวอย่างสาวแล้วนีราให้มันเห็นเป็นพวกปะพวกให้มันเห็นเป็นตัวโรคตัวหยากตัวนิ้วพวกตัวห่อนตัวหนาพวพุกเห็นนั่นเราจะไปเอาทุกของเราไปทิ้งเสียการงานว่าการงานยุ่ง ว่าแบกว่าหาว่ายกว่ายอนักของเงี้เล่าผัหาไปยกมันเล่าหนักเล่าผันไปโคตมันว่ามั่นหนักเล่าผันตาว่าเร่าบาหนักจะเราหลับเป็นดีอยู่ชังช้านาเนี่ยมักกัพิดได้เด่นพิดเข้มขิงมันหนักเรียกว่าจุดว่าจับว่าุดมันเลยหลับบัสเนี่ยว่าจุดจุดกระทุกบุหรี่จุดจนหนักมันจะไปเอาของคุณเป็นของหนักเนี่ย การยุงต้องไปเอาคิดแต่งานสิ่งของอยุ่โบกจักวัดงานของตัวเป็นผู้คิดสิส่งเนี่ตัวเลื่อยยุงน้งพบคิดตัวให้ตัวยุงไม่รด้นึกอย่างนี้นี่เห็นนัง่งสัญญังร้อนยังหนาก็ไปทิ้งให้อากาศทิ้งที่ละทิ้ ง, หงหให้ไปคิดให้ร่มให้แดดไปทิงฉันละเราแต่กเคยได้อธิบายฟังอยู่เสมอว่าหายวัดหนาวว่าป็นอากาศหนาวหรือหนมะพมผ่าไหมเล่าตัวเชื่อธิบายฟังปานี้เดี๋ยวมันไปหาทิ้งใส้ไหมเรา มันบอกเคยมีดอกนี่จะพ้นว่าวันหนาวนี่แล้วว่าว่นมีว่าเมื่อตัวหนาวนี่แล้วไปฉีงไป่เดียวพมผ่ามันก็หนาวยุติพ้นคนคนนี้ก็ไม่สิหลายใส่เหตุนี้เสียงว่าโรกมันเป็นอย่างนั้นถ้าเราพ่พี่จ้าหน้ามันก็เป็นไปตามโล ก, ม, กมแล้ว่งหนาวมันก็หนาวไปตามละเดี๋ยความจริงมันหนาวสั่งแจกตายออกถ้าพูดเสียงร่ำแล้วมันไปจื้งให้แข็งฟาจิตให้สัมร้อนเนี่ยเราเห็นฟาจิตขเข่าหัวโหมาผัดมาผัดไหมเราหาอำนาจไหมเรา จะอธิบายสร้างถึงขนาดนั้นเดี๋ยวมันม่นนี่แล้วล่ะมันมี่ร่อนยุ่ยจะเล่ามีลาเราจึงเลยอาบน้ําเราจึงหาสระโฮแล้วยังอาพัดพหรือผมี่ัดพัดก็ผานั่นล่ะลกนี่อยู่นนแหละวิ้พัตัวเนี่ยนี่ไปไม่หาได้อมมาพัดเนี่ยมันก็ล่อนยุ่ยจะเล่าตัวนี้อาบแดดก็เห็นมันจะหาคันอาบน้าหาสระโฮมอะไรอ่างเงเนี่ยเห็นได้จังวาจิตไปว่ามันร่อนตรงไหน ้มันถิ่นชุกออกจากตัวเลยดิเนเมื่อถิ่นชุกออกจากตัวบัวเห็นทุกสะพันเลยไอ้ี่มันจู้จักออกจากทุกละมันบัเห็นจ้กเห็นได้สี้ออกูจักวันออกจักไปมันชั่วได้มันกะละเอียดยื่นเนี่ยทุกไปเนสแต่ว่าใจละเอียดียดยื่นเสี่แล้วยังสิมันสิ่นมาถ้าเห็นเรามาลาทุกของเราเนี่ยมันว่ามันทุกของไผ่ส่วนใหม่ส่นไหลระหว่างมันต่นนั่นตัวนี้มันเราเป็นผู้หลูผู้จำเราเป็นผู้ไปเบียด หายซือมันเล่าทุกซุเล่าอย่านั้นมันว่าเป็นอย่างอ่ะมันเป็นผาดซื่อผาป้อนทนสบายนักแเป็นผาดเร่าหากเป็นคนพูดไปว่าเนี่ยว่าเราฝันยังเอาดีแท้เข้าไปเอาชัวแท้เข้าไปสำยิดแล้วประหลุบอดอยู่ในเราเท่านั้นมันว่ามี่อย่างไมาให้มันลอดผาป้อนทนสบายที่ว่าละว่าเมื่อนั่สิมันเข่ามาในตัวเฮ้าไม่ให้เราลอมกตบว่ามีมันลอยลอยยู่เฉพาะใจเราเท่านีมันเป็นของเกะง่ายง่างจีิล่ะบันทีเกะ มันว่ามันของที่เอามาสร้งโลกไปแก่มาสร้างโลกดอกโรกมันวิสีหัวใจเนี่ยมันเป็นขันทาาที่โรกเนี่ยขันแปลว่าหูบปะขันเวทนาขันขันญาตันขันมญาตเนี่ยมันเป็นมีหรืเป็นโรกอื่นมันบ่อเป็นอย่างมันเป็นสภาวะภาดเป็นสภาวะอันโุ่อยู่ซื่อเนี่ยมันว่ามันเป็นตัวเป็นอย่างมันเข้าออกไปหายวับห้ยนั่นนี่ไปซับคิดแต่เพื่อไปขอเราจังหา นี่เราหลงเราอยู่อย่างนี้ละเห็ุนั้นเสียงว่าเราจึงแก้หลงเราที่ให้เนเห็นเป็นสภาพอันเดียวลงทั้งเมดนั่นละจุนเมดทั้งโลกนั่นแหละว่ามันเป็นของไม่เที่ยงว่าเป็นทุกข์มันเป็นของนักษาว่ามีไผเป็นอย่างตะยางเดยาว์จนใหม่นะครบเพราะว่ามันเป็่นและมันแต่ว่าปินจมันยังดอกมันปลูกไปเป็นดินเป็นหญ้าคนสัตว์ก็อย่างนั้นสิ่งของเราฟูงตึ้นแต่เป็นอย่างนี้ว่าลูกสภาพเดียวก็ลงอย่าให้มัน แล้วอยู่ในเก๋อเขาเนี่ยวเก๋อละวาค่ะวาลุงให้มันแล้วอยู่ในเก๋อเขาเนียมันก็พ่นทุกขอนั้นนี่แหละยิงได้ว่าคําสอนของพระองค์มากแต่ว่ามันเบามางดอกพันหุ่จักชุดรวมมันเนี่ยมันเลยในยื้อแก่เก๋อของเราอเดียวตอนนี้มาแก่เก๋ของเราอันเดียวตอนนี้แล้วหลุดแล้วไปนี่มาเอาเก๋อแล้วพี่แก่น้าอันนึงรู้แล้วหลุดพันธุ์พี่องแต่อันหนึ่งจะเสื่อมไปหมดว่เป็นทุกข์ทุกข์เสื่อน ม้นยังสิฝนจากถูกแันโบสุกมันโบตายดอกต้นใหม่โบสุกใบใหม่บบมันโบสุกมันโบหอนสี่เหลี่ยมโบหอนสิโลนดอกมันถูกทั้งนั้นแหละมันจังเหี่ยงจังโลนมันโตมันก็จางตายมันส่งถูกจากความภัยยาดมันเกิดจากความันจางสิไอโจนมันตายยังพระองค์ที่จะหน้าเรี่ยงอาสศักพนั่งแวงสั้นว่าสายมาจากสาสายมาจากเกศ แต่เก็บแต่ชื่อภยญาต้นล่ะโองลูกหอยเส้นมหาอวิชชาเนี่ยเก็บมาจากไสนล่ะเก็บ ม, มาจากแก่แก่มาจากแก่มาจากเกิดนี่ในปฏิจจสมบัตโทงพิกยาหน้า จ, จะปล่ยมหาตนมาจักอวิชชาปัจญาตนมันจะตั้งพิกาหน้ามาจะปล่ยซื่อยะดกระามาะนรงนนะมันเป็นปล่ย ค่านอกเอาเศษฝายห็นฝายน้ำฝายสิม น, นมหาต้นจนมาหอนอวิชาทำบุรุษจักสักขานอันนี้จังสิ่งเก่าดีเรียก ว, ว่าสอนให้รูจักสักขานบัให้ชินอวิชชาเลยเนี่ยบัว่าอาวิชชาจะมี่กระพรบุรุษสังขานหันรูสังขันเมื่อไหรอวิชชากระดับท่านบอกอย่างนี้เลยเป็นอนันยิเป็นพระพุทธเจ้ า, ดาเดยมักในผลขึ้นมาละเนี่ยพอรูกแก้งอาวิชช า, า, า, าสังขานแล้วเนี่ย เนี่ยแตจังหวสอนในที่แกหาสังขารแตเสดอธิบายอยู่แล้วสังขารเนี่ยแค่ตายวาจาใจเรียกว่าที่จสังขารตายอยาสังขารวาจาสังขารสังขารแต่ว่าคุ้มแจว่างีอยู่เสมอเนี่ยเห็นอ้จังหวะนั้นเล่าอย่งเสแสร้งบ้านแจ้งเฮื่อแจ้งแจ้งใส่งสวยผานสบายกระบุงกระตายมเอายงเเห็น่เอาตายกับใจของเราเาจาเราพูดเอาเืองเ มันตึงใช่ ม, มั้มุน่ะมันงแตนี่ตอนนี้นี่ละ่ะเมื่อหากเราหลงสังขานแล้วก็ไปบุงเจ้าชังขานให้สุสวสวสกว่าเศ้าหงสาหันลาหวาเรามาลู่แล้วเราจะเหตยุบกับแต่คนว่าไม่รู้แล้วกว่าง่เหตว่แม่นยั ง, ยงสัน่เหตแม่ได้ใส่ว่แหงทุกหลายของเหตแต่ว่ามันเหตโ ด, ดยความว่างมันไ่ได้ทุกหลายเนี่ยนี่ละ่ะเหตนั่เนเมื่อเป็นเจนี่ ทงค่ได้เทศนาักุกพลาัญญัติและานเจ็ดคีในคที่ทว่าปัญญิโยขัาัญญติอันยตนาปัญญติสัจจะปัญญาสัจจะปัญญาติอินสีอาปัญญติไปปัญญติแต่ปัญญาขึ้นเนี่ยท่านสร้างหลายกหมวด เราเราเข้าใจว่าคิเป็นยุคเพระในชีวเป็นนันอั น, อนแค่กิงพันบัญญัติอยู่ในตัวเราูนเดียวพบบวชเนี่ยยางว่าขันธาปัญญัติยังได้กล่าวแล้วว่าในสรุปกักขันธ์จะได้แก้ตัวเรานั่งกัอยู่ทางหลายเวลานี่จนะเป็นรูปปักปขันธ์ทำเพราะเราไม่ได้แจ้งยังอธิบายแล้วนะะั่นแหะมันเป็นสินมาเองนูตาแคน่ขาตีเนื้อเราเนี่ย มันเด็ผู้ศวนถ้ำเราทําำหน่จะเก้าฟอมาแตงไห่เราไห่เราเป็นผู้บ่ดีก็เดี๋ยวว่าผู้ศวนถ้ำมาเราทํามาจะเก้าฟอนมาแตงไห่เราบ่ดีเนี่ยผู้เป็นดีแต่ยังก้าวเหลี่ยมชอบง่ามของนางสีดีหมามันยะหรือพระเจ้าชุตโตศนาหรือพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้สวนเป็นทําบริบูรณ์เพราะก่ง่ามเนี่ยเข้าบ่บริบูรณ์มันงเก่าบ่ง่ามธนาล่ะแต่ว่าถึงเราบ่ง่ามแต่ราทําอยู่ ส่วนปู่สวนเราท่ำอยู่จังสีษชาตินี้บวงงามศัสนาเราก็สิงามเศรษฐีปญัญญาเราบวเบก็บแหมในชาตินี้ศาสนาเราขอสีเก็บแหลมเพราะเราทําอยู่ให้มันแหลมอยู่ความงิดอารมขยาย ป, ปรมากะภาพความบวมมีโรคในหลางไส้เข้าแต่ท่ำอยู่เดี๋ให้ท่านยุบยาและอากันกินให้เป็นเช่บนบําบัดความหิวนั่นเขาเรียกว่าเป็นยาเป็นส่วสนให้เร า, เราบวมมีโรคไปเบียงหนาอยู่ แล้วกระทำอยู่หังสือละมันว่าอะไรสถานีศาสนาสิได้นี่ยนี่ปุ๊บดีกับจังทานหนังี่ออะจังสิได้ขันว่ทัน้นจบอ้าวมันดีจะทราบมีแล้วช่วย น, น้ำกระสีได้ไปช่วยเ่าแล้วเนี่ยนี่ล่ะเรื่งลูกประคันที่ตังอาธิบายมาแล้วนี่มันเป็นของเรานี่บนตัวแก่งสาจินมืด อ, อยู่นี่เหล่คนว่าลูก ป, ประคันขันแต่ละฟอกมันหลายอย่าง มันแยกตัวผู้เดียวเป็นลูกอันเดียวเหยื่อเนี้หูตาสัตวหนึ่งแทงขาสเมือกัตส์ตัวหนึ่งน่ผมคนเด็กัวกตัวหนึ่งมันหักเป็นซืๆเหมือนยังวันขยายกันอยู่ใส่กิ่งบอมันกองอยู่เป็นรูปอันหนึ่งชื่อเด็กแยกลูกบอวพ่นในสัตว์นี่ละมันมีแอ่นี่งานเป็นอธิบายช่วงที่มันฟองอยู่เป็นอันๆออไปให้มันไหลซีๆออกแยกใส่กิ่งมันนั้นเล่าผูเดียวมันฟองอยู่นี้ ชวเวทนาขันต่อเกิดกันเวทนามันต่เกิดทุกขเวท น, นาเกิดทุกขเวทนาเกิดในทุกวัตทุกขเวทนาแต่เวทนาทางมันมีมามาดเวทนาทาั้งสายเหินลหลวกลอยหลงให้เกิดยินดีนยินไล่เป็นทุกขึ้นมาโดยยิ่งเสียงหลงยินดีนยินหล่วัดนั่นเกิดทุกขึ้นมานอามันเกิดสาวภาวะเวทนา ที่ชาตุกสาราทุกพยาธิทุกมลณาทุกเกิดขึ้นมานี่มันก็เกิดชนีดถามันว่ามีทุกแล้วมันทุกสาระเนี่ยมันก็เรียกว่ามันเป็นเกิดที่ว่ามันว่าเกิดนี่ชาตุกสาราทุกมันว่เกิดแต่ว่าพูดทุกอันนี้บ่ลาบ่ะไรเลยแล้วเกิดย่อมได้แต่ทุกกำนันละได้แต่ว่าทุกตายหุนอยู่หลับตั้ง หูได้ยินเสียงหลักสร้างให้เป็นทุกข์จมูกได้กินหลักสร้างลิ้นได้รสหลักสร้างกายได้สัมผัสหลักสร้างใจคิดแต่หารลูกหาเสียงหลักสร้างมันทุกข์เรียกว่าไปกินอากาศทุกข์ทุกไอเนี่ยหรือว่าโยละกัดทุกข์โยละกะเืียว่ามันไม่ได้อยู่ในบ้านมันค่อยมาลักเอา หรืออากานจุกจุกว่ามันพ้นอยู่ในบ้านค้นมาสพาวะอันนี้ชั้นใดเล่าหลงมันจังมามีเดี๋ยวหลงหลักหลงสร้างในลูกด้วยเสียงกินรถมันยังเกิดทุกอันนี้เลยวาทุกอันนี้เลยวะเป็นปาญหาทุกว่ามันทุกในสภาวะทุกในสภาวะเยาว่าชราพยาสีมรณทุกอันนี้แก่ว่าใดเป็นแต่ลู่เทาเป็นแต่ว่าให้มันอยู่ตันร่างกายซะอยากเอาไปยึดไว้มันเล่าว่าเป็นเล่าทุก ให้ว่ามันถูกอยู่ในใจมันสับปะรดมันมีโรกเกิดสุนมันจะเกิดทุกข์เกิดทุกข์เกิดึ้นเหมือนกับมีเส้นดินมันต้องเกิดเทือดผลก็ะตกมันกับวิธีมี้อย่งบาดผลกระตุกเราเกิดูเข็ดแล้วเกิดหยุดงเกิดสัตว์เลียสารสินในมัน็กนามอ่างซองเยินเขาไปแยกซืมเขาไม่ดีให้มันเกิดฉุน ในสารพัดชั้นใดตัวเรามาเต็มอยู่ศาสดินฐานน้ำมันเกิดโรคเกิดไข้สิ่งต่างๆเหมือนยังดินมันเกิดหยาเกิดลูกเกิดเ็ษเกิดเผาสารพัสครับที่เดียนชักแชยอย่างขินมุนล่ะมันถึงหลายอย่างเพราอมาได้น้ำมาเขามาผสมกันก็ดินนั่นมันจังลยเกิดเสียงนั่งขิงมาอันนี้ตัวเรามันผสมกันแล้วสารพัดมันจะเกิดมันเป็นพันคาติโลก เป็นกายปัจจติ์ที่เนี่ยมันเป็นแผ่นดินบัตหัยชับแด่ท่อมทุกข์มันเกิดขึ้นเรามาเห็นอย่างนี้เนี่ยเรียว่าเห็นตามสภาวะบวชกระเขาไปยึดกลเป็นไายเล่าปลูกเล่าตัวเล่าบอกสองว่าว่างหรืามสภาพอันเนี่ยบวมแน่นละได้แต่ว่างเฉยเฉยเช่นลูกเขียงกินรสที่เล่าไปหลงเป็นทุกข์นั้นท่านบอกว่างได้เพราะว่าเห็ น, นว่ามันเป็นของที่บวมแน่นอยู่ในเล่า เราเห็นว่ามันเป็นตัวทุกข์ื่อว่นกับเล่านีนล่าเห็นว่าเป็นตัวไม่เที่ยงเห็นว่าตัวเต็มอยู่เดยหลอกไว้ให้คือเล่านเนล่าที่เราเห็นเล่าเนี่ยมันกว่างขาดขนาดส่วนสันติทุกขเนี่ยร่างอยู่ยังสั่นเหมือนอย่งางแบบผู้นึงจับแมงวันในมะเฟืองเข่ากันสมมุดอย่างว่าใส่สิมม่งอ ย, ยังแมงวันฟ้าในเฟืงมันยังใจฟ้าเอาเข็ในขวด เก้วหรือปวดรูมันออกว่าไ้มี่ฟัสติสมันเกิอยู่ในกันฑละเหมือนอย่างมันจิเป็นเงนสภาพอันเดียวกันบัตรท่เปิดแล้วอ้าวมันโดดจินไปคนเลยที่เจ้าภูมิแม่วันแผ่นดินสาเจ้าของของเนลวของหมิ่นของสกปรกให้เจ้าแม่ผึ่งแผ่นดินสาแจ้งสอนดอกใหม่นี่กันใดใจเล้ามาลูกเจ้าเข้าสังสารนิงสันแดาเหล่า วัามัดแตกเดาใจก็ไปสู้สุสติใส่ไปมีพานวนฉังขานกับมหาคว่ำบูดคว่ำเน่ากับมหาวัดไสเผาไอ้็นทานเป็นคุณไปยังสัญญานี่ถ้าพูดใจอันเดียวก็อย่างนั้นใจกันมัดเป็นเป็นบาปยื่มัดกับไปยังสันญ่ะซึ่งยังจับในวันสองยางเข้ากันไ้ยม่ใน้สวดอันเดียวกันเท่งเมลเฟิงันใจเป็นบุญมันไม่ให้ผลมันก็ไปสุสติไปสวรรค์ทันใจเป็นบาป เทศบาปไปแล้วมันมาให้ผลตอนมันกลับไปนรกหรือมันทาให้ผลหลังไปสวรรค์็รูนยุติจากสวรรค์กลับไปนรกไปยังที่ละมันมีวอกใจอันเดียวมันเป็นที่เห็นแล้วจงหลักษใจย้าให้มันเป็นใจมันเป็นไปเพื่อบาปห้ยเป็นไปเพื่อทั้งบุญทั้งกุศลอยู่โพงแคได้ว่าอัน กันหังถมำางวิปาหายาเทียนละพะวิปาหายาซึ่งปันหาธรรมที่ธรรมอันดำทุกต่างสเวชัปันดิโตจงเจริญสุขธรรม้ำที่ิ้งที่เป็นผู้ส่ว น, นั่นหามากหาบริบูรณ์ น, น, นี่จะผู้ส่วละล้วนจะได้ใส่ชุกปฏิท่านว่าอย่างนี้นี่ละ อย่างว่าเพิ่งบอได้ว่าเอาจะตายได้ป่เดี่ยคนเร า, จจยยบบราขึ้นใจทีเดียวเลยต้องไปเพิ่นหัวใจเราได้ดมันคิดไปทัทง้ทงขาทั้งหลักทั้งโชคทั้งลมทั้งโลกทั้ทงอยากได้เลยคีวิตภาวนาตัดมันได้อย่าให้มันไปอยู่ในจังสัน่นมันเป็นบาปลนอล่าน้องนั่จะคิดหาทั้งบุญทั้งกุศลเรีนคิดหาเนี่มาทาบุญทักนั่งอ่านหนังสืออย่งองอันบอกเป็นบาสนี่ละ่ะหามาคิดมาทาบุญ คิดซื่อๆก็ได้หรอกถึงว่าไปหาคดีการเรียกับมันออกจากบาปเนี่ยถ้าบ่ท่านคิดยังี่มันเอามันรถิ่นใบมันลงไปน้ำจะบาปนั่นล่ละเราคิดออกทังสั้นละนั่นแล้วคิดๆเข้าสมเขาโนมบ่เลีอกที่ยังไปซะคิดเห็นมันไปสร้างผู้สนซะอย่าให้มันไปยึดตกแท้ยึดในบาปทั้งสั้นเนี่ยอย่ารับคิดไปเลยถึงจะบ่าท่านกับถ้าจะมันออกเราเปล่าละถ้าบ่ั่นกับบุญมีเงินเกลียดกับภาวนาไว้เลยละ อยู่ในภาวนาเพราอมนตร์เหมันอยู่ในอันละผู้ ท, ท้วงผู้ ท, ท้วุผู้ ท, ท้วงเบิ้พงผู้ ท, ท้แล้วแลวเดกผู้ยู่หานอยู่นะยัยงสันละเหมันอยู่ ย, ยังสั้นยันมันไปทั้งผู้สนทางสื่รักดีเด็กหาสัตมาเป็นอาหารนี่ยังยื้อสายรวบด้วยยักไปว่าเห็มนมันสิน่งสั้นมันเป็นบาปใจน่นะมันคิดถ้าบาปเนี่ยยังว่าคิดเห็นไปทั้งหุนซ้ายยังอธิบายไม่ได้อย่างนั้น นั่นล่ะจงว่าพูดลำเนินไปชูเจ้าทุกษาธรรมย่ว่าถ้ำมันขาวถ้าเราไปให็นนกคิดยุ่งซันมันเป็นการหงคำมั่งเป็นถ้ำมันดำมันดำแล้วละใจนะีย่าว่าใจดำนั่นและเพรใว่าถ้ำมันดำบ่แม่นนี่ย่างมาดำกนดอกร่างกายอย่างคือเต้าลามาทางม่นใจคุดำมันคืไปทั้งทุกข์กเลยจังๆมันดำนั่นแหละนี่ล่ะหากแล้วมาพิจารณาอย่างนี้ จะเรียกว่าพุกเข่าถึงเวทนาธ่รือเปล่าลเนี่ยพวกนี้มันถึงเวทนาท่ำรูปประทับมันตายไปแล้วเพราะเวทนามันคิดจยงสั้นคิดทุบคิดทุกมันเลยคิดไปจับสายเห็นหู้ยิ้นไปว่รารูปไปแล้วลาให้เกิดเวทนาถึงหลดถึงสัมผัสไปล่ะมันก็เลยคิดไปล่ะอย่างว่าข้าให้มักเกิดเวทนาเป็นจังหวะมันมาเป็นเรื่ออกมากาวมันมาเพป่นเรื่องยาว ว่าเวาทนาขันไว้กินเสี่ยวหลุดแต่ว่าผองเวทน า, า, อาทเอางินเสี้ยวหลดสัญญาขันตาชื้จันมันสัญญาจำลูกทางตาสัญญาจำเสียงทางหูสัญญาจำรึกทางลิ้นสัญญาจำสัมผัสทางกายมันมาถูกฟ้องตายสัญญาจิตใจมันคิดมันกัมีทางให้เกิดมากเดีเพิ่นว่เล่ยว่าไหว่ามากจะเพิ่นไหว่าเส่อสัญญาขันซะ มันหยางกระซ้าว่าเป็นเสี้ยงสัญญายดขันแฉล่องสัญญายของความจ้ำตอนนั้นชั่งสังขารกระซื่อกันวิญญ่างกระซื่อตันมันมีทางสิมายากมากแต่สันปูดแต่เที่ยงว่าสังขารขันยิ้นย่างขันครับตอนนี้ให้มันหน่อยดูซักเราก็จะมาที่หน้ายุสันนีลามันหักกระจายตปเองดอกเราเห็นมันเกิดดจินในเล่ามันแมนบุกมาทางบูกสิมันมาทางบุกมันมัน เท่นไปทั้งตาเลยเนี่ยมันชงคิดชั่งละออกไปชั่งตาท า, า, า ม, มันมากั่งเสียงเรือกลแล่ละบุคมันคิดชันงเสียงแต่ละว่าโอ้นี่ยแล้วรูดเสียงด้วยนี่ยมันมากมันมากชังหูได้มากหาเล่าลูดอยู่เนี่ยเจ้าที่ละมันมันไปคิดทั้งกินทั้งรลอกแาโยแล้วรูดยว่มันมาก ม, มันมากทั่งหู้มากหัล่ารูอยู่เนจ้ที่มันมันไปคิดทัออ้งกินทอกว่ า, วาือก่ละวา่วาอ้น ชั่วระห่างมันปัญญาทั่วระห่างเนี่ยแต่ว่าทั้งหาศูนย์ทั้งใจมันออกศืนออกทั้งตาหนึ่งออกทั้งหูทั้งลิ้นทั้งตาหนึ่งหาแต่เสวนมันจิตมันมันเป็นตัวมันละหลามันบมเมนมันเป็นผู้ก็เป็นตัวบดออกจอกมาทางออกออกไปจามันรูปผว่าบทั้งหานี่อย่างนี้ นี่กาพูดเชียงนี่แม่ชีทั้มชีสันอะไรเนี้นี่ล่ะเหตุนั่นเชียงล่ะมันก็เป็นสังแกตรอบๆดอกว่าเป็นตัวดอกขนนันเป็นตัวเข้ามือบอนสี่ใบดอกพองเข้าหน่อยๆเท่นี้แตกเล่หัดมุนไอไฟแบบนี้ผันสมมันติดมันแน่นตัวเป็นเกนป็ตัวมันเขามาอ้างมาติดมาถับมาถมจนมุนแหลกเดลียวมันละมันหนาหนี้จะติดลบอมๆอยู่ซื่อเหมือนมีตัว ยังว่าเป็นฟองแก่ว่ะยากจอกจ่าหักขันบองแก้มาหักป็นกำลังไงในร่มเนยยังเข้าสีโซนยางรถแตกเงลังนั่นเด๋ย่ยางเนื้อเหนียวเนี่ยจะเพียงร่มซื่อวะมีมีดไม่พาเขาไปแหกมันละมีเสียมมีน้ำจะปูเล็ดไหลยังเขาไปตำละถูกผลักก็แตกเะยนี่อันนี้สามารถคิดเราคิดได้หลายขันฟ่แก้มัก็เอาเล่าโกเลเ่าให้ะ เ, เบิดเดีวแตกไปเลื่ๆนอนรักษาหอยับห้แคร ให้วุคยไปอ้างเป็นม่านแล้วแหนตามหลุตามม้วนปมานเลยมันแหน่หลายอ่ะหันว่ถเง้สายเึ้แตกเนี่ยมันเังซี่ละล้มทื่อๆมันหากหลายมันเข้าไปอ้างเข้าไปเนี่ยไปเตมให้มันวุ้ยมันอ้างให้มันแท่นหนงซี่วหันเรามาแก้ใช้เรามาเก็บุ้บาปรลหอบ่มีอย่างแดอหังออกทิ้งเอาแต่ลู เป็นด้นึ่งออกเท่านั้นว่ามันเป็นอนไรจากอานาตาเห็นแน่ลงไปมันก็นเรียกว่าขาดเลยสบายว่าดจอเงีเห็นสิมาเลยเนี่ยมันเรื่องที่ละ่ะท่านไปสั้งถูกนี่นละ่ะอย่างไรล่าท่านบัญญัติเป็นขันธ์ชาทั้งหนึงอย่างว่าขันธถปัญญติปัญญาตีแต่ปัญญาตื้ ขันทางสิ่งขนตงลายห้าเนี่ยเป็นถ้ำนอรันอายตนาปัญจีสันทนบัญญัตทับลงอีกแล้วอายตระวากระซื่อจะข่อยจะนั่งในแก่ตายละตายแลนี่ก็สนวายตนาถ้ำละเสืตายจะนั่งในแกหูท่านา้จะนั่งในแกจมูกชหายจะนั่งแกิ้นตายจะนั่งตายมนาจะนันแกไก่อย่างนี้นี่แหละว อายตนะภายในซึ่งยุคนี้อยู่ในถัวเล่าอายตนะภายนอกี่หกรูปใบยตนะน่งเด็กจะรูปสี่ตาเห็นสัตว์ไทยจะนั่งด็กจะเสียงสหูเลยยิ้มท่านไทยจะนางด็กจะกินอันเจมูกจะกินละสายยตนะน่งเด็กจะลดอันดิ่งหรือลดขดัพายยตนะางเด็กจะิ้งว่าสุกซัไปให้ตายดูซิขึ้นธรรมายตนะแกแกคิดเป็นหกอย่าง ไดเป็นอัญชนทสองอนบอเกิดเกิดอย่างไรเกิดความรักความสงให้ชุกนั่นแหละ่ไม่เกิดอยงอกทั้งจะเกิดไปหี่เียวใหุ้กงอนที่หิเนียวพอโตชอบไปใช่ตามมันเห็นได้ยินก็เอาอยู่ในเป็นุงมือเหตยังเหตให้หน้าก็เรียกจากพวกนี้แหะเห็นนะพวกนี้แหะรู้พวกตาหูเนี่ยจะเลยจะเหตให้ชุกให้เมื่อยให้หิ้วอีรีนั่นแหละเก็บปวด หลังไปแล้วยี่ยี่เนี่ยเนี่ยนี่ัญัวอัญชนต่วบเกิดนี่เป็นขั้นหมวดที่สองพอเราบรรัติถึงยี่ี่ว่ามันบปรัติไปยุคอยู่หน้าอยู่ฝ่ายอยู่หลงเฉยๆอยู่ดีนี่หยาแล้วนี่ละังว่าอัญชนาปัญติภาตุปัญติภาตที่กับบรญัติถดินถัดนาำัดมถัดไฟแก่ห้านี้ภาตที่แปลก่แก่แก้ไขจะนั่งตายเป็นธาตอีละ เป็นอายจนะเดียวกความเป็นธาติสัตยทยอันรูปไปจะนังรูปที่เราเห็นจะเป็นธาติระเย่างว่าจักฟุตาถูรูปปลาถูเนีรูปที่ตาเห็นก็เป็นธาติจักถูงานฆาถูกพร้อมรูปจักรลูกว่าดีเสวะอยู่ในตาเราเห็นนี่ก็เรียกว่าธาติเรียกว่าจักถูงานธาติแสงที่่ะเลือดตาถ้าถูตากับเป็นธาต หูก so, ็เป็นธาตุัาตะธาสูเสียงเสียกว่าเป็นธาตุเป็นธัตุธาตุเสือดาวเนี่ยถ้าหูพร้มรู้จักเสียงดีช่วยถูกทิศอะไรก็เป็นธาตุเสียกว่าัุธาตุถึงที่เหลี่ยมเอาเอาเสียก็ยิญงยานธาตุมันสัอยู่ในหูนี่นี่แหละสลอดถึงเจ้าลูกจักกินจักรรจักสัมผัสมันกับลูกรลสัมผัสมันก็เป็นธาตุเดี่ ทำโพสตะมาเกิดเป็นถาดทำมะล้อมมาเกิดเป็นถาดทมบู้จักเกิเป็นถาดแบบอยากวิญญาณนาตาวิญญาณนาถกันไปทั้งร้านเนี่ยถาแต่ละช่องไว้มันท่องกันไว้ซื่อเหมือนยังเล่าเช็ดไม่หางหาหรื อ, ายอย้ายยางสาหรับยดน่นนาเขาไม่ใชงมัดที่กันหลือมัดเกี่ยบผูกหรือไม่ผูกพันโซหรือผูวิทย์พันฉับมันหัขาหนึ่งช่องโลนเลาะกล้องหรือ เรื่องขูกมันขาดนิเพนที่มันทั้งโลมันบุยูดอกอันนี้ธาตุมันต่องว้าันชาธาต์ดินเสียหายมันก็ทั้งโลละธาตุน้าดุไปเสลกอยู่บาไหนชั้นใดสันวิญญาณธาตุต่อกันอย่างนั้นมาทำอาศัยธาตุดินธาน้ำละมาพึ้นบัญญัติเป็นเจักผูธาตุเรียกปรูกประธาตุจ้าผ่ยนะครัันชาหากว่าตาเสียล้วก็แรียเท่านั้นละเรียกว่ามันก็ว่า เช่นดินะอันไม่หักไม่หางหาหรือไม่ขะยานหักอันหนึ่งเยลยล่ะมันจะไปบไริอะไรตาหรือบอดซ้ำหักับขี้กันถามมันมีเสียแม่อันึงกับขี้กันเลยละ่ะหวกสิงไปซ่้ำนี่มันเสียเรียว่าขาดแต่ว่าซ่องไวถามมันท่องกันไวจะดีอยู่ได้ยินในเห็น่ยงยุทธพักนี่ล่ะ่างทีละ่ะนี่ละ่นละนี่เป็นบัญญัติที่สามเป็นถ้ำ เป็นของเราบริแดงเป็นของมันเป็นถึ่นเองอย่างว่าของบริแดงสิว่าเป็นของเร่าอย่างไดๆสิว่าเป็นของไผพราแม่ว่าเป็นลูกเป็นเจ้าของพ่อแม่พ่อแม่ก็บบริแดงสิว่าออกเป็นอย่างใดๆมันเป็นธรรมอยู่โดยธรรมชาติมันอย่างนี้เป็นวางเล่าสี่อันสิศึกษาให้เราคนทุกข์อย่อย่างนี้เราก็มาศึกษาตามนี้เวลาอันตามนี้ละเรียกว่าพู้ได้อันเร้ยกสิ่งฝาติสิรุกไปอันตำล่าบริแมนดอกตำล่ามัน ไปเลี้ยนตำล่ามันหันแล้วมาพิชเช่น่ายังรู้จักแล้วพิชเช่น่าหันมาเห็นแตกทิ้ดับเห็นเป็นชุกชบกไปเลยเอยกว่าผู้อ่านแตกออกอะไเนี่ยเคจะออกจากทุกข์ออกจากความหมึกหม่นออกจากนรกอ้ยขี้ละหันมาเห็นยังเสียงมันจะออกได้หันไปอ่านตำล่าอยู่หันหันมาทิชเช่น่าอยู่นี่อ้ยมันบ่กพ้นทุกข์ออกบอกพ้นจากนรกอ้ยขีดอกเพราะมันวนเหนือนถมันหมือนตำล่าไถ่เกี่ยวตำล่ามาเป็น เส็จยาปลวกคนไส้ศิให้คนหายได้แจ้งได้ไปอันเท่าไหร่อันลงไปเท่าไันนั้นเอาหาับยาตามสำลาบอกอย่างแล้วไปใช้คนมันแจ้งสิหายเพราะสำลากบอกหาบได้หักได้แก้มได้ใบได้เอาไปใช้ตามสำลาบอกอะไรล่ะจ้งสุขของคนผู้เป็นอยู่อยากหายแจ้งเสีหายได้อันนี้เราอยากคนทุกข์เราก็จะมาที่เจ้านาตัวท่อยจะไปเอาสำลากท่อมมาหลาตัวใดตัวรู โม่ภาษาอย่างได้จำลาบแปลว่าต th the we ัวใดเดียววันนี้ตัวว่าได้ตามซื้อหันบัแท่นแปลว่าฐานหน้าโม่แปลว่าฐานดินอยู่ในเหล้าพี่ตัวมันแท้แท้แล้วก็นโม่คือหนอบน้อมกับเหล้าในแล้วเป็นผู้จักกลาดสี่ให้ตัวนั่งซือมากาบผมี่รอกเนี่ยมานหน่อมน้อมผมนี่มันไม่จะเล่าอุลเกันนะนี่มันเซนซีละนี่ละเวียนนั่นจวทํามันแท้แท้มันของยิ่งเล่าอันยังเซลระอธิบายไปแล้วสามอย่าง นี่อันขันธะท่อมนี่อาจารตะท่อมมีธาตุแล้วก็นี่สัจจาท่อมนี่อริยสัจที่นั่นเหล่วทุกขสัจชะมุทัยสัจมีโลสัจมัคคสัจมันก็ยุ่นในนี้อีกนย่างละทุกข์ยังอธิบายไปแล้วชาติแกล่าพยาธิมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ยเนี่ยตกลงรูเสียงทั้งหลายนี่จายหินตรงนี้ก็เป็นทุกข์ทั้งนั้นเนี่ย มันหลุกของอยู่นี้มันว่าไปซุกอยู่วันไหนก็ละเนี่ยชัดจาดที่หนึ่งชัดจาดที่สองสมุไทยแกได้แกลูกในเหลวลูกก็สมุไทยอันเดียวกันยังตัวเรามีลูกก็ต้องนี่ซื่อยุ้งสี่หรือื้ออะ่เรียวกว่าสมุไทยซื้อเนี่ยส่วนลูกเนี่ยสมุไทยจะมีถึงกนบต่ผมันมีลูกสักครั้งเราไปเล็กจัมีชื่อกลิ่สามลูกนั่นอย่างนั้นแม่นั้นล่ะอย่างที่ปันเทศนาว่าสมุทยโย อันปัญหาส ม, มุทรโยธพเวนเนี่ยปัญหาแต่ละความรักใครสมุทยโยธเรสมุทรไท ย, ม, ไทยมันเป็นลกูกให้เป็นควอมไขรมันไข่ในรูกเสียงก็อยู่ในรูกกินรสสัมผัสกิ่ในรูกว่มีมาจากอื่นมีอยู่บนดินต้องอยู่ในรูกแต่ว่ามีรูกแต่มีกินว่ามีรสว่มีสัมผัสหละ่ะเนี่ย อย่างเขาเสียดินอากาศเสียงสี่มนไม่มีลูกเพราะเขาบริกินั่นแหละหันน่านีกินเหม็นหอมมากน้าอากาศมันก็มีลูกฝันมันนีเหม็นมีหอมมากสามอากาศนั่นล่ะมันมี่ลูกจะกพอนอากาศแท้ๆมัม่มีลูกหอกบนมีกินเนี่ยบนมีรสอีกอย่างนี่เสียงสี่ล่ะนี่ล่ะ่นอดันยังว่าเพราะว่าพิจะน่าลูกแล้วเล็ดเป็นไนแล้วซึ่งกินซึ่งเสียงซึ่งกินทั้งรถแล้วไปเลย เห็นแก่งว่าเป็นอ้ชุ่มพะเห็นแก้งว่าเป็นตัวชูตัวนักตาเป็นเหล่าหลุขาดเป็นมุขฟกน่ะว่ได้เป็นน้ำแก่มันดอกว่านําไปจํำลูกจําเห็นมาจําดอกเห็นลูกพักแล้วเราขาดนี่เป็นนี่นี่ละเห็นกันใช่ไหานี่ตัวสัจจะขาดยล้วว่าเป็นนี่โรกเราไม่พิจารณาเลยว่ามรในสัจจะน่ะมันมีสีอย่างที่จริงๆอาปัญญาเด็กแคคุ้นแต่ยังเด็กตาอู่ว่า เสืตานเรียงจะหุ่ยละเนี่ยหลแมนคเาข้านายจะนั่งจะกสยวา่ลาง่ายจะนั่งกายมาได้จะนั่งเลยแกใอยู่ละเอาอายัตดะนอง่ายเพรจะขุนในรี่ยงอีกลตาติดใยความเห็นดูเสื้อจีนในเรี่ยงหูเป็นใยใยินเสียงเสืีนหูเนี่ยมันรู้จักเสียงแต่มัน่รู้ไรหรอกนอนง่ายข้านายจะนั่ง จะบวกเป็นไงใกินคิ้วหายจะนั่งรีนเป็นไงในลถตายยาจะร่างกายเป็นไงในสัมผัสเนี่ยผลเราบัญญว่าอ่านี้จะสายอะไรนี่เรียกว่าอะไรเรียกว่าชีวิตแต่ว่าไงมันเอาผลกันบ่าไรตาเห็นเดี่ยจะลูกท้องเอาเสียงบ่าไรหูกับมาเบงลูกยังตาเห็นนั่นบ่าไรมันเป็นไงไปเสียงอยู่ชนันจะบวกมันจะเป็นไงเด็จะกินเท่านั้นจะเอาหูตาไปโดมกินว่าไรกิน้เลย เอาลิน้นมรดมกินก็บ่อได้รถมันก็นมีเตลินเท่านั้นจักรถจะเอาฝวกตาหูไปชิมรถบวกจักรก็เลยเนี่ยยิ่งขี่ละถึงสัมผัสกับยิ่งสัน่นมันตายเป็นผู้จักสัมผัสนั่นมันเป็นไงเป็นไงเป็นไ ง, เ ป, นไงเป็นอันอันนี้ยงขี่แต่ในเล่าเป็นชาวฟรัมนี่พยินฟกโหมอยู่ในเล่ามันนี่ยิงไงยิงขี้เนี่ยเนี่ละ่ะเหตารณ์ท่นล ะ, ละ เราจะพีกจะหน้าเอาเล่าให้พ้นฟุบก็ได้จั่งกันเดี่วผามันไงนี่อยู่แล้วเราเสียไงจนพ้่นฟุบเป็นยังพักกุฎิเจ้ามันก็ได้ยังผานั่นเจ้ามันก็ได้่นก็เป็นยังขี้หรือคนยังเห็ดได้เรามีเวลาล็อกเห็ดได้อย่งที่ลบบแต่เราบอกมีอยางที่ล็อกไปเห็ดว่ได้บบโพงเห็ดว่าไรฝาหลานเห็ดว่าไรเพราะมันบอมีเฟชเชอร์ยังมาเห็ดเนี่ยมันจริงส่จิตตาวตาภพขรร่างภพขลาปัญญตีเนี่ย จิตดาว่าตาุกขลังพุกขลาปัญติปัญญาเป็นบุคคลอะไรด้นี่ยะน่เช่นช่น่อยในาเท่าแกบเชลเล่สมัญาุโตสมัญญาเป็นบุคคลละเดี๋ยวบุคคลสามัญอาสาหนายุโตบุคคลเป็นิสามัญไปจชแล่เป็นมีพัทร์ลาเลยเจ้น้าหมาตเชนต้นตอนนั้นแต่พพุตเจ้ายาอาหลานเจ้าเป็นวิสามัญไปจชงนเชลเล่ นีสมยายมุตโตสามยูโตกุปมโอกุปปาซโมมีกุปปาท่ำมันท่มสิดกำเหลืออากุปปาซามโอท่ำบอกกำเหลืที่ยังไงไม่ทิ้งยหน้าร่างกายยังเต่าแล้วบอกกำเหลืถ้ากู้ไปทำจะโลกเกียกู้สนท่ำใส่ท่ำใส่พ่กปนันรักว่าศีนมันขาดไลยยังไม่เอาที่ไหนั่นเียว่ากุปปาท่ำท่ำกำเหลืออากุปะธท่ำบอกกำเรลยิ่งเห็นตายยิงเด้กกำลังไงอันปูทิ้งยันหนาร่างกาย พอเราพิจนาอยู่แล้วผู้หญิงไปเห็นก็ซ้าเหมือนอย่างประวัติของที่พระอรหันต์พันพิจนาอธที่จะดูพผนไปเยืนบาศขมเนี่ยผดากันไปจนถึงที่สุดของความบู่เรี่ยงกันและกันล่ะชกปวกเสียังว่ากันเช้นที่คผลนระวันเขาเจศนาเนสร้างเผลนอยู่อยมีประตูกว้างผู้หญิงพยายามขอสีสีแล่นไปบานเมื่อนี้ไปบานพ่อแม่ ออกมาไมาเห็นเฝนเราจะเอาใจใช้จะหัวดาเพื่อจะตอบว่าได้ดูท่างที่ฝ่บาดออกมาปัะตูยังมาเห็นเฝนยังอาไอฝนหัวเราะฝนไปเห็นแถวยังฝนที่แกน้ากระดูกแถวมันขาวกันคนเราฟังปันกันก็ว่าหลอกหนังให้ฝนเบืองเมื่อทั้งสวยเป็นกระดูกฝนเมื่อยิงฝน้นเราได้อรหันพอเราเห็นว่านี่ อันนีส้สวยงามแล้วนี่เป็นแจกกระดูกกระหางกระหางไปว่เป็นตัวคนแค่แล้วมันก็เลยเกิดความมีทิททางแบบค้นนี่มันมีเจ้หนังกจเนื้อรอหัวงามถ้ามันเข้าไปเช่นกระดูกหรืมันจะเป็นหางกรกาบกระซาบลกกระโปงย่างขนาดหนาเป็นผีเ็นยังไงเป็นยังขี้แบบื่อแต่ยังนั้นนี่เป็นเนะไรยังขี้ลาาาา เ, ลเลยได้อารหารันเนี่ยเนี่ยจังหวา ความมาหลงมันหลงจะเชี่ยงเนื้อห น, นังชนี้ดอกถึงตมามฐานเพคนบอกขอทนี่เราคนบวชเกิดดีหอดเจ้วัดโลมาหนังท่านละเ่าะท่านหอดเนื้อเ่ราะท่นหอดสิ่งพอมันเยอะในกันมันเป็นของข้นเจรูถึงกันได้อยู่แล้วคนนี้บอกขอท่านเห็นนั้นเมื่อหาเรามาเห็นผันอลัลลาเนื้ออเห็นหนังชกกรพกเราก็จะเห็นว่าเยอกับชกบกรพกเชิดเอ็นกับกชกบกรก ซับไต่เซบอรดเป็นเป็นก้อนเนื้อเป็นอันอันมันก็ะสุกะปุกไปเด็ดขาดเมื่อมันไม่มีอนไรง่ามแต่จะเห็นลงได้แบบนี้เห็นนี่เราท่านมันเรายังว่าท่านเห็นจลิตพิจนามันเห็นมันเป็นชกกระปกอย่างนี้มันจังขิดเป็นผู้วัดเป็นผู้เรกเจริญสมถานสมสว่าเล่าเข่าไปขนถานอันที่เล่าเจ้าเล่าคุณทุกแฉยาสานลบการเศร้าอาเทศพุ่มผานในแพลนยุคผุ่มผานดีศรีชนะ ยังจะเตาตะกอนบั่นเมื่องส น, นิทกําแพงแลกห่อหลบต่างๆเนี่ยกับพระว่าเฮ็ดฐานให้ดีท่าเช็ดแกตีบบแต่เนี่ยนี่แหละแล้วก็ต้องเอาร่างกายแล้วเป็นฐานเป็นพู่มฐานอันดีเป็นพุ่มฐานอันแข็งแงรงโบเนี่ยในคินมาวาันไหวเลี่ยงแก่ห้อยทิจะไปแถมทิจไปแต่โบกแก่ได้ เรียกว่าเก็บว่าให้เล่าว่าพมีชุกพอมีโรคให้เราบ่าเก็บบ่ได้มันเป็นของเก็บของสิ่งที่ของแสงมันหนี้อยู่ข้อแสงแรงข้อแสงแสงมันหนี้อย่างนี้เราพิจารณาถึงเนื้อยู่แล้วขี้เหร่ปัญหากรรมทั้งหลายมันเข้ามาบริโอกบาปทั้งหลายมันเข้ามาบริโภมันฆ่าฆ่ากันแทงเฮาเนี่ยเฮากะยืดเลยเป็นชุกธระมดาว่มีเรือรอดพอเราพิจารณาอย่างนี้เนี่ย นี่แหละเหตุนั่นแงว่าในอธิบายธรรมะตามบรญญัติมาเป็นอันหลักให้พิจารณาให้เป็นหลักให้ดูวยเข้าใจทั้งสีอธิบายด้วยทั้งหลักด้วยให้เป็นแข็งแกรงั่นแก่แกผู้ฟังแก่ผู้รู้ให้ได้ไปใส่แก่ปัจจัยอสุนปุทุกก็เห็นว่าพ่อสมควรเหตนนั่นเมื่อภาคันมาในยินไในฝั่งเึงชดจําไปชดฟางไปพิจารณาใดูแก่งแกรนงจริงสิ่นติใจ ตั้งใจปฏิบัติรยู้เป็นบุญของเอริมสุกเมื่อได้คิดว่าผู้อยู่ในความในประมาทฉะนั้นก็จะมีแต่ความชุกความเจริญงอกงามในปราสาทคณะ้องประสมาทสมุทรเก่าสุขสั ท, ท, ที่วจิตานั้นได้รับพระราทานมิเชนนมายด้วังตมดเลยพระตาแล้ ว, นาา เ, ว, วาาเนี้ปรสสาวาวิวา ปุราภิ t ูเรนิสกร้งเรวเมวิโตที่นางเศรษนางอุปัตติเตียนิจิตังปฏิตางตุหังสิปนิวัสมิจเตวิ s เพปูเรนตุสัง a ภาจันทุปนาราโสยะทามนิโสติราโสยะทากิตติโยวิวั กัปปะโคในสตุมาเตผวาเตนตระยูสุกิตีกายุคูภูอภิวาชนสีลิสาไม่ยังุทาปจายโธมาวัติอายุวะนสุขังาโมตัสสะวตโตรันโตสมาสมุทัสสะนโมตัสสะวโตรันโต and I'm โลกกสเตทีนั้นตามประวัติเป็น เาไปเลี่ยงวายในวันหนึ่งเษฐีนครโกสัมพีไปเข้าขพระเจ้าเปลี่ยนดินโดยปกติได้พบกับปุโรหิตจึงถามขึ้นว่าดูดาวเลือกบ้างหรือเปล่าเป็นอย่างไรบ้างปุโรหิตตอบว่าดูเหมือนกันเษฐีก็ถามขึ้นอีกว่ามีเรื่องอะไรบ้างปุโรหิตตอบ เรื่องอะไรอื่นก็ไม่มีแต่ว่าเด็กที่เกิดในวันนี้จะเป็นเศรษฐีใหญ่ของคนครเจดีย์ได้ฟังดังนั้นก็รีบไปสืบดูว่าพี่ยาของตนมีคันแจกทอดหรือยังก็ได้รับคําตอบว่ายังไม่ทอดจึงในชายทาสีเชื่อว่ากาลีให้ไปเที่ยวค้นหาว่ามีเด็กคนไหนเกิดในวันนี้บ้างหรือไม่ นางกาลีก็ไปเที่ยวหาจึงได้ไปพบเด็กที่มีผู้บูมมีบุคคลผู้หนึ่งเก็บมาเลี้ยงไว้ดังกล่าวแล้ว <c oughs> จึงได้ขอซื้อมามอบให้แกเศรษฐีเศรษฐีว่าเป็นผู้ชาย จึงตั้งใจไว้ว่าถ้าลูกของเราคลอดออกมาเป็นผู้หญิงก็จะตกแต่งให้เป็นภริยาสามีกันแต่ถ้าลูกของตนเกิดมาเป็นผู้ชายก็จะฆ่าเด็กนี้เสียต่อมาภริยาของเศรษฐีอออก็คลอดบุตรออกมาเป็นชายเศรษฐีจึงคิดที่จะฆ่าเด็กที่ซื้อมานั้นได้ใช้ให้นางกาลีนําเอาเด็ก ไปวางที่ประตูข้อโคเพื่อว่าในตอนเช้าเมื่อเมื่อโคออกจากข้อก็จะได้เหยียบเด็กแต่ขั้นถึงเวลาโคออกจากข้อโคที่เป็นหัวหน้าฝูงก็ได้ไปยืนข่อมเด็กไว้ให้โคตัวอื่นเดินหลีกไปเด็กจึงรอดตายไปได้นางกาลีก็ต้องนำ เด็กกลับมาเษศีก็ใช้วิธีใหม่ให้นําเด็กไปวางไว้ที่ทางเกวียนเพื่อจะให้เกวียนที่ออกแต่เช้ามืดบททับไปแต่เมื่อถึงเวลาที่เกวียนออกในเวลาเช้ามืดโคที่เทียมเกวียนคันหน้าเมื่อไปถึงที่นั่นก็สลัดแอดออกและเมื่อได้ ถูกเทียมเข้าใหม่ก็หยุดนิ่งไม่ยอมไปจนกว่าเช้าขึ้นคนขับเกวียนซึ่งเป็นหัวหน้าของหมู่เกวียนนั้นจึงได้นาจึงได้เห็นเด็กแล้วก็เก็บเด็กไปนางกาลีก็ต้องไปตามซื้อเอาเด็กนั้นคืนมาอีกเจตงาคราวนี้เศรษฐีชายให้เอาไปทิ้งในป่าซาธีดิบ ต้องการจะให้สัตว์ทั้งหลายมีสุนัขเป็นต้นที่มากินศพทาลายแต่เมื่อเอาเด็กไปทิ้งแล้วก็ไม่มีสัตว์อะไรทาลายคนเลี้ยงแพะได้เห็นเข้าก็นำเอาเด็กนั้นไปเลี้ยงฝ่ายนางกาลีได้กลับมาบอกเศรษฐีเศรษฐีก็ให้นางกาลีไปซื้อเอาเด็กนั้นกลับมาอีกกลับมาอีก คราวนี้เศษฐีให้นางกาลีเอาไปโยนภูเขาทิ้งเมื่อนางกาลีนําเด็กไปโยนภูเขาทิ้งเด็กก็เผออิญไปตกบนกอไม้ที่คุมอยู่บนกอไผ่ใหญ่คนตัดไม้ไผ่เพื่อนําไปจักสารไปพกเข้าก็เก็บเอาไปเลียงไว้เศรษฐีได้ทราบข้นให้นางกาลีไปซื้อเอากลับขึ้นมาอีก ไฟเด็กพ่อโตขึ้นโดยลําดับคราวนี้เศรษฐีคิดการให้โหดร้ายยิ่งขึ้นคือได้ไปพบกับนายช่างหม้อบอกว่าเขามีอวชาติตะบุตรอยู่คนหนึ่งจะตรงมาเมื่ออวชาติตะบุตรนั้นมาแล้วให้นายช่างหม้อจับฟันเสียให้เป็นท่นทอนๆแล้วใส่ลงไปในตุ่มแล้วเอาเข้าเผาในเตา เขามอจะให้รางวัลให้คุ้มค่าในภายหลังนายช่างหม่ก็รับคำเดชถีจึงไ ด, ได้เรียกเดกโคสกะและสั่งให้ไปพบนายช่างหม่ให้นำคำไปตามที่สั่งให้ทำจิตว่าอย่างหนึ่งนั้นจงทำให้สำเร็จ โคสกะจึงได้เดินไปเพื่อจะไปยังบ้านของนายช่างมอกก็พอดีไปพบเอาบุตรของเศรษฐีคนจริงซึ่งกำลังเล่นขบอยู่ <c oughs> กับเพื่อนบุตรของเศรษฐีนั้นเล่นแค่มาเป็นอันมากแล้วจึงขอให้โคสกะช่วยเล่นแก้ เพราะว่าโคสกะนั้นเป็นผู้ที่ชำนาญในการเล่นโคสกาพ่ออ้างว่าได้รับคำให้ไปหาหนายช่างมอ่อบุตรของเศรษฐีก็รับว่าจะไปให้แทนโคสกาก็คำทับว่าต้องบอกตามที่พ่อสั่งไว้พ่อมิชนั้นก็จะเป็นการผิดคำสั่ง เมื่อลูกของเศรษฐีรับคำอย่างแข็งแรงจึงยอมอยู่และเล่นคุกแทนลูกเศรษฐีลูกเตลูกของเศรษฐีก็ได้ไปยังบ้านของช่างหมอ้อและถะนําคําที่เศรษฐีสั่งไว้บอกแก่นายช่างหมอ้อนายช่างหม้อก็จับเอาลูกของเศรษฐีนั้น ทำเหมือนอย่างเศรษฐีสั่งายทุกประการในตอนเย็นวันนั้นโคสกากลับไปบ้านเศรษฐีถามว่าทำไมจึงไม่ไปเล่าโคสกาก็เล่าให้ฟังเศรษฐีเมื่อได้ยินดังนั้นก็มีความตกใจเป็นกำลังรีบไปหาหนายช่างหม้อนายช่างหม้อก็รีบออกมารับหน้า บอกว่าได้ปฏิบัติตามที่เจตีสั่งวายเรียบร้อยแล้วทุกประการเรื่องนี้แสดงว่าการปรทุษร้ายแก่บุคคลผู้ไม่ประทุษร้ายนั้นจ่อมมีผลสนองดังได้มีพุทธพาสิตที่ตันไว้แปลความว่าบุคคลผู้ประทุษร้ายในบุคคลผู้มิได้ประทุษร้ายผู้ไม่มีอาสยาด้วยอาสยา จ่อมได้รับฐานะทั้งสิบฐานะฐานะใดฐานะหนึ่งพลันทีเดียวคือหนึ่งเวทนาที่เผด็จล้อนสองความเสี่ยมสามความทำลายแห่งสลิละ 4. ีอาพาธที่หนักห้าความพุ่งสัน้นแห่งคิดหกอุปสรรคจากพระเจ้าแผ่นดินหรือบ้านเมือง 7. ็การถูกกล่าวตูที่ทารุน แความเสื่อมสิ้นแห่งญาติทั้งหลายเก้าความย่นยับแห่งพวกขศัพทั้งหลายสิบไฟไม่บ้านและผู้นั้นเมื่อตายแต่กายทำลายขันไปแล้วย่อมถึงนีละยะคือนรกพบที่ไล่ความเจริญเทพีนั้นแม่จะเสียบุตร ไปเพราะการคิดทำร้ายโคจกะก็ยังไม่ยอมหยุดยั้ยงยังคิดต่อไปอีกจึงได้เขียนหนังสือถึงผู้จัดการเจ็บสวยในหมู่บ้านของเศรษฐีแห่งหนึ่งตั้งให้ผู้จัดการเจ็บสวยนั้นข่าอาวุธฆ่าตุตรที่ส่งไปแล้วให้ทิ้งไปในหลุมวัจระให้เป็นการมิจชิดแล้วจะตอบแทนการกระทํานี้ในภายหลัง ได้ผูกหนังสือนิไว้ที่สายผ้าของโคสกะเองสั่งให้โคสกะเดินทางไปโคสกะนั้นอ่านหนังสือไม่ออกก็ไม่ทราบข้อความว่าเขียนว่าอย่างไรโคสกะได้ขอสเบียงเดินทางเศรษฐีก็บอกว่ามีเพื่อนเศษฐีอยู่คนหนึ่งในระหว่างทางให้ไปพักที่นั่นไม่ต้องนำสเตรียงไป โธศกาก็าเดินทางไปเมื่อไปถึงบ้านของเศรษฐีผู้สหายของเศรษฐีผู้วิดาเลี้ยงก็ได้แวะเข้าไปขอพักฝ่ายปริยาของเศรษฐีนั้นเมื่อได้สอบถามทราบว่าโธสกะาซึ่งเป็นบุตรของเศรษฐีในกรุงโกสมัมพีก็ยินดีรับรองและจัดที่ให้พักเป็นที่สุขสบาย ในการจัดที่รับรองนั้นได้ใช้ให้ทาสีของทิดาเป็นผู้ทําเมื่อทาสีของทินาของเศรษฐีจัดเสร็จแล้วก็กลับไปทำจิตให้แก่ทิดาเศรษฐีทิดาเศรษฐีวทิดาเศรษฐีก็ว่ากล่าวเพราะใช้ให้ไปทําจิตอย่างหนึง่งแต่มัวไปซัก้าอยู่ทาสีก็เล่าความให้ฟังว่า โคสกาซึ่งเป็นเศรษฐีหนุ่มในกรุงโกสัมพีมาพักและภริยาของเศรษฐีคือมารดาของทิดาเศรษฐีนั้นเป็นผู้ใช้ให้จัดการรับรองทิดาเศรษฐีเมื่อได้ฟังชื่อว่าโคสกาก็เกิดความสนใจและเกิดความพอใจขึ้นทันทีในเรื่องนี้ได้มีพุทธภาสิทบทหนึ่งแสดงไว้ว่า บุพเทนิวาสัน น, สนิวาบุพเวาสันิวาเสนปันจุปนนาหิเตนวาความรักนั้นย่อมเกิดขึ้นด้วยเหตุสองอย่างคือด้วยบุพเทนิวาสหนึ่งด้วยบุพเทนิวาสความเคยอยู่ร่วมกันมาแต่ปางกองและด้วยการเกื้อกูลในกันในปัจจุบันเหมือนอย่างดอกอูบลนอาศสยน้า และเพื่อตรมเกิดเจริญขึ้นในน้ำฉะนั้นเศรษฐีธิดามือ่อเกิดความสนใจในโคสกะแล้วก็ได้ลอบลงมาอย่างห้องที่โคสกะพักได้เห็นโคสกะนอนหลับและเห็นหนังสือที่ผูกอยู่ที่ชายผ้าก็แก้เอาหนังสือนั้นมาอ่านเมื่อทราบความในหนังสือนั้นแล้วก็ตกใจว่าไ น, น จึงได้โง่เขาจนถึงภูกหนังสือที่สั่งให้ฆ่าตัวเองมาดังนั้นจึงได้ไปเขียนหนังสือขึ้นใหม่แก้ความไม่ว่าให้ผู้จัดการเจ็บสวยนั้นจัดการสู่ขอและตกแดงโสูสกะกับธิดาของเศรษฐีในบ้านนั้นให้จัดการปู่ขอและจัดทรัพย์สมบัติให้โดยครบถว้วน <c oughs> วันลุ่งขึ้นวันลุ่งขึ้นโคสกาโ็เดินทางต่อไปถึงบ้านของผู้จัดการเจ็บสวยก็ยื่นหนังสือนั้นให้ผู้จัดการเจ็บสวยก็ได้จัดการให้เป็นไปตามหนังสือที่เขียนมาทุกประการกรรมสนองกรมต่อมาเมื่อเศรษฐีในกรุงโกสมชีได้ทราบข่าวดังนั้นก็ยิ่งมีความเสียใจ เพราะที่คิดร่าจะให้ทำอย่างไรก็ไม่เป็นตามความที่คิดสักอย่างและตนก็ต้องเสียบุรไปด้วยมีความเสียใจมากขึ้นจนถึงล้มป่วยเมื่อป่วยนะก็ส่งคนไปให้ตามโคสกะมาพบแต่ว่าผู้ที่มาตามนั้นก็มาพบกับภริยาของโคสกะก่อน ภรรยาของโคสกะรับก็รับรองและกดเก็บความไวย้ยังไม่บอกแก่โคสกะผู้สามีต่อมาเมื่อเศรษฐีมีอาการเพียรหนะักทรงคนมาให้ให้ตามอีกภรรยาของโคสกะจึงได้บอกแก่โคสกะแล้วได้พากันไปพบในขณะที่ไปพบนั้นภรรยาก็ให้โคสกะ ผู้สามยืนอยู่ทางเทา้าส่วนตนเองยืนอยู่ค่นันมาทางศีรษะของเศษรษฐีลายเศรษฐีปาธนาที่จะพูดว่าไม่ยกสมบัติให้แต่ก็พูดออกมาได้ยินแต่เพียงว่างให้ภริยาของโคษกะก็รีบแสดงอาการเศร้าโศกทบศีรษะลงที่อกของเศรษฐี ซึ่งกำลังป่วยหนะักเศรษฐีก็ขึ้นชีวิตลงในขณะนั้นเมื่อเศรษฐีขึ้นชีวิตแล้วเจ้าอุเทนได้ทรงทราบก็ได้โทรให้ทํสศีลักษณ์ของเศรษฐีและได้รับสั่งให้โคสกัผู้บุตรของเศรษฐีมาเฝ้าเพื่อจะทรงแต่งตั้งให้เป็นเศรษฐีวันนั้นฝนตกน้ำ ผลขังนองทองพลางหลวงเมื่อโคจกาเข้าไปเฝ้าก็เดินบ้างกระโดดไปบ้างแต่เมื่อเข้าไปเฝ้าและและได้รับพระราชทานกำหนดว่าจะทรงแต่งตั้งเป็นเศรษฐีก็เดินออกมาโดยเรียบร้อยไปก้าวอุทเทนทพ่อเนตรทางต้องพระแกน ทอพระเนตรเห็นดังนั้นก็ทรงเรียกเข้าไปอีกรับสั่งถามว่าเมื่อขาเข้ามากระโดดโลดเต้นเข้ามาเมื่อขาออกไปเดินออกไปอย่างเรียบร้อยนั่นพราะเหตุไรโคสการกราบทูลว่าเมื่อตอนที่เข้ามานั้นยังมิได้กําหนดฐานะดอมยังเป็นเด็กจึงปฏิบัติอาการอย่างเด็กได้แต่ว่าเมื่อได้รับ กำหนดฐานนดอนเป็นผู้ใหญ่ขึ้นแล้วก็ต้องแสดงอาการของผู้ใหญ่พระเจ้าอุเทมก็โปรธว่าเป็นผู้มีปัญญาก็พระราชานตำแหน่งเศรษฐีในเวลานั้นทีเดียวเมื่อโคสกะเศรษฐีกับบ้านภริยาได้แย้มสุลวนเพราะคิดว่าโคสกะลอดตายมาเพราะความคิดของตนโศกกะได้เห็นอาการเช่นนั้น ก็คาดคันถามภริยาจึงบอกให้ทราบโคสกะยังไม่เชื่อภริยาก็อ้างพาสีที่ชื่อว่ากาลีเป็นพยานนางกาลีก็ได้แก้งให้โคสกะทราบโดยตลอดโคสกะเมื่อได้ทราบดังนั้นก็มีความสังเวชใจได้ตั้งลงทานบริจาคอาหารเป็นต้น แก่คนกำพ้าและคนเดินทา ง, งตลอดไปคนจัดการโรงทานชื่อว่ามิตรกุดุมพีและที่โรงทานนี้เองนางสรรมาว ด, ดีได้เข้าไปขออาหารจนถึงโคสะกะเษถีได้รับเข้าไปเป็นบุตรบุญธรรมตามที่เล่ามาแล้วจะได้เล่าเรื่อง เกี่ยวแก่พระพุทธศาสนาในกรุงโกสัมพีต่อไปเมื่อพระพุทธเจ้าได้เสด็จประทับพันจำมรงสาในกรุงโกสัมพีนั้นเศษฐีทั้งสามมีโคตกะเศรษฐีเป็นต้นได้ถวายอุปการละผัดเปลี่ยนกันโดยตลอดนายช่างดอกไม้ที่เรียกว่านายมลาการชื่อว่าสุมนณะเป็นอุปถา คือผู้ช่วยรับทำงานของเศรษฐีทั้งสามได้ขออนุญาตนิมนพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์ไปสวยพระคาหาในวันหนึ่งและโดยปกติพระเจ้าอุเทนได้พระราชทานมูลค่าดอกไม้ให้แจ่มูเศรษฐีทั้งสามสำหรับชื่อดอกไม้เป็นประจำนางทาสีหรือข้าหลวงของนางสามาวดีชื่อว่า ชุดตาเป็นผู้มาซื้อดอกไม้ของนายสุมาณะเป็นประจำในวันนั้นเมื่อมาซื้อดอกไม้นายสุมาณะก็ทักชวนให้อยู่ช่วยเลี้ยงพระและฟังธรรมด้วยกันก่อนเมื่อได้ทําการเลี้ยงพระเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงอนุโมทนาทำเนียมอนุโมทนาในสมัยนั้นมี กล่าวไว้ว่าโดยปกติเมื่อทายกต้องการจะฟังอนุโมทนาจากพระลูปใดก็รับบาปของพระลูกนั้นไว้และพระลูกนั้นก็กลับไปก่อนพระที่อยู่เพื่ออนุโมทนาก็ต้องกล่าวอนุโมทนาอนุโมท น, น, นานั้นคือแสดงธรรมนั่นเองแต่เป็นแสดงธรรมอย่างย่อ ดังบทอนุโมทนาที่ติดมาใช้ตรวจในบทนี้ก็มีหลายบทที่มีเนื้อความเป็นการแสดงธรรมแต่บทอนุโมทนาที่แต่งประกอบในภายหลังที่หลังกาเป็นบทให้พรเป็นส่วนมากในวันนั้นนายชุมมะก็ได้รับบาทของพระเจ้าวายแสดงว่า มุ่งจะให้พระพุทธเจ้าเป็นผู้ให้พรพระพุทธเจ้าก็ได้สแสดงธรรมเป็นการนมูร์อนุโมทนาให้พรนางคุจุตาได้คอยฟังด้วยก็ได้ดวงตายห็งธรรมในวันอื่นๆ น, นางคุจุตาได้ยักข้าดอกไม้ไว้เส้นหนึ่งแต่ในวันนั้น ชื่อดอกไม้เป็นราคาได้นำไปมอบแก่พระนางสามาวดีเมื่อได้ถูกสักถามว่าวันนี้ทําไมดอกไม้จึงมากนางพุชิตาก็รับตามความเป็นจริงและว่าไม่ทาเหมือนอย่างเก่าเพราะเพาะได้ฟังธรรมของพุทธเจ้าพระนางสามาวดีก็ขอให้นางพุชิตาแสดงอรรมให้ฟังนางพุชตาก็ ขอให้จัดที่แสดงธรรมและเมื่อได้ชำระร่างกายเรียบร้อยแล้วตกแต่งสะอาดดีก็ขึ้นที่แสดงธรรมและแสดงธรรมให้พนางสามาวดีกับบริวารฟังพนางสามาวดีเมื่อได้ฟังธรรมของนางพุชิตาที่จำมาจากพระพุทธเจ้าก็ได้ดวงตาเห็นธรรมพร้อมกับบริวาร ต่อจากนั้นก็ได้ส่งนางกุตติตาไปฟังธรรมจากพระทเจ้าและมาแสดงต่อให้ฟังอยู่เนื่องนิดเพราะว่าไม่สามารถจะออกไปจากพราดฐานได้ต่อมาพระนางสาวมาวดีก็ได้เจาะช่ อ, องที่กำที่ตำหนักเพื่อจะได้คอยดูพระพุทธเจ้าและพระสาวก เมื่อเสด็จไปยังบ้านของเศรษฐีวันหนึ่งพระนางมาคันธยาขึ่งได้ถูกอาคาดในพุทธเจ้าไว้ได้ขึ้นไปยังตำหนักของพระนางสามาวาดีได้เห็นช่องที่จะวายที่ฝาก็ชักถามจึงได้ทราบว่าท่านพุทธเจ้าได้เสด็จมายัางนัรนี้พวกหวหนคิดถึงเวรที่ปลูกวาย คิดแ ก, ก้จัดการให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกจากนครโกสัมพียึงได้ไปเฝ้าพระเจ้าเทนทูลฟังทูลฟ้องว่าพระนางสามาวดีมีพางฤทัยออกหาพ่อได้เจะช่องฝางเพื่อจะคอยดูพระพุทธเจ้าและสาวกพระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จขึ้นไปบนตําหนังของพระนางสามาวดี เมื่อได้ทรงเห็นช่องฝาที่ได้เจาะไว้นั้นก็ไม่ตัดว่าอย่างไรกลับรับสั่งให้ทําช่องหน้าต่างหรือช่องบานพระเกนไว้เพื่อให้เปิดให้ใช้เปิดเป็นหน้าต่างต่อไปนานมาคำพิยาเห็นว่าไม่เป็นไปตามที่ต้องการจึงได้กับการจ้างพวกชาวเมืองซึ่งเป็นผู้ไม่เลื่อมใส ใน ร, รัฒนไใจให้คอยตามดาพระพุทธเจ้าพวกที่ไม่เลื่อมใสเหล่านั้นได้ออกคอยติดตามพระพุทธเจ้าและดาด้วยห้ายคำที่ยกขึ้นดาอย่างหยาบคายที่กล่าวไว้ว่ามีศีประการคือดาว่าเจ้าเป็นโจรเจ้าเป็นคนฐานเจ้าเป็นคนโง่เง่าเจ้าเป็นอูด เจ้าเป็นโคเจ้าเป็นลาเจ้าเป็นสัตว์นรกเจ้าเป็นสัตว์อิรัจฉานทุกขติของเจ้าไม่มีเจ้าหวังสุกติได้เท่านั้นเจ้าหวังทุกขติได้เท่านั้นท่านพระอานนุ์ซึ่งได้สิดตามมากับพระพุทธเจ้าได้กราบทูลขอให้พระพุทธเจ้าจะเด็จดีกออกจากออกไปจากเมืองนั้น พระพุทธเจ้าตัดถามว่าจะไปไหนอานน์พระอาโนนทูลว่าจะไปเมืองอื่นพุทธเจ้าค่ะพระพุทธเจ้าก็ได้ตัดถามว่าก็เมืองมนุษย์ในเมืองนั้นดาอีกจะไปที่ไหนอีกล่าพระอานน์ก็ทูลว่าไปเมืองอื่นอีกจากเมืองนั้นพุทธเจ้าค่ะพะพุทธเจ้าตัดถามว่า เมื่อถูกด่าในเมืองนั้นอีกเราจะไปไหนอีกพระอนนทูลว่าจะไปเมืองอื่นอีกผู้ริเจ้าค่เพราะพระพุทธเจ้าก็ตัสว่าจะทำอย่างนั้นไม่สมควรอธิกรณ์นั้นเกิดขึ้นในที่ใดเมื่ออธิกรณ์นั้นสงบไปแล้วในที่นั้นจิงควรที่จะไปในที่อื่นและแตรัสถามว่า พวกที่ด่านั้นเป็นใครพระ น, นุณก็ทูลให้ทรงทราบจึงตรัสว่าการอดทนเป็นภาระของพระองค์พวกเหล่านั้นก็จะด่าอยู่ได้ขนาดเก็ดวันเท่านั้นเพราะว่าอธิกรคือเรื่องที่เกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่เกินกว่าเก็ดวันได้ทรงเต็นพระ พุทธอุทานขึ้นโดยความว่าเราจัอดทนคำล่วงเกินเหมือนอย่างช้างสึกอดทนสอนที่ตกจากแหลงในสงครามเพราะว่าชนเป็นอันมากเป็นผู้ทุศิลชนทั้งหลายย่อม น, นำพาหนะที่ฝึกแล้วดูที่ประชุมพระราชาย่อมประทับ พาหะที่ฝึกแล้วบุคคลใดเป็นผู้ที่อดทนคํากล่าวร่วงเกินได้บุคคลนั้นชื่อว่าเป็นผู้ฝึกแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุดล้ามนุษย์ทั้งหลายม้าอาัจฉรที่ฝึกแล้วม้าสินทกอาชนัยที่ฝึกแล้วมหานครมหานาคคุณชอรคือช้างใหญ่ที่ฝึกแล้วเป็นสัตว์ที่ประเสริฐ แต่ว่าบุคคลผู้ฝึกตนได้แล้วเกิดกว่ากับเหล่านั้นพนางมาคันธิยาเมื่อไม่สามารถจะให้พระพุทธเจ้าเสด็จออกไปจากเมืองโกสันตีนั้นได้ก็คิดอุบายต่อไปคือได้สั่งไปถึงมาคันธิยาผู้เป็นลุงให้ทรงไก่ตายมาให้ตัวหนึ่งไก่เป็นอีกตัวหนึ่งในขั้นแรก ก็ให้นำไก่เป็นมาถวายพระเจ้าอูเทนก่อนและเมื่อเขานำไก่เป็นมาถวายก็แนะนำพระเจ้าอูเทนให้ส่งไปให้คณะนางสามาวดีปรุงเครื่องเมื่อเขาส่งไก่เป็นไปนั้นคณะพระนางสามาวดีก็ปฏิเสธเพราะเป็นผู้ไม่ฆ่าสัตว์ พรนะนางมาคันทิยาก็ทูลยุเย่ว่าให้ลองดูไปให้ลองส่งไก่นั้นไปอีกและสั่งให้จัดการทำพัตตาหารถวายพระพุทธเจ้าพ้าเจ้าอูเทนก็รับสั่งไปอย่างนั้น แต่คราวนี้พระนางมาคันธิยาได้รอบสั่งให้จงไก่ตายไปและนาสามดีสามาวดีเมื่อได้รับสั่งดังนั้นก็จัด ก, การปรุงพระตาหารถวายพระเจ้าพระนางมาคันธิยาทูลยุยแย่ว่าเป็นหลักฐานที่เพียงพอว่าพระนางสามาวดีเอาใจออกหาก พระเจ้าเทมก็ทรงนิ่งท้านางมาคันธิยาเมื่อไม่ได้รับความสำเร็จตามความประสงค์ก็คิดการต่อไปได้สั่งให้มาคันธิยาผู้เป็นลุงจัดาหางูพิษส่งมาแต่ว่าให้ถอนเที่ยวออกเสียเมื่อได้รับมาแล้วก็จัดการใส่เข้าไปในผินสำหรับ ที่เรียกช่างของพระเจ้าอูเทนที่โปรดนำติดพระองค์ไปด้วยเสมอเมื่อถึงวาละที่พระเจ้าอเทนเสด็จไปบนตำหนักของพระนางสาวมาวะดีพนางมาคันธิยาก็ทูลคัดค้านํำนองว่าจะเกิดเหตุร้ายพระเจ้าอูเทนก็ไม่ทรงเสื้อฟังได้ถือผินคนโปรด ลานั้นนําติดพระองค์ไปตำหนักของพนางสามาวดีด้วยพนางมาคันธิยาก็ไปด้วยและเมื่อได้เสด็จขึ้นบนพระตำหนักนั้นแล้วพนางมาคันธิยาก็รอบเปิดช่องที่พินงูก็เลื้อยออกมาพนางมาคันธิยาก็ร้องเอะอะขึ้น ทูลพระเจ้าอุเทนให้ทรงทราบพระเจ้าอุเทนเมื่อได้เห็นเรื่องเป็นไปได้ถจริงนั้นก็เรียกท่านางสามาวดีรับสั่งให้เรียกเอาธนูและแหลงทรงธนูเพื่อจะยิงพระนางสามาวดีแต่พระนางสามาวดีก็แผ่เมตตาจิตไปยังพระเจ้าอุเทนและพระนางมาคันพิยา รับสั่งบริวาลให้แผ่เมตตาจิดไปด้วยกันพระเจ้าอุเทนก็ได้ทรงปรับพระไทยที่จะกล่าวว่าเป็นไปด้วยอำนาจของเมตตาจิดและทรงสารภาพว่างุนงงในพระไทยทรงขอให้พระนางสามาวดีเป็นที่พึ่งด้วยพระนางสามาวดีขอให้ไปเฝ้าพระเจ้าและ ถึงพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระเจ้าเทนทรงรับและได้รับสั่งประธามพรแก่พระนางสามาวดีต่อจากนั้นก็ได้เสด็จไปเฝ้าพระพุทธเจ้าและนับถือพระพุทธเจ้าเป็นศรัทธาเมื่อเสด็จกลับมาแล้วก็วรับสั่งให้พระนางสามาวดีขอพรที่ พระราชานวายพระนางสามาว ด, ดีก็ทูลว่าไม่ต้องการพร อ, อย่างอื่นและสงค์ว่าจากทูลขออนุญาตนิมนต์พระพุทธเจ้าและพระพิสิสง์มาถวายประจาหามในพระราชฐานและทูลขอทูลขออนุญาตเพื่อจะฟังคำพระเจ้าอุเทนทรงอนุญาต แกพระนางสามาวดีพระนางสามาวดีก็นิมนต์พระพุทธเจ้าและพิสุทโธงมาถวายพระตาหารที่ตําหนักและทูลขอให้พระพุทธเจ้าเสด็จมาหนึ่งเมืองนิดในการเลี้ยงพระนี้พระเจ้าอุเทนก็ได้เสด็จมาทรงร่วมด้วยและได้กราบทูลพระพุทธเจ้า จนเสด็จมาประจําเหมือนอย่างนั้นพระพุทธเจ้าตรัส ว, ว่าธรรมดาพระุเจา้าทั้งหลายจะเสด็จไปในที่แห่งเดียวกันนั้นไม่สมควรเพราะว่าชนเป็นอันมากก็ย่อมมุ่งหวังพระเจ้าอูเทนก็ขอให้ทรงมอบหมายจกบสุสักรูปหนึ่ง พระุทธเจ้าได้ทรงมอบหมายให้เป็นภาระของพระอนุเทละตั้งแต่บัดนั้นพระอนุเทละได้ไปฉันในราชสกุลได้แสดงธรรมแก่พระนางสามาวดีอยู่เป็นประจำปลายพระนางมาคำทิยาเห็นว่าเรื่องที่คิดไว้ไม่สนเร็จชักอย่างก็คิดการที่ให้โหดร้ายยิ่งขึ้นจึงได้ ให้ไปตามลุงที่ชื่อว่ามาคันธิยาเข้ามาได้ได้ร่วมคิดการที่โหดร้ายไว้ในวันหนึ่งเมื่อพระเจ้าอุทเทนเสด็จออกไปนอกกรุงเมาคันธิยาผู้เป็นลุงของพระนางมาคันธิยาก็ตรงไปยังตำหนักของพระนางสามาว ด, ดีได้เปิดคลังผ้านำเอาผ้าต่างๆออกมา คันเสาตําหนักและบริเวณตําหนักของพระนางสามาวดีเอาน้ามันราดและอ้างรับสั่งของพระเจ้าอุเทนว่าให้ปฏิบัติเช่นนั้นและให้คณะของนางสามาวดีเข้าไปร่วมอยู่ในตําหนักทั้งหมดเสร็จแล้วก็จุดไฟเผาตําหนักพระนางสามาวดีกับบริวารได้ถูกไฟคลอก ชีวิตด้วยกันทั้งหมดฝ่ายพระเจ้าเทนเมื่อได้ทรงทราบข่าวว่าตำหนักของพระนางสามาวดีถูกไฟไหม้ก็ได้เรียกเด็จกลับแต่กลับมาไม่ทันต่อมาก็ได้ทรงสอบสวนทราบบุคคลผู้เป็นต้นเหตุและบุคคลผู้ร่วมคิดจะทำการอันนี้ ก็ได้โปรดให้จัดการลงโทษจนถึงตายด้วยวิธีการอันร้ายแรงทั้งหมดในขณะที่เกิดเรื่องไฟไหม้ตำหนักพอกนางสามาวดีกับบริวารชิ้นผีนั้นพระเจ้าเทนได้ทรงทราบได้เป็นพระพุทธอุทานขึ้นโดยความว่าสตดโลกมีโมหะเป็นเครื่องผู้ไว้แท้ แต่ดูราวก็เป็นผู้ประพฤติชอบคนพานมีอุปทิคือการเป็นเครื่องผูกมัดผูกความมืดคืออวิชชาล่อมไว้แท้แต่ปรากฏเหมือนอย่างเป็นผู้ที่มีความเพี้ยนแท้่ที่เลนเป็นเครื่องกังวลย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้เห็นอยู่ตามความเป็นจริง ศา น, นาวสาเนในอาวสารการแสดงพระธรรมเทศนานี้อาจมาขออ้างอิงคุณพระรันตนไตจงดลบรันรดาลและคุ้มครองปกป้องรักษาบทพันทั้งหลายที่นาอามาสดับตรับฟังในการครั้งนี้จงมีความสุขความจเจริญตลอดกาลนาน ดังสแสดงมาข้าเห็นว่าสมควรแก่ากาลเวลาเอวังก็มีด้วยปังกรชนิะนี้ <c oughs> ยะกาวิริวหาปูลาปาลิภุกเณรเจ้าสร้างกำลังเอวะเมวไหวตัวจินนางเตตนานังอุปการติดิชิตังปฏิชังทุมฮังจิตเปเมวะจมีสตุสเบภุรเณรตูสังกปา ฉนโปนละโซยธ า, ามณีโชติลโยธ า, าสปีติโยวัชันตุสพโลก ว, วินัสตุมาเตหวตวันตวายโยสุขีติกายุโคภะวะยวนันิติสเนจังุทธาจเยโนยะตาโลธรรมาวัันติอายุวันโนสุขังถาลังโอตัสส พระโอรสาธุพระอาตสมาสัมพุทธัสสะนโมทัตถะพะโอรสาธระอาตสมาสัมพุทธัสสะนโมทัตถะพะโอรสาธุพระอาตย์มมาสัมพุทธัสสอาสังิรังอาสังังสังวิทามรห อันเ ย, ยว่าคิดจะมาตะปางโอจัญยามะานั่งสุเวเดตนาบัดีแกได้เทศนาในาศนาสนธรรมคำสอนของขดสมาสัมพุติเจ้าที่ท่นนานได้กระสรุในธรรมทั้งหลายนั้น เพื่อเป็นเครื่องเตียนใจและเฝึกฝนสติปัญญาของขันพุทธบริสัทท์สังลายดีเดชีภากันมีควาเชื่อความนิสัยดับดับพิดลงเลยได้พากันหวังอยากฟังพระธรรมเทศนาได้พากันมาประชุมกันในธรรมภาภพศาลานี้ ได้ภาพกันสั้งใจกระทำการบูชาคุณผรัตนตรัยนเป็นนีเพื่งของตนด้วยอาระบูชาและปฏิบัติบูชาเป็นการบูชาดุออยิงที่นี่ก็นับว่าเป็นบุญเป็นกุศลเป็นมหากรรมมาัจรในหญิงใจเต็มเปี่ยมอยู่ในกิจตะสันดานคล้องวกขันทั้งหลายบริบูนอยู่แล้วตอนนี้ไปเป็นโอกาสสืวฟังเขาจธรรมเทศนาของปราสมาสัมพุติเจ้า อันโอัดคำสอนของฝาพุทธเจ้าไม่ใช่ฝาพุทธเจ้าเป็นผู้รู้แล้ววดความรู้เพศปวดแก็บบุคคลและโลกทั้งหลายม่ใช่อย่างนั้นพระองค์เมื่อบ่มีเหตุแล้ว พระองค์บอกกล่าวบอกพูดต้องนี่เหตุสิงจะพูดจะกล่าวเหตุนั้นดังพระองค์ร่วใครเป็นผู้จะได้มักคไดผลควานจะไปทรมานอย่างไรพระองค์ ได้ปารบดังที่จะไปารมานชัมภูกะอาคิโกหรือเกิดที่จิานี้พระ อ, องค์เขาชานสมบัติลูกว่าพวกนี้จะได้รับความเหลี่ยใสหรือสัมภูกะจะได้อรหันี้อย่างนี้ ท่นานจะไม่ปารารบก็ผาโนนย่างว่าจะไปทรมานเศรษฐีทุกทุกข์ขยับเลียว่าเศรษฐีทีกขนีข้ในความฝันว่าเศรษฐีทุกทุกข์ยากมาลนะไม่ใช่เศรษฐีทุกทรัพย์สมบัติมันสูญหาย เดี๋ยวไปบ่มีเลยยกฟุกนบ่มนอย่างล้านเจ็ดทีขีสนีเนี่ยนั่นละขีสนี่หลายอ่ะเส้นวัดหงเข่าและทำอาหารทำจะเที่ยงให้ผัวกินบ่ททำเสียตัวด้วยล่ะเมื่อผัวกิน ก๋วยเหี่ยมบะมี่เขาจะกินกระตั้งกินเบอร์อิ่มเหรอพอจงไหวเหี่ยกินด้วยเนี่ยกับหัวกินพเขาเพียมใจหัวกินอินพหัวก็กินตะเคืงแล้วก็จงไหวเนี่ยก็กินสี่เหลือจากหัวมันกับเบอร์อิ่มละก็ซักกระท้อนเอาละละเพราะหัวมันขเ้มิดตลอดภาพ น่วงแพ่ถือก็ออยังนั่นว่ามีสิทธิ์ถือดีละ่ะพระองค์เห็นยังสั้นแล้วในงานเพิ่นเพิ่นยังได้เขียนว่าไม่ได้ไปบินรบาดตามมูพระสงจะไปซาลามานสิบสิแเจนีน น, นี่เหตุยังสิล่ะเพิ่นยังได้ตาลบถึงก็พานนน เนี่แหละขันเมื่อโงงไปขันที่จะน่าเห็นแล้วว่าเมื่อไรสิถีผู้ขวจะกินเขาต้องไปเวลานั่นแล้วเลยไปเวลาสิถีผวัวกินเขาทางฟุ้งยาแจ้งข้าข่อยผัวกินแล้วมานางอยู่ตันปักสูปักสูมากระยั่หันละ เอาเมื่อทวกว่าไปจับขานขางนี้อยู่ไปจับอันโวงประตูขางหลังขางนี้บางตาหัวหัวหัวจะเห็นคนจะเอาเขาไปเือท่านพงก็ไปสเป็นงสันงส้นแต่ว่าพองสั่งใจไปทารมา เม่พงศ์นเหลียบตาไปเห็นว่าเนียบางตาหวควนจะยับไปหนาสังเนี่ยว่าสังหนาหน่อยนึงนี้ฟ น, น, นตบางนําเย็เอา้าพงศ์ผัดหลังต่อจาหวเห็นที่สุดกับัว ก, ก็เห็นใช่จริงพราหนายาไป้างกระจัวนะ่งเขา ก็แล้วอ้าพระผุมาบินบัสยั ง, ยงยมมไม่น่าสันเบิงสอกว่าแม่นพระพระมาดาด้วยไหนน่าพอพูดด้ยเจ้าสมชั่วนั่นนะไอเที่ยงไหนเขาเมันมี่สนิษหานนี่สันนีษิแล้วแม่มอหัดลา่างควงไว้พุ่นเลเี่ยเที่ยงมดเขาแหงกับว่านนีน ผมก็อยู่เหตุังไรฮั้นเลยเจอทั้งจานเขาแลหานละที่นก็ลับเดินไปหาโพงบนไปโอ้ยเขาก็มีสอนนี้แล้วหนาหันเป็นเ็ษเดยนกินซ่ำจะเจ็บยังไงโพงจังจิจังสิตคอันแกโพงฮัน โ อ, องเลยพูดสอบเศทษีเล่าเป็นเกจะพูดสอกเมื่อพูดธรรมดาเกจะพูดบุกคนพูดรักษาอ๋อเขาไปเส่นสวงยังไงก็องกินตามเสียเขาบ่งสวงแล้วล่ะ สีสีจะพูชั้นใดเลาก็อย่างนั้นหน่วมีบุคคลทะบุญให้ท่านไสบาแแถ่เราเราผสมเป็นได้ใชงไหมเรา็สมขันมาละ่ะ่านไม่ว่าวะกินหรือบ่กิ น, นท่านพูดอย่างนี้เษ็ษสีก็เลยได้วควม่มอ๋้านเราันสิเองั้นกินมีแต่สิรับที่ใส้สาบาดไถ เศรษยังวิศกตัวงทันลับพ่อแกเกือบพ่อให้เราเป็นผู้ดีใจที่สุดหรอกสันบริสันในเราหรอกพอเป็นเงียนกบขรึมแล้วทั้งสิ่พงเดินไปน้อยเนืองพงแว่ท่างนางสันเลยโดยเห็นท่านสันดีดีดีใจให้เนี่ย อ, อ๋อท่านดีดีนี่ น, นี่ละ แตนั่นไปเมียก็ไ่ได้กินเสนเแล้วถว่าไปกินเขาบวอีมแล้วพ่อจิบกินหน่อยนึงเป็นกับไปโปวดโรลดท่นี้อันนี้พอเสรงยางกินกับเมียเขาบริสิทล์ละขุนละตอนบ้ายขุนยังเสียดงงยังสียหูยังเสีอาหารกินกับใส่ยังเสียดหัวก็ได้กินได้แล้วพ่อไปหอวเทียงเห็นเมียไม่ได้กินกับกึ๊กเมียว่า มันเหมือนีอว่าไม่หมอเขาแหงกกระตังติดกดหมอมันมุ่งเนี่ยสคั้นี้ก็เลยทั้งวันทั้งวับเดินไปจับหมอสิ่หม่พอเพราะว่ามันเหมือนที่ว่าล่างไปยังสี่ละ่งเนี่ยังยังสี่ละที่ว่ายัางสี่กันเดินไปหาหมอจับคิดขึ้นเบ้องหลบเขาเต็มปากหมอปล่อยอยู่มี เดี๋ยวาห้อยคว่ำหอยควัดค้อยจกจากิบกิน็ตเกิดอาชญาชั่งละหันแล้วก็ควัดจนหมดจนล่างไว้ยังกี่เป็นยังไหนเขายังไหนสามารถเต็มปากหมอเล็กเส้นถือมากเส้นเบาเขาล่างไว้สํานาทีมอเนี่ยไปเปิดคือเราเข่าเต็มปากคือยังว่าัสนเด็กวัดเด็กจบแกงไม็ดแงไหนเนี่ย จริสิล่ะหัวเลยว่าเออมันละนั่งการทําบุญนั่นทาหน่อยหลายทั้งฝ้ายได้กอบผู้ทาบุญมันกิน่นบบกจกโปรงดอกว่าจงิี่ถทางนั้นฝันยังามีความสีวายอยากกินเขานั่นก็ะลกยังไปทาพ้ออยู่ล่ะว่าท่านว่าอยากําหอยสั้นสั้นเขาอยู่บนเราเขาซัก ขายจักกินมันกระบกลงหลายไปสิเต็มคือเก้าสิส่เต็มพอหวนะหลุดเลเวลกินเขาเวลาล่งไปได้พวงเรือกันได้กล้เขาเล่าเขาขึ้นไปเบิ้งเขาับกินลงจนเดบเครื่องหล้วเต็มคือเก้าอีสานยเทเขาตักซึ้งขายซึงกินเกียด โรคองระบาดนี่มาเบิ้งก็เต็มเราพูดโยโก้คุณมันเป็นสี่อหรอฮะเนี่ยโย่มันเป็นสนันหลังแต่ยนีว่าถ้าบุญมันบอกเมตตาสิ้นดอกยังขึ้นไม้กินเขา่าแต่นั้นยังเรียเกียมทถบุญในธาตยังคอยกินไก่กินก็กินจนยินจนที่เส่อเสือเส่อหัวไปยังสลอานะยังคนจับความวัดตกทุกข์ขยา นี่ละ่ะยังว่าพระองค์ต้องนี่เหตุท้าไม่เป็นผลขึ้นมไม้งสี่บว่าแม่นพระองค์สี่คนพูดทั่วไปว่าตัวลูกอยากพูดเด็กก็พูดไปบวแมนเห็นนั่นยังที่ท่านเจริญนาว่าโยเกตระหิสัมพุทโธ บวชนั่งตัวขณะสนุ inside, ่งสเบสัก <overturn> ุโวิหาริสุยทจอัตติวิหาริสัตติทีสักามตาพระพุทธเจ้าเมื่อพ้นเดกัทลูเลยผาถ้ำพ้นฝนตกเยถพนเอาผาถ้ำเป็นครูเอสราณิสัพุโ ผู้โทษไปารูสำผู้โทษไปตรวสอบสามันไปตรวจสอบคนรู้สอบคนแรกอยู่ในความรู้สอบถาบว่มีเหตุทีผลคนบอกกล่าวคนอินยุเรศความเป็นรูปเป็นเห็นยังเริ่มมีปรัชนาอยู่อย่างนั้นคนพิดาวามรู้ความเห็นยังกล่าวแล้วยังใส่สินไม่หยา หายมันเป็นท่างทุกข์างร้อนจะพาะตัวผู้คิดคนหลุดคิดคือ่ยังสัตว์นั่นเรียกว่า่นเจริญชีพศาสนาเห็นนั่นดังประวัติว่าพระองค์ว่าได้เขานิโรธสมบัติอยู่บ่อยเหมือนก่บบอกอุทธระบกและอัคคตาอกพระพระองค์สิ้นอันกิเลสทั้งวัสนา แล้วปรวงเกริษมีพัฒนาอยู่วันล้มหันก่ขถ้าบอกมีเหตุประโวงว่าบายุตรเลิษอยู่อย่างนั้นฉันพูดอย่างนี้นี่ลเห็ดนดันจังว่าเมื่อพรงคาพูดโทบบหุนั่งโทกกระหน้าสโนดบาหุแปลว่ามา หัวหน้โซโกันนาคาโนะซะเบะธรทมะคาลุโนกก็ท่นทานตั้งอยู่ในความโกลคาลุโนะในท่าทสิทันเดกรัชรูเพราะ ม, มันพบุรุนรัชรูง่ายๆยางว่าพระองค์ออกไปบวชไปปฏิบัติสังฆปีเพื่อบะได้รัชรูได้ เหตความเที่ยนบริยุทเดียวงเพราะเหตความเที่ยงเบื่ถูกเหตุข้อเที่ยงตั้งแต่ทํานถูกกัลจิริยะคือทํานตั้งแต่กายถูกใจฝืนหรือบริยุทธรมานหรือบริยุทธวิปัสสนาใช้ยังกล่าวแล้วนี่จะเดินจงกลมหนังสมาธิไปอยู่อย่างนั้น ดอกนันยังมี่การทีวบวดทางนอดบ่นอนเดินรงกมนางภาวนายุ้งเสละบอกว่าเมนนางภาวนานางเอาให้มะทุกซื้อว่าทุกนั่นละมสัสิดทั้ใหม่ที่ฤทเสียดแหงบริเวณที่ฤทธิ์เริเ่มตังที่ปัสสาวะท้งไจ่เหยื่งสันให้มะเยถยะแหงที่ฤทเพื่อนเราไปทัด้วยใจยังสัน้นนั่นล่ะ จนที่จุดลดลดทั้งเขากันทั้ง ร, งใใร่องเจาะซ้ำยนว่าสรบรวมร่องก็พป่ลประเที่ยวบัดพอินเอาหมักจมอกเอาอยาทิพแทกเขาแทกไวยว่าสันไม่เฟืนเฉวอยเอมาขันฟืนสัอญาเอามาัามากจมูกตั้งอยาทิพเข้าไปแกงไม้ฟืนขึ้น คนยังเลยพี่แก้าน่าว่ะการทำความเพี้ยนมันเห็นแก่ บ, บุตรช่างเลยวนะ่ะมาทำร่างกายให้ลำบากเลยการนาั่งการเดินการยื น, จ, นจืนบวชัขนเข่าจะนหนามนีม่จ้ะมาถูกสือ่อธรรมดาคนหาของทั้งหลายที่ไปเอากับถูกก็กับของมันว่านีแล้วยังว่าไปหาว่ า, ามันกับไม่ใส่ไม่ขวดมันก็บอ้ไรอะไร เนส้เปิดกวดมันไม่มีน้ำมัน้าผู้อยากไดนน้ำมันต่อไปหาเอากัะเม็ดของผลละไมอันน้มันนี่นามนีมัม่นอย่างถึงที่ใดอันนี้กันใดเราทำข้อเปี้ยนเราสิไปเอาข้อผลผูกกระทุกก็จ เ, เอาได้ยงใดเห็นได้ยังว่มามันบุกศึก่างเลยเห็นที่เป็นช่างใจนั่นแหะ เที่นช่างใจยังสีส่เป็นชางผุนถูกนี่ล่ะและ้แลนั่นม า, มาเมพิ่ น, พนขึ้นมาได้เพิ่นกรสันเข่าพรามันผอมสิ้นที่แล้วสามตาว่า้อมน่นะนะตานี่มันกับขาดอาหารพอเพิ่นบสนสสนนน่สันดีซีชิันหดวันซีสิบ น, นันเก็บวันซีสิบเพิ่นก็ได้ช่างกันโรคหมาเจาะําด้วยเนี่ยน้งขบในอง งามกับว่ได้ฉันได้ส า, า, าไมันอา้อมก็ไปเกี่ยวายุ่ในกระบุกรูปโบกตาส่มันบ่าเมนนุ่นมาเป็นตาที่เสาีาเลยนะยัแมแม็กอยู่ในส่วนนี่ละเหนืดหอดกระดูกที่ข้อมูอเนี่ยมันเหี่ยวแห้งไปหมด นี่เจองแงหนังติดยุกกระดูกเห็นพ้องกระดูกมันนุ่นขึ้นจากหนั ง, นงเป็นแมงยังคนตายเลยกลางห่างนะมนหนังนี่หนังห่อไว้เพราะหินขนาดน่ะมันผอมนี่ละ่ะอย่างว่ามันควันไปถ้ำอกควันสัตว์ชลูบวัได้ท่างเห็ดช่างใจวัวได้ยังว่าสั่งยังไม่สารอาหารเพื่อเป็นเครื่องบารุงให้มันมีกําลัง นี่ละ่ะง่ายการที่ท่านท่ำจุกกะลิกิริยามกับผเห็นท่านกล่าวไว้ว่าท่านท่ำจะเดือนใดแต่ว่าพ่อหอดเดือนุกเท่นเพิ่นเห็นว่ากำลังสนพ่อที่ท่าความสัตย์สุจริดดท่าง่นเกไดรับความอธิษฐาน ในการที่เสี่ยงผาดท่อมของนงา่งพึ่ด่าผู้ใดทําความสัตย์ใดแต่เนี่ยน้อยวะท่านง่ายไปนีให้ได้หัวที่ถูกใจเสื้อผ้าสวยผ้มดีใคถูกใจแล้วไงได้ลูกผู้ชายก่อนแล้วแล้วจีบวงหวงมาที่สัตว์ไปบ้าบนไปอย่างนี้นั่นละก็ได้ได้ถูกใจลูกก็เลยลูกผู้ชายก่อน กระพอดี6บวันชิบซีคำวันทิบหาคำนั่นพระองค์กระจิตไปกัดสะดระลากระเพาดีวันทิบหาคำนั่นล่ะฮะเนี่ยนัง่งซึงจะไาจิตแดงเขาสมเขาหนุ่มเขามาสูปัญญาติตจิไปบวงสรวงผีไปเห็นพระองค์งอนอยู่ขมวแมนผีแล้ววันแรเป็นอันวักเขาไปโพอองกับซึ้นลุกขึ้น แล้วเอาผัดเขามาสูปญญาติไปถวายเพลินเพลินก็ได้รับถวายผัดถวายเส้นขาดบ๊อบแมนถาวายเก็เพี่ยงเขามาสูปัญญาติอย่างนั้นขาดบ๊อบแมนขาดท้องค่าขอคนนี้นี่ละคือวัดที่ชิดก้อนจั่วยังสีเด็กิดก้อนอ น, นี้ก็ น, น้อยบ่หูเขามาสูปัญญาตชิดเป็นก้อน แค่ น, นั้นเขามาสู้ประญาตินี้ก็ดีละสามจีบพูดกันว่ามันเขาตกแบกนี่ละเ็ดเป็นขุ่นก้่อดวันที่สิบก้อมนั่นที่ละอยากทีแมนบอมแมนการนิยมกันนี่การที่ว่า ศึกษาถ่ายถามกันก่นกอนแม่นเขาตกแตกหรือมันเขาเนื้อแดงนี่สิละมันเป็นเขางนมไปนเป็นผีนะ่ะนี่ละพองก็เลยสันมืดเดี๋ยวจะถาสันด้วยไก่แม่น้าสันก็ไปสสวยน้ำแล้วแล้วก็เลยอธิษฐานความสัตรูว่ากันหากว่าตัวข้าพเจ้าจะได้สัตรูข้าพเจ้า ใส่สัตว์ข้าองเราในานา้ำขออย่าให้จมให้ท่วนขึ้นไปข้างเนื้อน้ำแต่แล้ออกไปกลางแม่น้ำอย่าให้จมว่าอย่างนี้ท่านกระเชยงผลที่สุดเม่ไส้ล่างสัดว์ชมไสออกไปมันก็ไหลช้วนน้ำเสียอีหร่าผลที่สอกระไหลออกนอกไปหาดวันพระเจ้าคุกูชนโตกนูนาคัมโนกกะะัสโปคน ถาดท้องฝนจมก็จ้าไปจมเรหันก็เล็ไปลกไปซ้อนกันอยู่ในซ้อนกันอยู่ในถาดท้องของภุติเจ้าทั้งสามพระองค์เด็อ ด, ดรักสลูนรานอย่างนั้นทำกระไว้ใจว่าเราจะสาลูแ น, น่แน่เมื่อแรกพอถาดท้องเราเสียงกับเป็นไปสามเราเสียงเราอาัิจรรยอย่างนี้เนระ ก็พอดีตอนคำท่านเดินไปพันเห็นสุดที่พ้ามหากกรรมัดยี่ย่ามากเบี่ยงเลยที่มัดสิ็นแปดขันม้าพันเห็นพระ อ, องค์เดินไ ป, ปันถามว่าท่านจิตไมใสเนี่ยพระูดเพราะว่าจิต ไ, ไปจิตไปตั้รูในส่วนโพห่อย้างสั้นผู้ขาขก็อถวายมัด อยาก่าสั้นหาบมานี่ทั้งเหมือดถดหายสั้นเอาไปห้องนั่งงั้นสีละผงกระาบผลที่สุดสั้นเก่เาไปหอดผมสุนโภไปว่างลงแล้วอธิษฐานให้เป็นแทนบรรลั่งแกว้วก็เป็นเป็นขืนละคนกายที่สารเดียงความตัดสัลูกคนนี้ละทันทิเลยตัดสั่ลูกขอให้มัดอยากฆ่าเรากรองนี่เป็ น, นแทนบรรลั่งแก้วขืนมันก็เป็นขืนอ่กละ พันกับมันใจไว้ตรัสรู้เนี่ยนี่ยเหตุนั้นเมื่อท่านมันใจเล่าท่านก็ได้ได้อธิษฐานทับลงอีกว่าเรานั่งเหนือในแผ่นบรรลั่งแก้วเนี่ยกำยยกมาจัก่าเนี่ยคันถ่าเราไว้ตรัสรู้ถึงกระดูกและเลียกเนื้อ ของกายพระเจ้าแกะเหยียบแทงแล้วแกะแตกดับไปประกอ บ, บเจ้าบุกแกะยอ่อไปแตกขาดดับให้เหยียบแทงไปอยู่ในทีน่นี้ท่านในอธิษฐานทับลงยังสี่เด้วยพ ร, ระมดราปรัตรเมื่อแล้อธิษฐานแล้วท่านโบถอยว่าเป็นคั้มเยวเลยนี่ละผลก็เลยได้นั่งอยู่นั่นเกิดผลที่สุดว่าพรย่าวัสดีมาน มาจากสันสวัดปณิสวรสวตีสวรรค์ ส, สนันสูงที่หกนั่นเสียใจว่าสมณะโคดมเนี่ยพระพชิตาสจะได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วคนทั้งหลายก็ น, นับถือเรามาทั้งหมดทัานเสภาอุเสภาดาเดี๋ยวนี้ถ้าภชิตาสได้เป็นดุจเจ้ากสิเลิกจากความนับถือเรา ไปนับซื้อภาษีภาพเห็นนั่นเราวดจะไปขัดขวงางจะบวัยสิทธัสรุกล่าเล่ลงมาลกกวนลบ ก, ก็พระ อ, องเช่นกันละ่ะมีละเห็นนั่นพญาวาสวดีมาัา่นกับที่ว่าขันธมา่นกิเลสมานทเทวุตรมา น, มานอันเดียวกันละ่ะพญาวาสวดีกับเทบุตรอันเดียวกันนัน มันละแมนม่านอยู่ในเฮ้าหงสิล่ะมันบ่แมนม่านอยู่มาจากนดาวดินระาลนีมีเสวัสดีทา้งใดมันละแมนม่านทังหาอยู่ในเฮ้าเนี่ยมันลบกันกระโค์คือความนิดเนื่อยมันเกิดขึ้นอย่างว่ามันมีอาิตยสังกะละม่านมันนิดเน่อยมาวัดจะทนอยู่ไม่ไหวใจกับประวันขึ้นประวัต มันตะวันขึ้นไปถึงเรื่องจิตยับออกหยับขึ้นไปเสวยหล่อสัจสมบัติมันเป็นกิเลสม่านจิตม่านสัสสาลละเราเห็นทุกข์เห็นหลอดเอียงเป็นบุตรส้นก็ไดแล้วก็เลยเป็นกษัตริย์แล้วก็สุกข์จะทุกอยู่แล้วไปตัลลาถ้าท่านเป็นท่างกิเลสม่านเป็นท่านเสียอุตตม่มานเป็นท่างองาสุสังฆะมานจิตม่านสัลล า, าสารพัดทีนี้พูดถึงกัญชามานกับร่างกายเกลียววัก เป็นขันหลบป่ขันมากก็เป็นความเปรียบความไวขึ้นนั่นละความคัดเส็นเอ็นแข้งขาแอวหลังไปสารพัดขึ้นมากนั่นละคันนี้สุดทันกว่าจะเข้าถึงมัจจุมาคึอความตายเมื่อหากท่านตะรบถึงการที่ว่าจะเลิกวัต้องรการตัดสรูก รับขึ้นไปนเสวลาธมบูรนท่านพันละเลียบได้ว่าพรเราทุกอวัายาวะบริบุญณสร้างมนุษย์ทั้งหลายผลก็ ข, ขว่าเป็นผู้บริบุญบริบุรแล้วอย่างว่าเรือเหนือเมือก็ง่แค่กันน่อยใง้ยตั้งกันท่านั้นถึงฟาดินเลนิวกินก็อย่างนั้นแค่กันเที่ยงกันแล้วกับ ง่้ยน้อยตั้งกันเท่านั้นตลอดทุกสิ่งทุกอย่างก็ว่าเป็นมาพอบุญแล้ววุ้ไฟแจ้งให้ได้แล้วเราวสิไปทําบุญเอายังได้อีกเนี่ยให้มัไปทอดใส่จีกมันก็จิบเป็นได้สนิทแล้วผลก็ก็ทําบได้ว่าถ้าออกบวชจะได้เป็นาศาลาอีกถ้ายุ่งเนี่ยฆราวาสหล่ะึ่งมบัติจะได้เป็นพระเจ้าจั ก, กรพรรดิเขา้ากราบหญิงสิแล้วเขาจิไปถ้ำไปทิปท้งใส่อีกัน่ เห็นเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเลาก็เป็นมามาสมักกับผู้บริบุญด้วยลักษณะทั้งสี่ละแล้วก็ไปเห็นปุณธุกนี่แดี๋วจไปเป็นยังก็รอน<ม>ข้าทันะระลึกถึงบุญนั่นละแลิกก็เรียกว่าเป็ น, นะระลึกถึงล่างหน่อยท่านี้ยังว่าท่านี้เท่านี้แปลว่าแท่นดีหน่อยเป็นดินใหญ่ผลที่สุดเลยแมน ยาดน้ำละแม่น้้ำใจเพิ่นที่จะน่าถึงวัฒนาเพิ่นในสางมากเพินเ่นเป็นผู้บริยุนโดยบุญสังสัวเพิ่นหาเพิ่นปึื้มใจความเ น, น็ดเนยซะบวงเล็กหายไปยังน่าหน่อยสะและนี่มาหีบนาให้นากสวมวิคน์หมอเนื้อท่าเนี่ยวัตรดีมากมั่นละว่าแม่นแขงสั้นให้เนี่นละแม่นน้ำใจเพนหันแม่ถวมผวกขันสาม่านกิเลสสม่าน เบุตฐมาอาิสังคลาลมานมาจุมานมาถวมอันเนี่ยใหญเปินๆใจในวัสนาเพิ่นเย่ยก็เลยเป็นเพิ่มความจริงให้จะได้ตัดวลูกของเปิ่นให้เกิดขึ้นล่เพราะเปิ่นจิงเลยสัตว์กนีล่ล่ะนอกากนั้นเปิ่นกระจ้าได้ตั้งสติไว้กับช่านจมูกดูลมมันใ้เขาแล้วออกให้ลูกยักกว่านี่เขานี่ออกเพาให้จิตเนจิตไปใส่เนี่ย ิัต ส, สรู้ผลแก่ใหเจสาละล่าระบายแก่ให้คิดละเป็นลาดฝาดิจารณหรือเหตุแห่งเวลัปฏิท้องการแจความสัดวสรูกวดาทา้งสิดธิดสัตสรูสิก้าวทาง้งวิปัสนาหย่งไถในงานเลียนใจนั่นกับเหตดแ่แล้วฟสาง ม, มั่นอาลารและสิได้จัตว์สรู้เชไหนมันก็น ไ, ไปทางหมื่นนมดอยู่แล้ว อ, อันตรกัลเลนโอนทาธาเิ้นเนี่ มืดมอโลงสากาัดด้วยสันมันมืดมาแต่จังไงมันก็มืดอดูยังสันแ ล, และดีปังนัเกเวสถาปทจจีไปว่าแสงเที่ยงหรือเสียงเดืนเสียง ด, งยงดาวกันสว่างผัดบริเวณไปสละหันเนี่ยผัดไปแค่ข้างมืดดีคลิปเห็มันเป็นข้างมีปัสนาขึ้นมาหัมันหัวจักทุกเฮย ทุกบาทมันคิดกับสมุห์เฮ็ดแค่แล้วแน่หลวงาัดใมันดีสะพืดยืองสันเดี๋ยวมกักระชีเอาอย่างละเนี่ยเห้มันเต็มเลยสว่างขึ้นเลยไปที่ฝังขึ้นมาไอไมันกระบอกสว่างแค่เสียแล้วมันก็กะ ม, กมือยืองสระนละ่นละเหตุนั่นเมื่อพระองค์เลยตั้งใจพิจารณาถึงกาตนาถึงท่านทำก็เลยเป็นทั้งผู้สนอยู่แล้ว อ, อ่าภาวนาท่านกระพริบใจ ผลที่สุดคิดท่านก็เลยร่วมได้พอไมาเห็นลมหายแก่ขอออกมันสันว่าชีวิตแข็งลมพันแก่ขอตัวนี้ว่าแม่เด็อยู่กับมือกสวรรค์ยังสิลลูกและคนกล่าวกันอยู่มืดจางโลกว่าเด็กตอนนั้นกีตุนิสีมันไปเลี้ยงพระคิดประยันนั่นแหะมันว่าแม่เลี้ยงของชีวิตเลี้ยงของทีมันมาอยู่ยังท่นมาอยู่กับลมพันแก่ขอตัวนี้เมื่อมันหยุดเวลามันเข่ากับแปลว่าตายตอนนั้น เมอมันหยุดเวลามันออกกระตายเทานั้นผมมีหลังกว่าได้ท่านเห็นอย่างนี้ท่านเลยฉลาดไงนเนี่ยกียกว่ากนาอี้เนี่ยเห็นตัวนิจจังด้วยทั้งทั้งเห็นมาละนั่งด้วยเดยวเรียกว่าเราทุกข์กษัตริย์ทั้งเดีทุกขานิจจังเห็นทุกเห็นนนิจจังด้วยเดียเนี่ย เพนก็บบอมี่คิดไปจัดชะลูกอยู่บ้านเอื้นจัดชะลูกอยู่กับอนีตจข่งทุกขางาญานนั่นเหลยวนี่นอนนอนเพิ่นก็เลยว่างใจมันว่างจากอยู่รมหันใจอยู่ที่ขั้นเมูกันเข่าไปไงมันก็เข่าไปถึงเงาของกิเรดเด้วเด้ฮะเนี่ยก็ไผ่คิดไผ่เบาใจคิดมันบ๊อมี่เด้อยังกล่าวมาแล้วน่ะ มันก็มีแใจใจคิดอยู่นะ่ะมันก็เข้าไปถึงนี่เมื่อเขาไปถึงเงพิน่นว่าได้เก้าถึงความคิดเพิ่นเก้าวถึงความเกิดแล้วค่อยเกิดมาได้ชาหลังหรือเรียกว่าความเพินป่ราเช่นนี้เรียกว่าเป็นอธิสังสนนัญญาเพราะเร่รู้ได้ว่าค่อยเกิด่แม่จิตมัเกมเกิดเป็นคนเจีเ๊ยบอยูนี่เกิดชาพัดเป็นหอดสัดเป็นหอดนอน ไปติวจิตตัเด่นตนกรยิงย่งในความสลดสังเวชก็ดีเรี่องกรรมมันผ่าไปนานๆคนก็เลยที่จะน่าดูเรื่องอจิตสังสัยานคือความเกิดของบุคคลหลืสัตว์มันก็เสมอกันมันเป็นพ อ, อนเลยตนก็เห็นว่าพอกรรมมีเวลานี่นก็ยิ่งในความสลดสังเวชในความคิดมันคิดไม่เป็นกรรมอยู่ น, นมันกระยิ่ง เอาความรูปของความเป็นเห็นมันเป็นพอกำมันเป็นตัวอันนี้อย่างนด้อน่ะมันเป็นตัวฟุกอยู่นั่นแหละซับหัวมันล่องเฉลเพิคนกระไดขนาดมันล่องเฉลี่ยเพราะเพิ่นให้ชื่อเพิ่นว่าเพิ่นบอได้ว่าเป็นคข้นทักดุใช่เดียวเนี่ยเพิ่นว่ามนุษย์มหาบุรุษอาชไนอาชไนแปลวอามาาก่เพิ่นเพิ่นเน่ะเพิ่นว่าเป็นตัวม้าอยู่แล้วม้า มันจะเึก่ัดยากกต่มันสู่ไม่แสบว่าได้หรอกสู่ประตักษ์่ได้ไม่แสบฟาดมันลงประตักแท่งมันลงหลุดเจ็บหลุดดีเลมาซาละมันในยากเมื่อเฟื่ัดได้เร็วดีกามาทั้งหลายนี่เพราะมาดีมันจงเป็นของพัดยากทั้งสลระถ้ามันมาพอดีหอกมันหัดง่าย่ะอันนี้ไก่เล้ากระคือกันนั่นแล้ว เราบอกมันเป็นมากของเล่าอยู่แล้วเราทรมานได้ก็จริงนี่งานเนียงดีของเราขึ้นมากนั่นแหละเนี่ยนี่เราหอกไปเห็นทรมานนีเจ้ปล่อยให้หมันทรมานโฉมเห็มันจับเจ้าหัวโสหรือว่าไปเอาโฉลูกไปจับหนัวมันเจีเ๊ยบหรือว่าเจ้าเจาตุกคิดดีว่าเจ้าตมันแมน คิดไปใส่เราอะแมนไปเอาโลดเราโลดพอมานถึงมันอยู่แล้วว่า the มันแมนมันคิดไปใส่อะเนี่ยเหลนไหถึงเจ้าแมนมันก็แมนทั้งสองพาแมนทั้งดีแมนทั้งชัวนี่แต่มันคิดไปทังชั่วก่อนแมนทั้งชัวมันคิดไปทั้งดีก่อแมนทั้งดีเราเป็นที่เป็นสี่หรือว่ามันตัวเป็นดีดีเป็นชัวก็ได้หรือว่าอะไรก็ได้เนี่ย เหตุนี่หนมันดีแล้วเขาบอเลย่เห็ุดีโดยเฉพาะขันเราวาสุอาใส่ยังกาวแล้วเอาก็ดีที่มากลยวาุ่ส่วนได้ดีเหนั้นยังลวงข้าจะไงก็ดีพันกับกาวยังสั่นคนมันมหอนคือได้ดีเงินของดีหอกสเวีงยั่งดูได้ยดยงั่งดูเยของชกกระปกเพื่ออาหารกินเขาไปมันชกระปกไายไปจงเห็นน้ํามันจาด ของกระจของชายออกไปเห็นของจกจของชายไปสาไปแจกเียมันกระยุงจะตัวสีเพรองี์เดี๋ยวชมาบอยากได้เจ็บของตัวชมาเห็นตั้งแต่ห้ามาเห็นได้มันซัวซัวแจ้งเคล่นเหรอรู้ไก็เพราะมันซัวแนวรักษาพุทธละการพ่อปลูกก็อย่างนั้นไขาหาทำให้ทหนมาไขบ่าาหาทำใสหลังสัน น้นสันโขกดอกมันว่ามันของโจ๊กกระโปกมารวกท่านเซวันมันลลกเมื่อหากไขจแกะปวดท้ายปวดยังไม่สันโขกที่คางกระีมันเกือบเหง้าขนโจ๊กมันกระไรลงมาบอมันตั้มหันเหวมันไม่พอกอยู่างหลาไปปลูกเขาเซก็เลยง่ามเลยนอกจกนั้นถึงว่าปลูกผักปลูกเมฆกับมันบ่มีผุ้ยอันโจ๊กกระโปกก็บแปลวของไก่หรือของ ค้อเหียงเสด็กไปใส่สมกับเรื่องงามเสดล้วม่ได้สกระปงไปพูดจพงสี่เม่ละเหตุนั้นเล่ารถบ่ให้ยว่ามันชกกระโปงจักเชียใจอ่ะบ่ให้ว่ามันมันถูกว้อร่อนเนีว่ามันเป็นตัวร่อนจ๊คเชียว่ามันเป็นผู้สัตว์ของมันจ๊คเชียร์รถแต่ว่ามันดีแต่พืชเราเห็นไหนเราเอาดีเสียมันเหมาเฉลี่ยแล้วจนเผาก็มนี่จนทนเผาก็มีได้ดีแังไหนดิ่ง ปันหากวามันได้ดีจังที่เขาเทปหน้าก็ต้องไปเห็นสถานโขกซะเสียแล้วเราะต้องไปเทปบนมันตาบนมันจวกกับปกหลร่วมมันเียดมันเหรจังที่เหหลหมันงามเบิงันเนี่ยเขาไปเห็นสถันโกกเห็นอย่งเช่วาน้างสื่นันหน้าจีนบ้านนี่แห้งงามกันเดีวแห้งงามหลายกว่านั่นทางบ้านมันเดีวมันจกกกออกจากบ้านไปร่วงมันไหลไปล่วงเน่ย อันนี้มันกังซี่แล้าเอาชกกระโกหลักสอนมันน่ะเอาพุกเอาร่อนเขามันเขาไปหันล่ะให้มันละลายไปหุ่นอ่ะมันสี่ละลายโดยพร้อมเราเพ่งทุกเทงร่อนใส่มันน่ะมันทีละลายแต่มันละลายซะเพิ่งยังจักบุเบียไปมันก็จำเข่าแต่ความตำเข่ากระเดียงหรือกระม่องหายเได้ว่าที่เอาเขาหรอก นี่แห้งสเสียดเบียบหาคกควาดลุมเต็มแห้งตึมตึมตึมสักลั่นลุมเมื่อหาควาดมันแหลกไปฟัดเอามันห ล, มลนบมุนเต่งเดือมบมันซื้อช่วยเม็ดมันแผ่นบ่มมุนแตกหลายไล่ควดเรียกเก็บมันออกจะแล้วกสร็เอาเขา่ามันมุนนั่นเพราะมันเป็นเม็ดทอยู่นั่นเนี่ย เมื่อว่า้องการมันทางใเห็นสัญยอณของดีขันธีว่าสร้องการจะให้มันดีบ๊อบจ้องจับให้มันมุนใะแล้วหลุกกินเขาช่เบือเขาใช่ที่กินกล้องไปไม่แห้งเลยนี่เพพูดได้หนี่กระล้องควาใจให้พูดมันก็เป็นโรคตอนเร็วเพราะเบือเขามันค่าอยู่น่ะมันก็ทาให้เป็นว่านรคเรืยังขึ้นนอกเหนือมันเก็อยู่ในร่างสัต โหนกุ้งซีเห็นในเจ้งว่าเมื่อจำยัง่าตองการมันหกักใดหรอกของดีมันอยู่ไหนครับผลอิศุระใดข่าสารยังออกข่าสารไปกิ น, นเนยังขอยมีกำลังพูดจุงซีเป็นกติของพูกลูกศิษย์ลูกหาเด่นนัความสันมาพูดเพราะใดกติจับท่านอย่งสี่มัดซรละม่านตัวของให้ดีมาได้ลารานี่นี่ลนะ เหตุงานยังว่าเล่ายาไปว่ามันดียาชีไปหวงมันไวเหตุเนี้ยมันจิมูนมันมุนลงไปสอบมันมมยังเช็จมันสืกดอกใจเนี่ยเห็นยังว่าไฟเฮ้าจกงซีเมื่อไฟ้มันลุกถึงแล้วสี่เพ่นไปไวเปลวไฟบดมันลุกไห่ไฟมาม่าม่มันกระบมมันกระบุกจักงอนบกเห่อนไฟสืมัน มันกากูอยู่ในหันนีเรียวไฟกลางมันละมันว่าเห็นไฟมันจืมันว่าพังพังเห็นมันงี้คือได้แก่ที่อหลุดซื้ออยู่ถ่ายเยนเอาเพ่งออกไปในท่านมันฝุ่นเขมรไหัฮเนี่ยเ่าแม่เราเปวมันมันกระซือซืออยู่เว้นไฟท่านพรอนแดงๆเนื้อนหม่มันได้เหตเนี่ยเราเสียดังไงว่าลงไปเห็นมันว่าเห็นมันมุนยมอ้ไร มันสิตายฝุ่นมันบอสือมันจะเกลี่ยเลยมันบอสตายเลยมีอย่งบ่อพ่อเท่านั้นเองวาและวาลงไปบบเหตว่าโผล่ว่าพาว่าฝุ่นมันบอสือมันจะเกลี่ยนั่าแะเพราะมันละเอียดเห็นไหนเม็ดเจ้ามันติดเกรี่ยมันติดเขาขึ้นยังเข้าจเขายังวาเลยนี่ยเม็ดจังแจาะิตเม็ดเขาเยอะได้เปลือกมันติเป็นข้าวสารขินมาขนาดนั่นแหละ มันโบเห็นมีดเข่ามูนยังว่าตำแห้งแห้งให้ ม, น, มนูุนนะดอกมันบโบมึมันบโห ม, มุน ม, ม, มุนมมมเจ็บเก็บอันนี้เทือกันนั่นละเหตุลงไปมันหักเบิดลใจกี่เด็นั่นละตัวมันมันโบสึกมาแล้วเนี่ยมันมีดใจเกี่ยงมีดจังจะสว่างขึ้นมากเท่าไหร่มีดใจใสสุนมากเนี่ยนี่ลเหตบ น, นั่นเมื่อหากว่า แล้วมาตั้งใจพี่จะหน้ายังอธิบายอยู่นี่หลังนั้นยังราผู้ฟอกเพรใจตัวเข้มสลุ่ยมั่นใดขันพ่อสันก็เลยไปว่าอันนี้จังมรสาทรงเดชไปหาแสงแสงบีมิตหาแสงแสงยังรวมวบืเห็นถือมั่นแค่เตียงน่นเดียวพอมั่นได้เป็นผู้ว่ามักก็เลยว่าไปเชจีนอื่นเราบัดมั่นเราเป็นอันนี้จังอมรสาอยู่บนบนมือแค่เสียเรไปว่าจุ สวยๆอันุงอันสูงๆเจสเสียทรงยู่นังสั้นเหลี่ยเนี่ยแล้วเพว่าตัวนี้จเล่ย์มปัสสาอันนี้แงอาสาพออีก่ะอ้บอจักวาใช้หยั <ch> ่งหรือถ so ือหยั่งหรือวาอันนี้แขงเลยจ้ามาถูกหยังละให้มันอันหยังไสให้มันอันยังเกียมมันลอเห็นเนี่ยเกี่ยมเจเสียพราะมันพอถือเด้่ได้ให้มันเกี่ยมได้วาลุล่อมทงทงไปยังสันเนี่ย ก็บอกได้ว่าพู้ซาม่านตัวเหลกจังสันเพราะตัวว่าว่เห็นมันเข่าไปหาตัวเนี่ยเนี่ยละเมื่อหากเราทําให้มันเปือกคือว่ากิเลสมันหลุดออกเรามันยังเข่าสิดถึงมันได้ยังสีว่าใช้ยังสีสืีมันมันจังคอยสีใสขึ้นมาได้นี่มันเป็นงสีให้เนี่ยนอกมันยังกิบดสับจิตกิขันบกเพนขัดกลับยังได้อธิบายมือเศร้า ว่าชันกลับขึ้นอ่ะการชั่นกลับก็ได้อธิบายอยู่แล้วยังหมดขึ้นอีกต่ดไอธิบายว่าต้องเพ่งความบูให้เห็นแสงมันให้เห็นความกลางลู่นะคับมั น, นมันไปจดกับความเห็นอยู่ทั้งรอบความเห็นทั้ทงรอบระยะสิบอยากว่ามให้มันหายให้มันอยู่หาละเพื่อจะเอาแสงตัวลู่เดี๋ยวเราฟองเรามีอยู่นั่นไปเบิงมันให้มันจดอยู่หัน เมื่อเห็นแสงมันไปจดจังนั่นแสงขึ้นบอมนี่บอมมาจังที่กับขึ้นบตือเดี๋ยไปยกหาเอาคิดหาคนหาเอาหลุดไว้บตือแจ๊กเสียแต่จะกของเป่าห่าของที่มันเป็นอยู่หันน่ะสิคิดว่ามันเห็นแล้วจังไดมันสร้างบ่หรือมันมั่วบ่เลไปสืบจากของมั่วมั่วหรือสืบจากของสร้างอันมันว่ามันคิดอยู่หันแล้วบัดผู้คิดผู้เห็นสิ่งเ็บ่ เขาจุแจ็เก็อยู่หัวหลัเพอดจ้งใสขันน้นแสงแจ้งสีเวจาดได้มันเกดอยู่กับสิงี่มันเห็นอยู่ทางรอกมันสว่างหรือมัวหรือมืดเออมีแสงความรูกกูสว่างได้ไหมมันแจังใสเห็นอยน่เอากูจีแสงเบื้องให้มันค่ะรับถ้าไม่เห็นแสงกูจีน้าขึ้นมาหาลูกลูบมันเป็นปุ๊บยุดจ่อเบื้องอยู่เนี่ยเมื่อกูน้าแสงมาบมานมันถือมันหัดสิรูกหรอก มันก็พ่นผู้คิดไม่คิดไฟใส่กระบอกเมื่อมันถูกเรามัน่นรูกบอกดอกบอกว่าถูกเราบอเพราะจังว่าอันนี้ของมันออกจากมั่นขึ้นหามันถือมั่นมันก็ระู่สนั่นละกระแลไยนั่งขึ้นมาหมูจักก็มาห่างออกจากมืดหรือมั่วหรือสวามเป็นระยะน้อยหรือมากก็ไฟถอยขึ้นมาไฟถอยขึ้นมาอยู่ฮันละ่ะ อมันเห็นวันจีบมันคอยห้างจากสิ้งที่รายมันบปเห็นอยู่นหนึ่งขึ้นมายืนสังอ่ะเนี่ยมันก็ถือดินเดือดความานํากัแสงเนี่ยแสงมันออกจากมันเน่ยมันก็ถือมันดินเดื่ดฟิวู์นี่แหละกันถือฟิวว์เลยจะไปว่ามุนี่ใส่มันแทงไงมันมากเหมือนล้วอานาจานิจังมันอยู่กับผุดอยู่กับสิ้งมันเห็นอยู่บัดตัวมันมามีแล้วอานิจัง ไม่แช่ตัวจริงเนื้องสันตัวจังตัวจริงนื้องสันไม่แช่ตัวอัตตาตัวตัวตนเนื้องสันเพถูกบุญญาณาตาอยู่ในมันแล้วพอมัดเขามัดมันแล้วมีแต่มันขีมีอยู่แต่สัดหลังฮะเนี่ยมันติดมันมากนั่นล่ะมันก็ะสิพ่อขึ้นดังร้องพ่อจะเนี่ยมันเป็นควากับมันถึงปานนี้เดาเมันยังเขาตื๊ดแห่เขาตึกกันเพราะแห้งเรา ความมันเหมิดเราอยากดูว่าเหมดหรือว่่เหมิดต้องเอาแฮชขึ้นสอบยืนเรื่องในริมฟังมันเบิ้มขันมันมาเหมดมันกระบ่อนหนูว่านคว่บ้อปลาบ้อนหรือสื่อรวบบัดวางที่แต่ทีว่านชุ่มไปไม่พอสื่อหรอกมันหลบนี่กระซิบยังเลือดทิจนาชุ่มไปมันพอสื่อหรวบัดนี้เห็นมานพอขึ้นกับั้งสามมันเข้าไปเบิ้มมันหลบ รูปเปียบอีกหนึ่งท่านเปียบนั่นก็ว่าน้ําปากขันพรเห็นวันหูบน้ามันเข้าไปแล้วก็บน้ามันค่าอยู่หันมันหักฆ่ายูหันก็บพรเห็นน้ำเราว่เห็นน้ํามันก็ปวดเพเทาขันหูจักว่ามันตัดเห็นหัวน้ําแล้วกันเบอบ่งออกถึงจะเก็บกโคตออกผลยิ่งสุดเมื่อน้ําันออกได้มันก็หายเก็บเก็บหลายมันก็เลิ่มค่ยหายไปตามไปหมด เก็บหน่อยหายไปหมดเพราะมันเอาตัวทับในเก็บขึ้นน้าออกได้อันนี้ชันใดเรานั่มมันเข้าไปนั่นไก่ช่งสั้นล่ะหัวมันโพคิดขึ้นมาเดียวว่ามันโพกยังก็ฝ่าบ่อนนั่มเข้าไปโหลดเนี่ยเหืวนั่าเข้าไปจะถือมาโหลดเหมือนกับนั่มเห็นว่าน้านั่มเข้าไปเอามันออกผลนี่ชุดก็แกออกไรแก่ไรถอนนักไรมันสิ่งีหลายเสน่ ไฟหัวหนามันติดอยู่นในมันไฟหัวพรอหูกมันติดอยู่นในมันหลายประไดนางกระแสนอกในหมดผลที่เสื่อมันเป็นอำนาจแท้ถ้ำคือมาสลายเพราะตายแค่นตัวตายหมดเลยนนี่ย่ะท่ า, านสอ น, น, ทนทไว้เป็นแนวทางเห็นไหมกัเจ้าแ ม, ม่อมาสอนมูหอีบบัดนี้ เอาหมูอยากดีแตเหต็ดม้งบออยากดีกตบอเห็ดธรรมนาเห็นนั่นเมื่อหากก็เห็ดความรูข อ, ของตัวมันกับสารพัสาราของพมี่ามีม่มรสนารยางสนเทศสนาไว้ตุอนอุเทศจิริยกรออาอิตังนานวากามยะนาปฏิกรรเทนา ก, ก็ตัง นี่ราติสัมปะหินันตังอปิใจเจาลากะก็ตังปัจจุันังเกี้ยวสมังอธิสังน่านวะก า, ามายะอธิสังแต่วงแล้วความรู้แล้วเรืรู้โยว่าของที่ลวงมาแล้วยังมัวว่านี่ลึกเมืความลึกเลี่ยนหลังคุณว่ามันมีอยู่ว่าตัวได้รู้มากตัวได้เห็นมาก เราว่ามันมีอยู่ผุ่นอยู่แล้วไงหรอว่าคิดไปหามันมีอะไรจะเคลียร์ผมทีสุดันบอกว่ายาราตีปดำไปนีนั่นสงมันมีดรออันของเรเราเห็นมาแล้วสนใจว่าวานี่หรือมือคว้านนู่นเดือนหลังสีหลังฝุ่นมันมีอยู่ฝุ่นมันมีเช่อที่มันมีคนปูนึงก อ, อเล่านะั่นแหะ ไปยู่วันเห็นมาแล้วนั่นอยู่ฝุดนี่อยู่นานนั้นจิ้นที่เราเห็นมาแล้วกับนี่อยู่ย่างละวาระมันนี่อยู่แล้วก็มันเป็นทั้งสัน่นแถม ม, มันบมีนอกมันอันากระตังว่าเบียกหนานี่เอาเรากอเบียกหนานี่นี่เจ้ว่าสิไปนี่เป็นเจ้ว่าสิถ้ามีเจ้าว่า ่มันได้มันเห็นขืนสารพัดกันเบยงนาทำตัวมันม่มนี่อีกแล้วเพราะเนาที่จเป็นนะจังอพัดจาน่กะตังอนน i าก a ะตังก็บนนี่ว่าชีวมีมันม i ่มนี่อพัดจำจาน่ากะตังมันม่มนี่หอกอยู่เบงนานี้ส่วนที่ว่ามันมีอยู่มันมีอยู่ในปัจจุบันพาว่าปัจจุบันังจะย่ทำมัง ตาตาไทยปัสสีปัจจุบปนั่งมันมี่ยุทธพ่อใหญ่ตัวคิดยุสระเหลวเพราะเห็นกระนันใจนี่เห็นมาใจเบียงหลังพอดีมันก็เลยมายุ่ในปัจจุบันนี้แล้วมันว่ามี่เหลวขี้ปมี่ใหนึงรู้อยู่ขุนหรือว่าจริงีแล้วว่าเป็นของนอกจากเราแล้วว่าเราเห็นเรารู้อยู่ขุนวมันนี่ มันกะจีนีอยู่กับแม่เหรอแต่่าหากว่ามันหากว่ามีพอความรู้ละวาวอาซิว่ามี่แค่กิงคนามรู้ว่าวามันกะบอมันเมนนี่อย่างว่ามันก่อเบเรนใหม่แล้วมันคดว่าเมนสัดมันม้อยวาแล้วหรือขากว่ามันวาจีไปถามหัต่ออยู่ในปัจจุบันไหนมันสอบกลว่ามันเมนต่อหรือจีไปถามคดละ สัตสิงวอกควายไปถามเบิงให้มันมามึงแมนควายสิถามเมึงมันสะตอบว่ามันแมนบอสนอนมันจีไปถามขาถามหูถามเขาถามหล่นถามตัวมันถามคนนั้นนนถามมันก็ให้มันตอบว่ามันแมนขนแมนขาแมนหูแมนเขาแมนหล่นมันบอมีมิตรกี่เท่ากันก็เราจะถามตัวเล่าถามเมื่อให้มันตอบเพราว่ามึงไม่เมื่อยสิถามเบิงมันจิตอบว่ามันแมนบอ มันก็มีทีทั้งหมดที่สามแขงสามขาสามขนามวันเอ๊ก็คือเขาสามเหอาําหนังโบ้ยมอนที่สองนิดเพราะมันว่ามันของู้มันตอบเพเป็นมันเป็นถาดดีๆเห็นมันนี่เจ๊เก่ตัวเราว่ามันนี่ว่ามันแมนเนี่ยแต่เชว่ามันใป่กอ่องหันเหล่ามันลุกเห็นว่าขาต็วเยู่หนึ่งตัวขอกระติดขาบอลมันทิ่เข่า มันเศร้าว่าขาขานเดียวก็บอว่ามันเค็ดหัวมันมันขัดมันของหัวมันม้วเนีมันไปของบัวมันอื่นม้วนยงมาของมันสับละมันละลักคิดขึ้นของขัดหัวมันโอ้โหเล่าหลุดว่าให้มันแมนคองหอมมันแมนอี่หลีเนี่ยมันบม่แมนมันโอกว่าบแมนเนี่ยเห็นละว่ามันบ่แมนนั่นน่ะมันแหงบ่บ่ซึกกัแหงบ่แมนวิหลีนแหละ ขันวายังคี่ถือมันแท้ๆแมนมันอี๋ๆเสร็จนีเห็นยังเข้าไปทั้งหมูทั้งสาให้มันเห็นว่ามันเข้าไปหามันไปขัดหัวมันไปขอกหัวมันบเหนนี่ไปคิดหัวมันโบเห็นนี่มันรลุดขึ้นกในมันจิตมันน่ะเนี่ยกบวาให้มันถืมันังคมันกะว่าเศ้าจักเตียนนั่นละแล้วก็โบได้ความรู้วิปัสสนาถึงมาจักเตียนนั่นละ ตวสุกตัวอันนี้จำตัวนักดาหรือว่าี่จิตสว่างึ้นในความดุจเจียนนาละเมื่อคืออยหละเนี่ยเห็นไหมจำว่ามันว่าข้อไหนเอาตัวหนังสือตัวมันว่านะละมันเป็นรูบายคลิปหาเรียมหนังสือั้งทีล่ะบอต้องยากเรื่องรูปใเนี่ยแล้วก็เป็นข้อพวนาด้วยขันอันไหนมันท่านเตัวอะไรสบายใจ ี่แกนาายุสันเรี่ยไปคิดมือเดือนนึงก็หัวมันจนว่ามันสบายเรื่อยไปยุสั้นหรือหากว่ามันสบายเรื่อยไปจนถึงสายเกิดเหตุเอาวนั่นแหะมาพี่แกหน้าให้มันสบายเรืยไปแขนทางมันจืดแล้วมันคายเออมัดคิดไปเฮ้ยคิดเอาล้วมัดคิดนะล่ะตัวน้ำสือตัวละลาคิดอีกเอาอีกไปอีกรูไปอีกรัวนี้แล้วรวนันไปอีกความรู้แล้ว่แมนยัง ข้อมูอันกลมกลอมหรือหน่อยๆย่างสีมันบูดแจกรามเชลวันมันลูกไปหลายเรียมหลายท่างเฉลเลยฮะเนี่ยเนี่ยกระพาะปั่นกันกระพว้บอะไรหนังสือไปเลี่ยนหนังสือพไระพุ้บอะไรแปลหนังสือไปเลี่ยนแปลห น, น, นังสืออะไรยะเนี่ยหลบแปลไปอะไรเฉียวันเนี่ย แ, แต่ว่าปั่นไปเลยคิดไปเลยหลายยางหลายประการเท่านี้เนี่ย ตัวหนังสือมันบกเกิดจนสัวหนังสือจีนดอกส่วหนังสือไสะเห็นนั่นยังพระ อ, องค์สั้งก้าวว่าตัวของบุคคลมีอาการ32แต่ว่าหากเราทำ ม, มาไหนได้มากมายเต็มบัดเต็มเมืองนั่นจะอาการ32นี่แหละไปทาให้มัน ไดมันติดติดมากห ล, ลายหลายน่ะนะเราก็อยากได้อัคละยังสันเวยอยากได้อัคะหน่อยเพื่อให้มันได้ประโยชน์ออกมาใครที่ทำได้ลูกชิดเล่าคนรังสี่ามาหาสังกัใจเพิ่นแล้วไปที่แก่นหน้าพอคนแตกสันอัถาสิสันติธาเพิ่นนเหตดเพิ่นกระไรจำอาการสามที่สองลมว่าถ้ามาสามที่สองตวก เห็นั้นครัมาตัวไทยปรวมาณี่สิบก้อนนั่นแม่ปแปลงออกไปเพื่อให้เป็นว่าเลียงง่ายพอาะเพื่ธทรมัสับซ้อนอย่ายุ่นยังเชล่ อ, ลอยาว่าสับพะายัางเชม่มันมีดอกตัวข้อสองตัวตัวข้อตัวเดียวหอยตีนพ่อลุง อาปีดมันเป็นอ <mat> ีกตัวหนึ <Saul and Ronald> ่งรือ <Italia> ว <and cheese> ่าสัพพเอาว่าชิดตัวพ่อตัวเดียว่ะยังว่าทั้งหลายนี่ก็ดีเพรมีดอกเห็ดตัวหอเแล้วตัวไส้สะอาดตัวยอดใส่นี่เพราะมีเห็ดตัวพ่อทหารนี่ละล่งแล้วเห็ดยังอันตัวลาชิงขิงท่าขาง ไปทั้งหมามันสราเทย์สนันละเห็ดไม่พัดเท้์สนหลจัจไม่พัดนั่นล่ะเป็นโจโ จ, จยอว่าช่างหลายเ ล, ย, ลยิ้งีละ่ะมัดซ้กันย้งซีล่ะนี้เมื่อหาปลาที่เห็ดตัวไทยเลื่อนกันมันนี่เรายังสั่นเรากับมันจะเลื่อนยากยังไม่เห็ดตัวข้อสองโไปจังีละ่ะมันหลายคือฝ่ายมันาย เห็นนั่นยังว่าพวกอบาตัวไส้มันเป็นเจ็ดตัวคออมันคออกระสองข้อสามุด3สามกับสองก็เป็นหาเลยกออิเป็นหกเจ็ดก็พ่อเขาอีกไม่เป็นยังี่บาดตัวทัาบอตอนเนี้ยหาเท่านั้นนี่เจ้าอก็ขอตัวเดียวคือขอใครสักหละขอขวดต่วนี้ ข้อก็มีเจ้าข้ออันควายกับข้อละฆังเท่านั้ก็ก็ขอเป็นสองแล้วข้อก็มนี่สองเป็นจีแล้วงอกเท่านัน้จนจอหาเท่านั้น่มีพบเจ็ดถึงจอจอกับหาเท่านัน้นก็สร้างตัดออกมันหกจ อ, นจอหก รัดออกซ่าซ่าซ่าไปย่างหาเนี่ยอันนี้ละตอนเนี่ยหาตอนจอบกระหาตอนจอบกระหาก็เส็นสิบตอนดรอสองดอกรหาทานั่นรัดอัฟต่ออะดรอเอาตัวข้าวมาใส่แท่งมาตํนจรอกระหกทั้งสองดรทั้งสองขวกทีนี้มาตัดออกตัวนึงมันไปย่างหา นี่ม hmm. mm ันก็หาที๒๐นี่อันนี้ตอนบอนี่เกิกันออกพัตตวอกจ้าสัดตกพัตตบพ่อจ้าเนี่ยมันกับพรรษกับตังซีจังสามปุนเพชรเลมันก็เลยนี่ตอนหาอีละเนี่ยมันก็เลยยี่หิบหาตอนหยอจัง เขากันมากับเป็นสามิอออาาสองนี่อันนี้จัมีสามทิศสามตัดอ่าตัดองออ น, น, นี่กบกุบอกหัวบ่อสะข้อตัดออกเอาไว้เเสือเนี่ยตัดออกด้วกันมอีในตัวท่า ม, ม้ีแล้วเนี่ยหมันเป็นเสือก็เลยร่อร่วม ก, กันเป็นสามิสองเขากับอคัคระ เอ่อส่งกัะถัดของบุกคนถัดน้ำชิดสองถัดดินมีศีรร่วมกันเป็นสามชิดสองตัวทัานของพัดนหาซักระจายเพื่นแจ้งกร3สาม่ิดสองพนันสามชิดสามกับอ่งเอาอังไปเป็นสรัเป็นแปดสลักสะอาสลัอีเซลอุบิชิเซลอุเซลอเป็นหก สระเอสระโอเป็นแปดบ่มีสระเอีสีล่ล่ะแต่บ่มีสระอันรซคือสระอูสระอบีบ่มีเป็นสี่ีล่ะสระไทยมีสระไทยนียนละ่ะอัน สระกับอักขระสาระมันเกิดก่อนเลบังคับสระอันอักขระดอักขระออักขระมันเอาสระไปใช้กวาดเอาใช้สขขอกวาดาเสหลวบอว่าขอเสหลบทิงี่ล่ะเอาท่งยังลงไปตมเรื่องของสระมันบังคับได้ทิงที่เหตุนี้ที่ว่าสระบังคับนี้มันมันเกิดก่อนสระเนี่ย มันมันเป็นแซ่บผุนกาละละผุ่นเป็มแซ่บดดามันดาผสมกันทีเด็กไข่ชาบมันดาเขียวของมันสมันจก็มาเหมือหน้าตัวในเชี่วกาละละกาละนั่นแหละเอาว่าเป็นสารเนี้ออันนี้อักราขามันเกิดมีแขนมีหมูมีตาเป็นยังมันจะมีพวกดีพวกขาพอกขาขึ้นมา ยังว่าพวกนั้นเกิดความแรกบัณคับพวกเกิดหลังไรเห็ุนี่ยังนี้พระองค์พระมาหาสั้างกระจายคนเอาบาา้าจำบุคคลเกิดทิ้ ง, ง, งาาสี่แหละออกมาตร้างเป็นตัวอักคระเป็นตัวสาระว่นแมนเคนหอนได้หอนตัง้งหรือวันนี้มาจะเหลืองแจ้งเลยกูอ่าตัวเดิมยักษ์เป็นแจ้งไลยนี่แมนพระองค์ไห้พระสร้างกระจายคนแจกศาสตร์ในอาศาัยปีสัมีท่าคนแต่งคนแต่งทิงสี่ นี่ละเหตุนั่นคนแจ้งตามเกิดทั้งนั้นเอามีรหลักฐานบอมแม่แจ้งโดยบอ ม, มี่เหตุผลนี่เหตุไี่ผลแต่เหตุผลของพวกอกเล่ากันทั้งหลายพวกนารกักสาบุคคลเกิดนี่หละอย่างที่ละ่ะนี่ละเมื่อมันเป็นอย่างนี้ยังว่าขันหากเราพิ่จะลาเขาในอัคลระสนธิงอย่มันเขาถึงปฏิสนุนเขาถึง กะละละไปทีแกลวกาะละละวัมันจกกระปกของข้อแมกเขาไปผสมกันให้ตั้เป็นตัวให้มันมาจกะปกอีเดียวนี้นี่มันมันมันมันมากกระปกไม่นี่มันจกกระปุก็จะว่าเกิดนองรัน ม, มันเป็นของบอเสียงของบอมีดตัวตัวเพราเนย่ยว่าเสนูฟินโนลูปมากาโยลูป ร, าารป่างกายบรมีมันบอมีแข็ง พราะมันเป็นก้อนน้ำเหมือนกับบุกลตจมเกลือหรือจมน้ําอ้อยมันเป็นด่านเป็นก้อนหรือเป็นซามันถืออ่อนมันเลยเกิดเป็นน้ำใสๆเป็นด่านเป็นซาขึ้นมาอันนี้คือกันเมื่อมันถือร้อนน้ำนั้นก็เล้คนแขนเขามากมาเป็นตัวมันก็เลยสุกผงจงได้ธรรมชาติมันยังมันเป็นขึ้นมาอย่างนั้นเนี่ยเป็นพูดอย่างนี้ธรรมดาก้อนเกลือหรือก้อนน้าอ้อยน้ําตาล มันมาเป็นก้อนแล้วยังสืบถือไอฝนกันละไรอันีน้ืบนำซะเลยบนใ น, นสืบายอ้มกะเอยหลดอันนี้ร่างกายของเรามาันกิเป็นของทวาร น, นิสันลาเนี่ยมีแต่สิแตกสีดบเฮลันองแกนไรว่ายังไโนโยกุเชนไปว่าอีนน้วาคิดยามาตะปังปริยามาร่างช่วยคอันไหนเราควนทำดิทำอนนี้วาคิดยาเนยมาตะปังยไป ล่าละลังล่าลังล่าไว้จะว่าช่วยว่ามืออื่นยังคิดทาดอกอย่าไปว่าคิดลังล่าเช่นกันงันไปหาดไปยังสั้นพรอว่ามันเป็นของบัวท้าวันร่างกายเนี่ยเมื่อมันแตกดับไปแล้วเล่ยคิดว่าคิดําเลยสูญเลยผลที่สุดก็เลยจะเป็นห่วงสมีจะไปยกภูกระดีสมีเพราะโศก ไปคิดไปคิดอยู่ในโสว่างคิดในวัดว่างฟุร่ายในวท่นนั้นอย่างนั้นเนี่ยนี่แหละเหตุนั้นจึงว่าหากว่าเรามาตั้งใจที่จะหน้าถึงความคิดของเราเบื้องหลังเลยเบื้องหน้าว่าบ่มีดังโผงเปล่าบ่มีมีแค่อยู่ในปัจจุบันตัวนี้จึงว่าสถาตาไทยปัจติก็จึงว่าบอกไปที่หน้ามันคิดหรือว่าลูกบ่ตมันคิดอยงว่างนี้ รัฐารัถาเอาล่องหนีโรดอย่าไปว่าว่าอยู่เบื้องหลังเบื้องหนามีมันโบมี่ตลอดเนี่ยมันมันอีกในปัจจุบันอย่างนี้ได้เอาบทพิจารณาทำไรมันอยู่ในปัจจุบันท่นไหนไม่เหมดอนใช่ะมันเหมือนลก็บโบมี่อีริันดิอยู่เบื้องหลังกับโบมี่อยู่แล้วก็เล็บโบมีอีริเบื้องหนามันบพท่านไปถึงมันโบมี่ก็เลยบโมีอีริมันได้สิ้นไปเลยทับประสิทนอยู่ในปัจจุบันเห็นใีกอยงว่าอนาคตเนีย หรืออดีก็ดีเอาว่าแก่เยอะในปัจจุบันเนี่ยบ่อมันวายอยู่ฮะพอมันว่าของเก่าอยู่เนี่ยมันบ่นว่าของใหม่นี่ยเนหนัสัญญามันว่ามีดอกของใหม่อ่ะมันมีแต่ของเก่าเหมือนเดียวสิ่งที่มันลวงแล้วทั้งหมดนั่นแหละมันเอาไปคิดอยู่ฮะมันคิดเรื่องว่าสัญญาดีเนยมันลืสัญญากันเหมือนยังเราสัญญากันนั่นล่ะนัดเหนือกันสิไปหรือสิทําหรือไหมาช่วย ว่าผู้ได้ถูกรับฟางเลยเข้าใจเกิดเป็นอนุภาเป็นห้วงนั่าก้อนผู้ไปสร้างอะไรเสันญามกระดิ่งเนลาไม่รู้เอาข้อเก่าไม่ให้แก่มันอยู่ขนาดขันตัวบอแก่มันก็ลดส้นย่าอยู่โบเซงซะละขันขาตัวแก้มันได้แล้วมันยังสีเศ้าเพลียทุกเดียมอีกตัฒนาใช้มันถูกขอนอ่ะมันยังสีเศร้า กันโเหตุกับส no to ันโมเท่าจะเทียที่ว่าจะได้เห็ดไปถือยิงเลียนหลายก็ยิ่งออกมาคิดหลายมันรู้หลควบเลียนยิงไปเห็นหลายก็ยิ่งออกมาคิดหลายเห็นอะไรมาออมาคิดอยู่จังสัตวมันว่แม่มันเห็นแล้วมาติดติไว้บนมันเห็นมันเอาไม้ไว้ในมัน่ะมันเท่ากับว่ากองท้ายลูก เมื่อเห็ น, หนมันเขาทายออกมากแล้วแล้วมันราเอาพิเอารูปที่มันทายเอาเราอัดออกมาเป็นเส้นกระดาษเ้วเอาอัดส้มีไว้อยากดูรูปอันไดแล้วเปิดหยิบเอามาดูรูปผาดรูปอีกอย่างขึ้น่เรื่องเซียงหม่สงขาปฏิเสธไม่ยอมออกคุณหลุดนี่อยู่ในหันเปิดเปิดเห็นเราเห็นอยู่ในัน บาดที่เอาสายมอ่งไปเราบ่เห็นดีดีมันไก่โซ่ไก่สีไปกัไกลซ่ไก่ยังขีดเห็นได้บาดไปอัดไปแล้วหลุดเห็นง่ายงพอเปิดหีบมันบเห็นโหลดเห็นโหลดชันใดนี่มันอัดมาเหมือนแล้วใจมันอัดมาเหมืนแล้วเป็นแย่แย่ก็อัดเอาคือเอารอบมันมาไว้มันแลเอาขึ้นยหอนสัญญามารุดข้มจัมารู สายออกมาใหเบิ arias, ้งสายออกมาใหดูอยู่เพราะชาวยะเตียหรือบ่ทำลายยะเตียฮะเนี่บ่เอาอยู่พัฒนาใช้ยะเตียมันก็เลยยัดแตมันยัดอยู่ันที่เสี่ยวยมผลสุดก็เลยอยากเบื้องอนไรเปิดไปเบื้งอยากเบิองอไเปิดไปเบิ้องก็ลดได้จนแก่ช่งไปวันมันอยู่ผลกระพิบหรือบ่ยืดลำตัวยกเตียนี่เพราะว่าตัวเป็นผู้รู้ว่าเป็นตัวเป็นผู้เห็น เห็นอย่างละเห็นเงามันที่เนี่ะมันว่าม่เห็นธรรมอเห็นเงาธรรมเห็นเสียงธรรมสื่อธรรมหรือว่าได้ยังนีคความเห็นจัตเจ้าแหงคิดแหงเนื้แหงอยากไปวัดฝุ่นวัเพราท่านได้ไปทายมาฝุ่นว่าขาไม่เหนื่อยในยุบวันเ่อยั่างอยากไปทายมาไว้สับืออุ่นหรว่าอะไจัตเจ้าเนี่ย อันนี้ใครยังสั่นละอยากไปพูดอยากไปเห็นอยากไปที่ไปเบิงอยากไปภาวนาละก็ว่าเอาแ่นี่จไปเบิงออามาคิดวไป้าอเช่นรคะเ น, เนี้ยเห็นที่ไปหนามาหลังละะเนี่ยรับจะไปเราไปเห็กกำลังนยเนี่ยแงูุ่ดังเกียลักษาตนอยู่ในพวกมาจันบ่พอไปหาเอาสายเขามาใช้เปนเส็มโพด มันบ่มีบอลทีว่างให้สบายได้ดีๆมันก็ว่าเอาของเสียหีบยัดไหลมันพูดมาเลยหีบแตกมัติแตกมันหลดไปยุ่งัตว์หเพราะว่าไปหาเวกมันละเวเสี่ยวันมันลมีสเสลววาเส้นเหลวมลงใเเสนี่เวกกับสงบเป็นนึ่งรงใดเด้เวกมันันเว่มันวามันดู มันวูมันว่าไปทัวหลิบตัวแด่นเหลี่ยนี่นี่แหะเหตุนั้นเจังว่ามั่งกับบังสือคําสอนอาภูเจ้าจักย่างละเหตุจังสั้นของบอมีอยู่ในเบื้องหลังของบอมีมี่เบื่องหนาก็แต่ว่าวันนี่ขันตัวบอไปถึงมันจะเห็นได้ยังไงล่ะเบื้องหน้าก็ดีตัวไปว่ามันนี่อยู่มันสิมาหาเราสิยังอาหารกันกินมันมีอยู่มืออื่นมือเฮือกมึงสิ เราเรา ỉ, เลือกว่า l ạ. L ạ, มันนี่เงสันเราชิ่นงอนบอกล้วมันเสีมาหาเราได้กินบเห็นไหมันนี่ยังกินมันหลักมือเนี่ยันมาไปหอดมืออือนู้มว่ามันเสีได้กินผุ่นก่มันหักสิได้กินดอกมันไปหอดขันตัวกอดมันกรเดือกได้กระเป้าห่าลบ่มียงสีได้ิ่จักบดได้เยทีไปอาศัยเนึในมันนี้เืองหนาให้มันมีอิ úng, ่มนีแห้งเ่าให้มันไงหิวเราะลย มีพอดีกันมันหลายวันหาวันหอสิตายคนล่ะขันบ่กินไปทอันนี้มันนี่อยู่ปัจจุบันไปอืมไยมาแต่หอด้ายซําขันเส้นเนื้เอาเบื้องหลังมากินมาให้มาดีเหมือนกันมักกับเส้นี้ยินนี่อย่างล่ะเนื้อแรกกับเนึกเป้าหัวละความหิวตัวก็หิวหัวละพราะมันบอกนี่ตัวหอกนึกเอาซื้อนี่ละขันหากมาลูกอย่างนี้เราเผากันกันก็เลิกโรคออกจากตัวนั่นแหละ ตัวตัวผุดเมื่อกว่ามันมีอยู่นั้นชาวเขาว่ามันเป็นโลกหักผมเรือปิดบังเล่ากักตันเร่ายู่นั่ะขันว่านสัตว์ขันเล่ามารูมันเพรนี้เองที่ว่ารููมีแต่ปัจจุบันว่าน้องรัปัจจุบันโลกพ่อปั่นกันกับโลกโลกออกแกตัวเห็นตัวเท่านั้นแหละคือตัวปัจจุบันอยู่หันเท่านั้นว่าแกกันอยู่หันทิพย์เรียมวิปัสสนาแกกันอยู่หัน มันก็เลยเป็นเห็นบอลสินพงแดมันบ่หลายพสอันนี้มันหลายายแยกเสี่ยวยังมาแก้ท้งเบี่ยงนาทั้งเบืองหลังพวมีต่อจามีขึ้นสารพัดทั้งปัจจุบันกเต็มา้อยู่แล้วฝันเช็คเอาเบี่ยงนาเบืองหลังเขามาทับลงอีกมันก็แนนอันยันดยเสเหลี่นี่ขันมาโลกยังซีเราก็เลยมันก็เลยเป็นน้ว่าป้มีเลยแมันก็มีแต่ปัจจุบันเท่านั้นเลยน่อยสั่นแก้ได้ ความมันหน่อยงั้นเนี่ยบอกความน้ำหรือความดวงความบอนมันเกี่ยวความผู้มันกับบอกเลี้ยหลายพราะมันห้อมมันเกี่ยวมันบอได้ขึ้นสูงยังผู้ยังดวงยังเสียคันที่ไปหาความแจ้ว่ามันสูงสูงหรือบอลมันตกคว่างหรือเศรษฐบัตรดีบุตดีกับที่ไปบอกพ่นสาลักอืมจีริกับยังนึงเพราตฉัฮอตสิตายผู้ละมันเลี้ยหลายอ่ะเนี่ย อันนี้เราก็หาวันมันห้อมซีเหลววันไหมันซีมากกับบางมันบ่มีแต่ว่ามันบ่มีตัดสินลามันแน่ลงหันนะเห็นขาดออกไปขนาดผลที่สุดมันมีอยู่ในกระดอมันมีแานี้แถนนี้เทกเรียมมีปรัฒนาขึ้นมาใส่มันตัดันขาดลงไปหมดเลลวมก็เบิร์เนะวนี่มันทีไปใสเียนี่ยล่ะเมื่อพพี่จ้านางเฤจังว่าอาจารยทลังอาจารย์กุปัง โพราทธิ์ยี่กเกย์ขอพ้นจากอากุปธรรมอันท่านกาเรลื อ, อกุปานอกุปธรรมไม่าท่านมันกําเหลืออาสังเฮล่างอาสังกุปังอาสังกุ ป, ปังเแต่ปปผู้พ้นจากความกําเรลืพ้นจากความันคิดเพราะมันตัดความคิดออกเขาถึงอากุปธรรมอันคือมรคือผลแน่ อากุปัฏฐำมเดี๋วก็มักเว่าพูอันมันบกกรบมันบอคิดบอกส่งว่ายช่นี่นั่นเราพว่าเป็นอกุปัฏรมกุปัรรมแต่ว่าท่ามกรเบิ่องสังหิรังสังกุปังสังวิทามารูหะเย็นะพันธิพานนะวูหะเย็นคุยจะเข่าถึงไปนิพานมันเราเข่าไปเพเห็นยากกับที่เทศถูกเเพรถือยั้งพระองค์เทศบ้าน หกปีกับโบสถ์บัตรกบฎเรียหนังนั่นแะอันนี้เราเช็ดเล่ระองไปหรือว่ากับบัตรกบฎเรียหนังนั่นแล้วเพศโบถ์นี่เห็นไหแจ้งว่าเช็ด้มันถูกสอนจัต่อไดกับโบเห็นเอาไปว่าสอนนากันเขาอีกเนี่นยอยากให้มันถูกอยากให้มันดีผู้ใดก็อยากดีแต้าผูเหุทำไมนดีอย่างว่านี่อ่ะคันพูดต้องใจท่านถูกดังอธิบายมา น, นี่ ยังเสียขาถึงว่า ก, กท่ำใดอักกูอักูปะตาอันแสงร่างอันอักษังูปังบางดีจ้ามรัมวานย์เย่นั่นจังเสีว่าอักเยวว่ากิจจะมาจะปังว่ากิจที่ควนท่ำว่าหายดท่ำกมัมน น, นมานั่งเชือยังกิจไปผุปเปกเพ่งไปว่ามือเมื่อยยังกิจไปเห็ดเว่ยแปลกนี่อยู่มืออื่นยไปว่ามือยังเห เนี่ยขันขาตัวบรดได้ในปัจจุบันประบัตบื่เกับบริเวณที่เข้าหัวลาเนี่ยก้นขี้ขานเดียวว่าป้อนนี้บริยาเขตไปเขป้อนปุ่นดอกประหัตริการหย็ดมีสมันเป็นยังสั้นเราก็เป็นเลยไปเลยไปมาเนี้กับเมดของเก่าหันแล้ว เ, น, เ, เวนี่ย อ, อันนี้สาเรเลือดียนม่นเป็นยังสัน้นเราบวชิตรอบกับตัวแจ็กเสียมากับไปยุยง ส, สลยลั้นเดีวมันไม่ให้ตัวฝนุกอะไรยังเสียเนี่ย อย่งว่านาิโนสร้างกันเตนะนาิโนแปลว่ามันบดจำาลนาฮิโนแปลว่าจำซานาิโนมันบดจำซาล่ะสรางกลัเตมันยงละมันบซามหาเเนมาติวนามาตินาแปลว่าควาย มหาเสนาเสนามันมีเสนาว่ามันเพียงแต่เสนามันเป็นมหาเสนามหาเสนามันบกกว่าใครเลยพระราชาว่าเป็นผุ้มมีฤทิ์เดชหยดจักตั้จแตเก่ามากเมื่อไรห่วยมันเอาลาบเม็ดบุญีเหนือมันไปได้เหนือมัดอะมัดยูนาไปได้เห็นี่เราแต่เพียงเล่าเท่านี้เล่าสิไปเปล่ามืออือนดอกเก่งสิท้ามือหืดดอกเี่งสิท้ำสิไป พัดเพี้ยนไปจังส well ี่เลยพอมันมาถึงแล้วมันก็จังสั้นเดียวว่าได้ทําจสำนักเดลยวมันบอกล่อหลังไผ่บอกให้ท่ำสกัดดอกจังสิให้ตายมันบอกว่าดีมันมาถึงว่อะไรมานให้ตายเวลามันมาถึงแล้วนอกมันเกี่ยวสีมีรับดีเชื่อมบัดเกี่มีมากเอามาสื่อมาไทยมันบอกฟังเสียงดีๆเกี่ยวมีอาวุธหอกดาบเจ้ามีมากนี่ปืนผาหนามอีกเจี่มีมาก มันบอกฟังเสียงไสแม่ทับมันเก่าวให้ตายแล้วก็บของทับมันนกาวให้ตายเนี่ยมันบอมีอันใดที่ทาอย่างลังเอมันได้เหตดนี้เรายัดไปพุง่งการกระทําของเราให้ปัจจุบันั่งจะ้ย่อสมัง่งให้ตั้งแกท้ทาอยู่ในปัจจุบันอยู่นี่เดี๋ยวนี้ รักษาศาสนาอ่ะแปลว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราจะทำโยหรือเดี๋ยวนี้ดีเราทำโยเดี๋ยวนี้เดือวนี้เราจะให้ลูกให้ล่าให้มันได้เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เราต้องเป็นผู้มอุ่งอยู่ในยุทเสมอยเร่ยไปยังสีเราว่าผู้ชิพรพ น, นจะมาหาเสเนมีมาจิวนานี่ล่ะเป็นาศาสนาธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าตามข้อกันมาได้ยินได้ฟังจงจดจำไปกระกองไปพิ่จะมาให้ลูกแกงเห็นกิน ทำให้ได้เป็นนักอธิบายนี่เพียนทำโยเป็นบุญของตนอยู่เมื่อเป็นผู้อยู่งด้วยมั้นไปตลาดก็จะมีแต่ความยุกความเจริญงอกงามในพระศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสุขเ ส, ข ส, ขสริมจรรยาการนางแต่รับประทานในศัจน า, าเอวังก็มีด้วยคท่า น, นี้ปกติ อิคตังปฏิตางสุยหังคิตะเมวะสะมิขตุสัพเพุเรนสุสังกปาจันโทปนาลัโวยะทามันิโชติลัสโวยะทาสัพพิติโยยวัจันตุสปารโอโกยนัสตุมาเตระวัตวันตรายุสุขิท่ขายุโกปวะอภิวาตนาสิลิสานิจังุท้าปัจจายโน เกตารโหทัมมาวัฒนติอายุวโนสุขัง